ข้อความในทีคณิกายต่อจากครั้งที่แล้วมหาประทานสูตรกล่าวถึงข้อความของอข้อความเกี่ยวกับเรื่องของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีเมื่อเก้าสิบเอ็ดกับที่แล้วเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าของเรานั้นตรัสเล่าถึงประกาศถึงว่าพระองค์นั้นมีุทเพลนิว า, าสานสติญาณมียานที่แจ่มแจ้ง รู้แจ้งแทงตลอดระลึกถึงขันทั้งหลายที่เคยมีอยู่ในการก่อนในขันเหล่านั้นพร้อมทั้งรายละเอียดโดยประการทั้งปวงเช่นเรื่องราวขันของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีพระองค์รอบรู้เหตุการเหล่านั้นโดยสิ้นเชิงนับตั้งแต่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสด็จยังลงสู่พระคัน และมีเหตุการณ์เหล่าใดเกิดขึ้นบ้างในระหว่างที่ยังลงสู่คันมีเหตุการณ์เหล่าใดบ้างที่เกิดขึ้นในระหว่างที่พระองค์นั้นอยู่ในครันนะมีเหตุการณ์เหล่าใดบ้างที่เกิดขึ้นตอนที่พระองค์นั้นประสูติจากพระคันพระพุทธมารดาหรือเหตุการณ์เหล่าใดบ้างหลังจากนั้นถัดมาเมื่อประสูติมาแล้วมีเหตุการณ์ใดๆที่สําคัญสําคัญที่น่าเอามาบอกมาเล่าซึ่งเป็นสิ่งที่เกือ้อกูลก่อให้เกิด ศรัทธาเนี่ยนะก็ให้เกิดการปฏิบัติเพื่อความนำออกจากทุกข์พระองค์ก็จะเอามาตรัสเล่าให้ฟังเล่าไปเรื่อยเนี่ยนะจนถึงว่าพระองค์ได้มีปร า, าสาทสามหลังแล้วก็หลายร้อยหลายพันปีพระองค์ก็ไปประพาสพระอุทยานไปพบเห็นเทวทูตนะเห็นเทวทูตที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่พระองค์ก็ออกพนวดบวชพร้อมกับนะบรณรชิตก็บวชติดตามอีกแปดหมื่นสี่พัน บำเพ็ญเพียรอยู่บวชประมาณสี่เดือนแล้วจึงได้ตรัสรู้เป็นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัสมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีเมื่อตรัสรู้แล้วก็ประทับอยู่แถวบริเวณโพธิบัลลังประมาณ7จสัปดาห์สัปดาห์ที่แปดพระองค์ก็ขวนขวายน้อยน้อมไปเพื่อจะไม่แสดงธรรมเท้ามาหาพรหมก็มาอาราธนาะซึ่งเราก็ฟังไปแล้ว นี่ต่อไปเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้ารับอาราธนาที่จะประกาศอริยสัจธรรมประกาศประตูอมตะเปิดเผยข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นจากทุกเนี่ยนะพระองค์ก็ควรว่าผู้ใดเนอคู่ควรที่จะพ้นทุก์หรื อ, อประกาศว่าอย่างอริ ย, ยสัจสีผู้ใดเขาสามารถที่จะก้าวล่วงพุทธคะอริยสัจได้บ้างผู้ใดสามารถที่จะดับสมุทัยสัจได้บ้าง ผู้ใดสา ม, มารถที่จะตรัสรู้นิโรศสัจจะได้บ้างผู้ใดที่จะปฏิบัติศิกขาสามอธิศีลสิกขาอธิจิตศิกขาอธิปัญญาศิกขาเพื่อจะได้ตรัสรู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างผู้ใดจะมีศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาบุคคลใดจะเจริญไปด้วยสติประธานสัมมารประธานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงและองค์มรรคก็คือผู้ใดสา ม, มารถกําหนดรู้ทุกได้ผู้ใดสา ม, มารถ ลาสมุทัยผู้ใดาสามารถทำพระนิพพานซึ่งประโยชน์อันสูงสุดให้ประจักษ์แจ้งผู้ใดหนอจะเข้าถึงประโยชน์อันสูงสุดคือพระนิพพานผู้ใดหนอจะรวบรวมโพธิปัธจายธรรมเนื่องจากว่าเขาเหล่านั้นสั่งสมบุญมาดีพอที่จะได้ตรัสรู้ตามพระองค์ผมก็ตรวจสอบดูว่าและบุคคล น, นั้นะนะพิเศษเลยก็คือว่าตรัสรู้ได้เร็วพลันอขอพวกบรรลุเร็วหน่อยอะนะ ม, ม, บบมันั่งมันั่งบกนั่งอมนั่งอนั่งบ่มอ่นะนั่งบ่มกันอยู่นั่นแหละไม่สุกสักทียังก็ไม่ใช่อย่างนั้นเอาพอที่พวกที่จะพอจะตรัสรู้ได้ในคอบ48หน้า44ปล่าว่าดูก่อนภิสูุทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคอรหันตัดสัมมาสัมพุทธชจ้าพระนามว่าวิปสัสสีพระองค์ทรงพระดรํฤห์ว่าเราเนควรจะแสดงทรรแก่ใครก่อนเล่าหนอ ใครเนอจะรู้ทั่วถึงธรรมะนี้ได้เร็วพลันที่เดียวไม่ใช่พูดแล้วเขาเข้าใจนะไม่ได้ตดรัสรู้รู้ทั่วถึงเนี่ยแปลว่าสามารถทําได้อย่างที่พระองค์สอนจริงๆใครเนาสามารถที่จะแทงตลอดอริยสัจอย่างที่พระองค์สอนได้จริงๆสามารถที่จะบรรลุมรรคผลตามที่พระองค์แนะนําเขาได้จริงๆบุคคลนั้นเนี่ยคือใครนะเขตั้งขึ้นมาโจทย์คือ คำความหมายเหล่านี้เราใช้เวลาคิดตั้งสามชั่วโมงแบบเร า, เราไม่ใช่หรอกพอแค่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะอ า, อาวัชนะขอให้พระองค์นึกเถอะพระองค์นึกอะไรแล้วพระองค์จะรู้สิ่งนั้นคิดว่าเอามาปรับรบนะแค่ยกมันนึกปุ๊บรู้ทะลุปลุกโรล่งทั้งหมดเพราะสัพพัญยุตยานของพระองค์เนี่ยเนื่องด้วยอาวชนะเนื่องด้วยการนึกขอให้พระองค์เก็บเรื่องนั้นมาคิดนะขอให้ในเรื่องนั้นเข้ามาสู่คันลองแห่งความคิด แล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นแล้วก็รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรเพราะว่าพราะองค์นั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยพระญาณทุกอย่างภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้ทรงพระดาริว่าพระราชโอรสพระนามว่าขันดะและบุตรปุโรหิตชื่อว่าติดสะนี้ผู้อาศัยอยู่ในพระนครพันทุมดีราชธานีคนทั้งคู่นี้นะเป็นคนชาว เป็นคนฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญามีกิเลสเหมือนกับทุลีในดวงตาเนี่ยเบาบางสิ้นกาลนานคือสองคนเนี่ยนะเป็นคนฉลาดมานานแล้วปัญญาก็เฉียบแหลมปัญญาก็มากกิเลสในใจก็น้อยเนี่ยนะก็คือเป็นคนที่มีศรัทธาถ้ารู้ว่าอะไรดีมีเหตุมีผลอะไรที่จะช่วยให้พ้นทุกข์ได้จริงก็พร้อมที่จะละได้ทันทีขอให้สิ่งนั้นอะดีจริงองนั้นน่ย คือท่านเหล่านี้พร้อมที่จะเข้าถึงคุณชั้นสูงท่านเหล่านี้ไม่ใช่พวกกลุ่มอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยนะนะเคยคิดมายังไงก็จะขอคิดเช่นนั้นตลอดไปบอกใหม่ท่านเหล่านี้สนใจว่าถ้าจิตตอนนี้เป็นปริตะเพิ่มภูนให้เป็นมหกตะเป็นอัปปมานะได้อย่างไรจิตเหล่านี้เป็นมหากุสุนทอยังไงให้เป็นรูปราวจรอรูปราวจรเป็นโล ก, กุตระไปได้อย่างไรเนี่ยนะนะ ท่านท่านพวกนี้ก็จะไม่ไม่สันโดษในกุศลไม่สันโดษในคุณงามความดีมีแต่จะเพิ่มกุศลนะเพราะเพราะอะไรเพราะท่านเป็นคนที่ฉลาดนะเป็นคนที่เฉียบแหลมเป็นคนที่มีปัญญาเป็นคนที่รู้เหตุรู้ผลรู้ปัจจัยและผลของปัจจัยเข้าใจว่าอะไรควรจะเป็นฐานะแห่งอะไรและอะไรนั่นเองปนพระองค์ก็ตรวจดูว่าสองคนเนี่ยใช้แววดีที่สุดเนี่ยนะ ในจํานวนผู้ที่พอจะโปรดได้อย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีกรุณาต่อสรรพสัตว์หาประมาณไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นพระองค์จะทําอะไรพระองค์ยังใคร่ครวนตรวจสอบดูก่อนไม่ใช่ว่าโอ้โหเนี่ยบรรลุแล้วนะมามาไปเรียก อ, อะไรนะเดินนั่งสอนนั่งหัวซอยยันท้ายซอยเพียวสอนไปหมดอ่ไม่ใช่อันนั้นมันก็เกินไปอเองนั่นแหละเขาบอกว่าถามมามีไหมอย่างนี้บอกนีเนี่ยนะ เริ่มพอเข้าใจอะไรนิดๆหน่อยๆแนะนําคนทั่วไปหมดตั้งหัวซอยท้ายซอยเชื่อไหมได้ศัตรูหมดเลยนะตอนหลังมีใครเขาพูดด้วยแม้แต่คนเดียวก็คาราคาญ์อย่างนั้นอันนั้นอันนั้นก็แปล ว, ว่าฟุ้งซ่านมากอนะฉะนั้นคนที่เป็นเนี่ยนะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์พระองค์ ร, งรู้ว่าใครเหมาะสมเรื่องนี้ควรจะแนะนําใครแนะนําใครแล้วเขาจะได้รับประโยชน์เขาได้รับประโยชน์จริงหรือคือผู้ที่ผู้ที่แนะนําสั่งสอนผู้อื่นเนี่ยนะ ไม่ใช่เป็นคนที่มีความสุขกับการละเลงแล้วก็เมาน้ําลายพวกนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่คนบ้าน้ําลายอนะคนที่บ้าน้ําลายคืออะไรคือมีความสุขมากได้พูดคอยได้พูดไว้ก่อนพูดอะไรก็ไม่รู้พูดให้เป็นอะไรบอกว่าถามจริงเถอะคนพูดรู้ไหยว่าตัวเองพูดอะไรพูดให้เป็นอะไรพูดทําไมเมื่อใจเราพูดแล้วศีลเราเจริญขึ้นไหมสมถะเราเจริญขึ้นไหมวิปัสสนาเราเจริญขึ้นไหมเราพูดอย่างนี้แล้วเราจะใกล้ชิดพระพุทธเจ้าขึ้นไหม พูดอย่างนี้แล้วเรามั่นคงในพระธรรมมากขึ้นไหมพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยศรัทธาในพระสงฆ์เนี่ยมากขึ้นไหมพูดอย่างนี้แล้วศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาพอกพูนขึ้นไหมพูดอย่างนี้แล้วประโยชน์โลกนี้เราได้อะไรพูดอย่างนี้แล้วประโยชน์โลกหน้าเราได้อะไรพูดอย่างนี้แล้ว่มันจะบรรลุมรรคผลนี้ผ่านได้ยังไงพูดอย่างนี้ดีจริงหรือพูดอย่างนี้แล้วเบียดเบียนตัวเองไหมเบียดเบียนผู้อื่นไหมเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไหมเรื่องที่พูดเนี่ยมันอยู่ในจุดส่วนไหนของคําสอน เนี่ยก่อนหน้าที่จะถึงเป็นแบบนี้คืออะไรต่อไปหลังจากเนี่ยคืออะไรรู้เลยได้ว่าถ้าเอามงคล38มาตรวจจับมันอยู่มงคลข้อที่เท่าไหร่ก่อนหน้านั้นมาคืออะไรถัดจากนั้นต่อไปนั้นคืออะไรพลิกกลับมาถ้าตรงกงันข้ามนั้นมันคืออะไรแล้วสิ่งเหล่านั้นปฏิบัติได้จริงไหมทําได้จริงไหมมีประโยชน์ไหมเป็นต้นเขาต้องตรวจสอบทั้งหมดก่อนไม่ใช่ว่าไปเรื่อยมิสวตรโอ้จาอะไรได้นี่ๆหน่อยหน่อก็ว่าละเลงไปเรื่อยเนี่ยนะ คนฟังฟังแล้วงงไปหมดเลยไอ้คนพูดเองก็ฟุ้งซ่านเนี่ยนะพูดจบก็ฟุ้งซ่านทั้งคู่ไปหมดเพงั้นการพูดเนี่ยต้องสําคัญต้องสําเนียดต้องใส่ใจสําเนียเนี่ยแปลว่าศึกษาแปลว่าหาข้อมูลพิิพจรารณาไตร่ตรวงให้ดีก่อนไม่งั้นคนที่รู้ธรรมะเขาบอกว่าคนที่ไม่ศึกษาธรรมะเนี่ยนะข้อมูลหลายๆอย่างที่เขามาฟังมาคนที่ไม่ศึกษาธรรมะเหตุผลอันหนึ่งก็เพราะคนรู้ธรรมะพูดจนน่ารําคาญว่า ง, งั้นอันนี้อันหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือบอกว่า เขาต่อต้านวิชาบางอย่างในผู้ศาสนาก็เพราะคนที่อยู่ในวิชานั้นแหละไปพูดซะจนนำคาญหมดเลยจนขารับไม่ได้เพราะเพราะอะไรเพราะไม่มีกาลันยูเล ย, ยนะกาเลนะธรรมสวนังกาเลนะธรรมสากัตฉาไม่รู้การนะการไหนที่ควรจะฟังการไหนที่ควรจะสนทนาการไหนที่ควรจะพูดพูดแล้วเขาได้รับประโยชน์จริงไหมแค่ไหนว่าพูดผิดการหรือพูดผิดบุคคลเนี่ยเสียหายหมดเลย พูดผิดบุคคลเนี่ยนะเขากว่าพร ะ, ระุทธิสัตว์เนี่ยเคยในชาดกเรื่องหนึง่งแม้ไปสอนคนพายเรือพระองค์แอท่านฉลาดมากนะท่านเก่งท่านไปเทศอยู่ครั้งหนึ่งให้พระเจ้าให้พระราชาฟังพระราชาเลื่อมใสในคําเทศของท่านมากพระราชาก็เลยถวายบ้านสวยถวายบ้านสวยพร้อมภาษีอากรอนโอ้ท่านเทศดีเหลือเกินเนี่ยนะ่ก็ถวายไปเลยเสร็จแล้วท่านก็คิดว่าโอ้โหวาทะของท่านนี่ดีเยี่ยม อันก็นเลยไปให้คนพายเรือเนี่ยพากันไปส่งฝากนูน้นบอกโยมช่วยพายเรือไปฟังเออส่งอาตมาฝากนู้นหน่อยเถอะโยมเขาก็ไปอ่าพาไปส่งเอ้ยบอกว่าท่านมีค่าจ้างให้ข้าพเจ้า ก, กับพายให้บอกเดี๋ยวจะให้คําเทศเดี๋ยวจะเทศให้ฟังโอ้ยทางไ อ, ไ, อไอ้คนพายเรือก็ น, นึกใหม่ไอ้คําเทศนี่มันเยี่ยมมากมันมีราคาตั้งหลายบาทนะนะก็ น, นึกว่ามันเป็นแก้วแหวนเงินทองพอข้ามไปส่งฝั่งโน้นเนี่ยนะอ่า พระโพธิสัตว์ก็เทศให้ฟังบอกเนี่ยเหรอที่บอกว่าที่จะให้บอกใช่บอกไม่เอาจะเอาสตังบอกอาตมาไม่มีไม่มีก็รับบาทาไปก็แล้วกันนะี่ยนะพระโพธิสัตว์ก็เลือดอาบปากเลยตรงนั้นแ่ะอันนี้ในชาดกนะมีพระโพธิสัตว์เนี่ยแสดงผิดคนก็เลยมีที่มาบอกว่าพูดให้อีกคนหนึ่งฟังควรค่าควรแก่บ้านสวยเป็นตนําบลแปลว่าเทศกันนั้นเนี่ยได้เป็นมูลค่าหลายร้อยล้านอะไรเงี้นเถอะแต่ไปพูดผิดที่เนี่ยเลือดไหลท่วมปากเลยแบบัน้น อันเนี้เพราะอะไรอันนั้นก็ต้องระวังแทนที่จะได้มิตรกลับเป็นศัตรูบางคนเนี่เป็นเพื่อนรักกันอยู่ดีๆพอคุยกันไม่ ก, กี่ทีทะเลาะ ก, กันเลยเนี่ยนะอันนี้ก็เรต้องพยายามใส่ใจพยายามศึกษานั้นธรรมะเนี่ยนะความรู้แต่เราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เราพูดก่อให้เกิดศรัทธาไหมก่อให้เกิดวิริยะไหมก่อให้เกิดสติไหมก่อให้เกิดสมาธิไหมอันนั้นคำพูดเราพูดถูกคนไหมคําพูดที่ปรารบศรัทธาคนไม่มีศรัทธาไม่ชอบฟัง คำพูดที่ปราลบความเพียรกลืนเกียรคร้านไม่ชอบฟังน ะ, นลงละงคำพูดที่ปรารบสติคนที่เลอะเลือนหลงลืมประมาทไม่ชอบฟังคำพูดที่ปรารบสมาธิคนฟุ้งซ่านไม่ชอบฟังคำพูดที่ปรารบปัญญาคนโง่เขลาไม่ชอบฟังคำพูดปรารบศีลคนทุศีลไม่ชอบฟังเนี่ยนะคำพูดถึงความดีคนชั่วไม่ชอบฟังพูดถึงความชั่วคนดีก็ไม่ชอบฟังเอกนั่นแหละมันก็แบ่งไปตามธาตุเนี่ยนะ เมื่อสัตว์โลกแบ่งไปตามาธาตุอย่างนี้เนี่ยนะมถึงกรุณามากเพียงใดก็ไม่ใช่ว่าจะสอนได้นีนะทําไม่ใช่ว่าจะพูดได้เคยคิดว่าทําไมพระนางยโสธราพิมพาท่านน่าจะไปเทศสอนพระเทวทัตในฐานะพี่ชายของท่านหลวงพี่ทําไมหลวงพี่เป็นศัตรู ก, กับพระพุทธเจ้าไม่ดีนะพระราหุล น, น่าจะไปแนะนําลุงบ้างลุงนะทํากับพระพุทธเจ้านี้ได้ยังไงลูกพี่ลูกน้องกันไม่ใช่เหรอบอกไม่มีใครพูดเลย พระอ น, นุเนี่ยเราก็แทบว่าเป็นญาติของคือเป็นเครือญาติกันหมดทําไมแต่ละคนไม่ไปพูดกับพระเทวทัตเอาเขารู้ว่าใครเป็นใครอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะะท่านเราก็ต้องศึกษาแยกแยะเหมือนกันในการพูดธรรมะหรือการสนทนาธรรมะพูดแล้วประโยชน์ตนเกิดขึ้นไหมพูดแล้วประโยชน์ผู้อื่นเกิดขึ้นไหมท่า น, นการไข้ครวญอย่างคําสอนเนี่ยขนาดระดับพระสัพพัญยูชินเจ้าท่านไข่ครควญก่อนนะท่านจึง จึงจะทำพันกายกรรมทุกอย่างของพระองคะ ram, ์เน like ี่ยคล้อยตามพระยานวจีกรรมทั้งหมดของพระองค์ก็คล้อยตามพระยานมโนกรรมทั้งหมดคล้อยตามพระยานเดินตามทิศทางแห่งปัญญาเพราะปัญญานี่แหละเป็นตัวตัวควบคุมพฤติกรรมทั้งหมดของพระพุทธเจ้าปัญญานี่เป็นควบตัวควบคุมวจีกรรมและมโนกรรมรู้ผู้ที่มีปัญญานี่แหละจึงไม่เบียดเบียนตน ยามใดที่เบียดเบียนตนให้เข้าใจเถอะว่าเกิดเพราะความโง่เขลาเนี่ยนะเกิดจากความโง่เขลาก็เหมือนกับว่าเดินไปสะดุดอะไรแล้วเจ็บเจ็บเนี่ยนะพื้นไม่มีปัญหาหรอกพื้นมันก็เป็นอย่างนั้นมันยังค่ํานั่นแหละเหมือนเขามาเดินไปสะดุดปูนโปกเนี่ยนะเล็บเนี่ยช้ามาเ น, นี่ยคืเพิ่งหายอยเนี่ยอันนี้จา่ายค่าโง่ครัง้งครั้งที่เท่าไร่ไม่ทราบจําไม่ได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยไปเดินบินทบาทบนลาดยางก็เดินไป ก็ออืหน้าเล็บเนี่ยหลุดหมดเลยโทษทางขี้เกียจยกเท้าก็เดินบินทะบาดนะนะเดินลาดยางไม่ได้ใส่รองเท้าเนี่ยนโอ้เลือดอาบเลยนานกว่าจะหายเจ็บเนี่ยนะไอ้ตรงหน้าหน้าเล็บนั่นแ่ละเล็บเล็บป้งเทา้าอ่ะเจ็บขนาดนั้นเลยน เ, ออเนี่ยก็เออเนี่ยจ่ายค่างโง่ไปนะนี่ก็ทุกอย่างก็เหมือนกันสิ่งที่เราทําคําที่เราพูดเนี่ยมันมีผลไปทุกเรื่องเมื่อมันมีผลไปทุกเรื่อง พระพุทธเจ้าจึงแนะนําว่าใคร่ครวรเสียก่อนแล้วค่อยทำเนี่ยนะนิสัมมะกะรนังเสยเยวใคร่ควรวนเสียก่อนแล้วค่อยทําเมื่อใคร่ควรวนเสร็จแล้วอนพิจารณาละเอียดทีท่วนเสร็จแล้วทําอะไรลงไปแล้วจะไม่เสียใจในตอนหลังเน่ยนะนะวันนี้ก็เป็นวันอะไรก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของปีนี้นะในการฟังธรรมนะก็นับว่าเป็นวันสุดท้ายของปีนี้เมื่อเป็นวันสุดท้ายของปีนี้ตลอดปีที่ผ่านมา สิ้นราตรีไปเป็นอันมากนะนะสิ้นราตรีไปเป็นอันมากสามร้อยกว่าราตรีสิ้นเดือนไปเป็นอันมากสิบสองเดือนเนี่ยนะสิ้นชั่วโมงเป็นเป็นพันชั่วโมงสิ้นนาทีไปเป็นอันมากเราเดือดร้อนใจในภายหลังหรือปลื้มใจในภายหลังถึงเมื่อนึกถึงสิ่งที่ทำไปแล้วเนี่ยนะเนะขาทบทวนได้นะเขาทบทวนได้เช็คยอยด์ะนะบัญชีประจาปีอริย์ซั์ปีนี้เป็นยังไงจเจริญบ้างหมเนาะ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 ทีนี้ก็ดูว่าศีนเป็นยังไงบ้างรักรู้สึกรักศีนขึ้นมากไหมหรือว่าเออีนก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหล ะ, ะถ้าอย่างงี้ก็ห่างมาแล้วฮีรโรตปะอายชั่วกลัวบาปแรงกล้าเพิ่มขึ้นไหมก็เช็คดูอีกทีหนึ่งแล้วฟังอะไรมาว่างตลอดตีเนี่ยนะ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 อันนะให้ทานกี่ครั้งวัตถุทานมีปริมาณเท่าใดอ่า น, นะกุศลทานที่เกิดในการให้จำนวนแห่งเจตนาที่ให้มีกี่ครั้งให้เรื่องอะไรบ้างให้แล้วปุพพะเจตนาดีไหมให้แล้วอประเจตนาดีไหมให้แล้วอัปปะปะเจตนาดีไ้ยระลึกขึ้นตามมาแล้วมันพองใสไหม ให้มีปัญญาประกอบหรือเปล่าให้เป็นปาฏิปพกลิศทานหรือว่าให้เป็นสังฆทานให้เป็นวัตถุทานหรือให้อภัยทานหรือให้ธรรมทานเนี่ยนะก็มาแยกชอ็อปสรุปสรุปสมุดบัญชีอริยทรัพย์ประจําปีเนี่ยนะว่าเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงที่จริงนะทางธรรมะเขาสำรวจทุกวันนั่นแหละถ้าเป็นพระสมัยพุทธการเขาตรวจกันทุกวันก็เช็ค ก, กันอย่างนี้ทุกวันเอาของเราเอาปีหนึ่งเช็คครั้งหนึ่งก็แล้วกันมีโอกาสเช็ค ก, กี่รอบเนาะอีกกี่วิ่งอ่ะรอบอะไรนะไกลมากที่หนึ่งไง ไตรมาสที่สองไตรมาสที่สามไตรมาสที่สี่ก็ครบสบสองเดือนพอดีเนี่ยนะนี้เราก็มาพยายามทบทวนนะว่าอริยทรัพย์ของเราเพิ่มมาเนี่ยนะเพิ่มขนาดไหนแล้วปัญญาเนี่เข้าใจอะไรมัง่งปัญญาเนี่เข้าใจปฏิจจสมุปบาทขนาดไหนเข้าใจกรรมเข้าใจผลของกรรมมีกรรมมศกตาดีขนาดไหนเหตุเกิดของความเกิดเหตุเกิดของโลกความดับของโลก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 แล้วก็ไล่ต่อไปอีกว่ันธรรมานุปัสสนาเนี่ยนะนิวรณ์ห้าเราละเอะขันห้ารอบรู้เท่าไหร่อริยตนะสิบสองรอบรู้เท่าไหร่นิวรณ์ห้าละได้แค่ไหนโพธชงเจ็ดเจริญอะไรได้บ้างอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดขอไปอริยสัจสี่เนี่ยนะทากิจได้แค่ไหนสัมมาประธานสี่เพียรละบาปเพียระวังบาปเพียรเจริญบุญเพียรเพิรักษาบุญแล้วก็เพิ่มพูนบุญให้มันเกิดขึ้นเนี่ย ทำไปถึงไหนอิธิบาตอะไรมั่งเป็นบาทแห่งการปฏิบตัติตอนนี้ปฏิบัติมีฉันทะนําหน้ามีวิริยะนําหน้าหรือมีจิตนําหน้าหรือว่ามีวิมังสานําหน้าในการปฏิบตัติในการเจริญกุศลธรรมเพื่อนําออกจากทุกเนี่ยนะศรัทธาสัทธินีเนี่ยนะสัทธินรีในโสตาปฏิยังฆ่าธรรมสดีแค่ไหนเป็นอย่างไรเนี่ยนะวิริยินีในสัมมประธานสีดีแค่ไหนสตินรียในสติประฐานสีเป็นอย่างไรมันใหญ่แค่ไหนและอธิบดีกรมอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยนะ สมาธินรีนี่เป็นยังไงควบคุมอะไรได้บ้างปัญญินรีย์เนี่ยรู้อะไรเข้าใจอะไรบ้างนะนะพ่อชงสติสมัมพ่อชงเป็นต้องเกือบบรรลุหรือยังหรือทำท่าว่าอีกนานไม่มีวี่แววเลยนะเงียบเลยนะหายสนิทเนี่ย น, นะก็ะดูว่าพ่อชงเนี่ยเป็นยังไงเกือบบรรลุใกล้จะบรรลุหรือไม่มีวี่แววว่าจะบรรลุหรือเพื่งบ่มอินซีอย่งเงียนะแล้วองค์มรรคเป็นยังไงสัมมาทิฏฐิรู้เริยสัตว์แค่ไหนสัมมาสังกัปะปะกุศลสังกัปปะ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 สัมมาสติในสติปัฏฐานสี่เป็นยังไงสัมมาสมาธิในฌานสีเป็นยังไงรรเรียกว่าตรวจสอบอริยทรัพย์พอที่จะมีอริยทรัพย์คือถ้าไม่อย่างคนที่พระองค์ตรวจดูว่าบรรลุได้หรือไม่อะ่ะคือคนเหล่านั้นสามารถเจริญอริยทรัพย์ได้ไหมสามารถสร้างอริยทรัพย์ได้ไหมเนี่ยนะถ้าเขาสามารถเจริญอริยทรัพย์ได้เพิ่มพูนอริยทรัพย์คืออริยทรัพย์ในพุทธศาสนานะคือ พระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมวินัยนี้มีข้อที่น่าอัศจรรย์แปดประการในธรรมวินัยที่ทําให้พระอริยบุคคลเนี่ยยินดีมากในธรรมวินัยของพระองค์ยินดีมากในาศาสนาของพระองค์อริยทรัพย์เหล่านั้นก็คือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทิบาทอินทรีย์พล ะ, ระโพชฌงและองค์มัคคือมีรัตนเนี่ยรัตนแปล ว, ว่าเครื่องปลื้มใจเป็นใช้เป็นของที่หายากเป็นของใช้สอยของ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 ตกต่ำในระหว่างกุศลกับอกุศลอันไหนจเจริญดีกว่ากันนึกถึงใครแล้วจเจริญกุศลได้ขนาดไหนก็มาตรวจสํารวจตรวจสอบอะนะตำรวจตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นบุญกิริยาวัตถุทั้งสิบประการทานถึงถึงไหนศีลเป็นอย่างไรสมาธิเป็นยังไงภาวนาเป็นยังไงอ่อนน้อมอะไรได้บ้างวิญญาณจะมาช่วยเหลืออะไร อ, ะอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลเท่าไหรอะไรบ้าง อนุโมทนาบุญกับใครบุญอะไรบ้างที่เราอนุโมทนาไปแลว้วอันนะแสดงทำรร ม, มากี่ครั้งสาธยายพระสูตรมากี่ทีหรือว่าฟังธรร ม, มากี่มากี่เรื่องมากี่อย่างแล้วก็ทัศนคติของเราเนี่ยเป็นไปตามคําสอนแค่ไหนที่เรียกว่าบุญยักษริยาวัตถุสิบต้องสํารวจตรวจสอบให้หมดเลยเรียกว่าตรวจสอบประจําปีไม่อย่างนั้นนะบอกโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นปล่อยวางฟังให้ดีนะปล่อยวางกับปล่อยปละละเลยไม่เหมือนกัน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 ก็เรามันบุญน้อยเนี่ยนะเคยได้ยินไหมพระ ส, สูตรแบบนี้ทั้นคําพูดที่เราใช้พูดกันโดยมากพยายามสอบสวนกับพุทธพจน์ถ้าไม่อย่างนั้นอับประมงคลแน่เคยได้ยินไหมมงคลข้อว่าสุภาสิตาจายาวาจาการกล่าววาจาสุภาษิตนี้แปลว่าพูดตามพุทธพจน์เรียกว่าวาจาสุภาษิตท่้นคําที่เราพูดสอดคล้องกับพุทธพจน์ไหมเราต้องสํารวจน ะ, ะบางคนนี่อย่าือคือเราจะพูดอะไรก็ช่างเถอะ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 เช่นไปพูดแล้วเขาหมดศรัท ธ, ธาในพระ อ, องค์เนี่ยนะจริงๆแล้วพระ อ, องค์รอได้พระ อ, องค์ก็รอนะอย่างอย่างมาชอบในชาดกเรื่องในธรรมบบทเรื่องหนึ่งกล่าวถึงพระ อ, องค์เนี่ยวิธีสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้รีบเทศรีบบรรยายาตาตกะะรถาเทศทีเดียวหมดปีดกสามเนี่ยไม่ไปถึงไปหาไปโปรดพราหมณ์คนหนึ่งวันนั้นเนี่ยพราหมณ์เขาเขาทำนาไปถึงพราหมณ์ก็กําลังโอ้ยทกเทระว่าอะไรนะตกแต่งพื้นนาเพื่อจะทำนา พระเจ้าไปถึงบอกพราหมณ์ทําอะไรบอกทางหา้าจะทํานาพระเจ้าค่ะเออทํานาเลยทํานาไปให้บินทบาตละคุยแค่นี่ย้วันหลังก็ไปถาม่ง่ายพราหมณ์ทําอะไรบอกวันนี้จะใช้นาพระเจ้าข่าเหมือนนแล้วพระองค์ก็ไปบินทบาทไปที่สุทั้งหลายเห็นพระพุทธเจ้าคุยกับพราหมณ์เอามั่งเขาเริ่มคุ้นเคยกับพระรัตนตรัยแค่เนี้ยไม่ได้ทาอะไรหรอกผ่านไปก็หว่านอ้าพราหมณ์ทําอะไรบอกหวานข้าวพระเจ้าค่ะ บอกทำอะไรเนี่ยดูแลน้าําให้น้ําเข้านาพระเจ้ า, ากาก็ทามไปเรื่อยๆเนี่ยจะเกี่ยวแล้วก็เลยคิดได้เพราะเออพระสมณะโคโดมเนี่ยก็เป็นเพื่อนเรานะมาคุยกับเราทุกวันท่านก็ดีกับเรานะท่านก็ยังคุยกับเราท่านไม่ถือเนื้อถือตัวเออเดี๋ยวท่านสมณะโคโดมเดี๋ยวข้า네พเจ้าเก็บเกี่ยวเสร็จนะจะเลี้ยงท่านมือหนึ่งเลยเลี้ยงข้าวมือหนึ่งเลยว่างั้นเ่ะอาหน้าว่าข้าวปีนี้ดีเหลือเกินเนี่ยนะนะ set, นะเดี๋ยวเกี่ยวเสร็จนะเดี๋ยวได้เกี่ยวข้าวแล้วก็จะเลี้ยงท่านมือหนึ่งเลี้ยงข้าวมือหนึ่งเลย แล้วพระพุทธเจ้าก็<ๆ>รับฟังอ่ะนะรับทราบเงียบแต่พ้ อ, องรู้แล้วไม่ได้กินกันหรอกขําพรุ่งนี้ก็ตกวันพรุ่งนี้จะเกี่ยวข้าวคืนนี้ฝนลูกเห็บมันตกลงมาพัดเอาข้าวข้าวที่จะเกี่ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะลงไปสู่ทะเลหมดเลยพรามเนี่ยร้องให้เลยนะบอกหมดกันเนี่ยนะเสีย อ, อกเสียใจมากเลยนะอุตส่าห์ทำมาตั้งปีหนึ่งอ่ะนะ ทำมาทั้งปีหนึ่งไม่ได้เก็บไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยฝนพัดพาลงไปสู่ทะเลหมด น, นอนส ม, มอยู่บ้านไปไหนะข้าวก็ไม่กินอะไรก็ไม่กินนอนส ม, มอย่างเดียวพระพุทธเจ้าก็รู้แล้ว อ, องก็ไปไปถึงก็ไปเห็นภรยาเขาพระมณีนะก็บอก เ, ออเห็นพระมณีพระ อ, องค์ก็บอกว่าจะมาเยี่ยมพราหมณ์พระมณีก็ไปบอกพราหมว่าท่านพราหมณ์พระสมณะคู่ดมมาเยี่ยมท่าน บอกว่าเออไปบอกท่านเธอไอ้ที่เราว่าจะเลี้ยงข้าวเราไม่ได้เลี้ยงแล้วเนี่ยบัดนี้ข้าวของเราเนี่ยนะมันถูกน้ําพัดไปหมดแลว้วเสียใจจริงๆเนี่ยนะพระองค์ก็บอกเอออย่าไปคิดอะไรมากเลยมันก็เป็นอย่างนี้แล่เนี่ยนะอันนั้ที่เรียกว่าศูญย์เสียใจเพราะเสียเรีว่าน้ําตาที่หลั่งไหลเพราะเสียข้าวเสียปลาเ ส, เสียเสียสิ่งเหล่านี้น้ําตามันมากพอแล้วเนี่ยนะมันก็เป็นอย่างนี้พระองค์ก็ค่อยๆแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมให้เขาฟังมันลุเป็นพระโสดาบัน น, นะ เออบางคนในน้ำตาเช็ดหัวเขาเนั่นแหะหรือน้ำตาเปียกหมอนนอนคว่ำหน้าเฝ้าบ้านนั่นแหละจริงก็ได้บรรลุที่แรกเลยเห็นครั้งแรกเลยทําไมไม่สอนเ อ, อิ่มเป็นอย่างงั้นพวกวันนี้เผื่อจะได้น้ําตารดล ด, ด, ดบ้างไม่รู้เรียนเรนทำํำอะไรเรียนไปยังไงไม่ทราบน้ําตากระท่ว ม, ออวมเอาท่วงเมาอย่างที่โยมเขาว่าบอกว่าน้ําตาเขาเนี่ยมากกไปบ่อน้ําข้างหน้าอีกประมาณ น, นเอนไม่มีหรอกโทรมนัดสัมโพชง ทันที่พระพุทธเจ้าจะสอนเนี่ยนะก็คือสอนผู้ที่เขามีอุปนิสัยมีบุญมีวาสนาสร้างสมอัธยาสัยพอจะได้ตรัสรู้องค์ก็เห็นแล้วว่านี่แหละสองคนนี่แหละคือขันดะและติสสะมีเป็นคนฉลาดเชียบแลมมีปัญญามีกิเลสเพียงดังธุลีในจักสุเบาบางสิ้นกาลนานฉะนั้นเนาเราพึงแสดงธรรมแก่พระราชโอรสพระนามว่าขันดะและบุตรบุโรหิต ช, ชื่อว่าติสสะก่อนคนทั้งสองนั้นจากรู้ทั่วถึง ธรรมะนี้ได้อย่างรวดเร็วนันะสองคนนี้เป็นคนฉลาดมากสอนแป๊เดียวบรรลุแล้วรู้เพราะอะไรเพราะเป็นคนมีบุญคือคนที่มีบุญแล้วก็มีปัญญาเนี่ยนะพอได้แนวทางที่ถูกต้องเขาพร้อมที่จะปฏิบัติตามทันทีพร้อมที่จะทําตามทันทีแล้วก็ทําตามสําเร็จอย่างที่บอกตรงนั้นเลยเนี่ยนะเพราะว่าการเจริญโพธิปัจจะธรรมการเจริญอริยมรตมีองแปดนั้นอนะ่ะเป็นการปฏิบัติตาทางใจเนี่ยนะเป็นการเจริญคุณธรรมทางใจพันธะฟังเข้าใจ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 ไปที่เขมามฤุกทายวันเมืองพันธุมาดีราชธานีก็วัดเดียวฉะนั้นคันดาราชโอรสคันดะเนี่ยนะเป็นน้องต่างมารดาของพระพุทธเจ้าเป็นน้องต่างมารดาส่วนติสะนั้นเป็นบุตรของปุโรหิตเนี่ยนะดูก่อนพิสูจทั้งหลายครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ตรัสเรียกคนเฝ้าสวนมฤรคทายาวันมาแล้วบอกว่ามานี่นายมฤรคทายาบาลก็บอกมานี่นะคนดูแลสวนเหางอนันเธอจงเข้าไปยังพระนครพันทุมดีราชธานีแล้วบอกกับพระราชโอรสพระนามวักันดะและบุตรปุโรหิตชื่อว่าติดสะดังนี้ว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีได้เสด็จถึงพระนครพันทุมดีราชธานีแล้ว ตอนนี้พระองค์กําลังประทับอยู่ที่มรรคกาตยวันชื่อว่าเขมะพระองค์ทรงพระประสงค์จะพบท่านทั้งสองดูการพิสูจนทั้งหลายนายมรคกัยาบาลรับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีแล้วนายนายมรคกัยาบาลก็คือคนดูแลสวนก็เข้าไปยังพระนครพันทุมดี แล้วก็แจ้งข่าวกับพระราชโอรสพระนามว่าคันดะและบุตรปุโรหิตชื่อว่าติดสะว่าพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเสด็จถึงพระนครพันทุมดีราชธานีแล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้ามาถึงแล้วคนมีบุญนี่เป็นอย่างนี่ยนะแหวะสะสมบุญไว้ดีสั่งสมบุญมาหนึ่งอสงไข่แสนกับกําลังอยู่ในวังอยู่ในบ้านสบายสยคนเฝ้าสวนเรียกมาฟังให้บรรลุธรรมเลยนะ เขาเรียกว่าถ้าเป็นแบบธรรมดาก็อบอก่าอยู่บ้านใชยเฉเขาเรียกให้ไปเป็นพระราชาเนะี่ยนะกอสบายเลยเทำบุญมาดีนะพิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระราชโชรสพระนามว่าคันดะและบุตรปุโรหิตชื่อว่าติสสะสองคนเนี่ยนะเป็นจะเป็นอัครส า, าวกคันดะเนี่ยจะเป็นอัครส า, าวกข้าง ข, งขวาติสสะเป็นอัครส า, าวกข้างซ้าย นนะทั้งสองท่านนี่ก็สั่งให้บุรุษเทียมยานที่ดีๆขึ้นสู่ทายสู่ยานที่ดีๆก็เข้าไปในพระนครออกจากพระนครพันทุมดรีราชสถานีคือสวนกับตัวในใ น, ในภายในตัวเมืองนี่แยกกันนะขณะที่ไปด้วยราชยานดีพร้อมกับราชยานดีๆทั้งหลายขับตรงไปยังมฤุกทายวันชื่อว่าเขมะไปด้วยยานตลอดภูมิประเทศเท่าที่ยานจะเป็นไปได้ พ อ, อยานไปถึงก็จอดอยานลงจากการเดินเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พ, พระนามว่าวิปัสสีถึง ท, ที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พ, พระนามว่าวิปัสสีแล้วก็นั่งณที่กวรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้ตรัสสอนอนุปุพิกถาแก่ท่านทั้งสองนั้นนะ เรียกว่าคําธรรมะที่แสดงไปตามลําดับหรือคําสอนที่แสดงไปโดยลําดับคือพระองค์ก็ประกาศทานนะประกาศทานนากถาพัณานาอนิสง์ของทานประกาศศีลกถาพันนาศีลและอนิสง์ของศีลกล่าวถึงสวรรค์และความสุขในสวรรค์ น, นะกามาทีนกโทษของกามที่ต่ําช้าเนี่ยนะว่ากามทั้งหลายเนี่ยมันเศร้ามองมันต่ำช้ามันเศร้ามองอย่างไร ประกาศอนิสงฆ์แห่งเนคขมมะคือออกจากกามทั้งหลายได้อย่างไรเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบว่าท่านทั้งสองนั้นน่ะมีจิตคล่องมีจิตอ่อนมีจิตปราศจากนิวรณ์มีจิตสูงมีจิตผ่องใสเนี่ยนะก็คือคนที่ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเหมือนกับน้ําสักผ้าน้ําที่มีอุปกรณ์สมบูรณ์แบบคู่ควรแก่ซัก จิตก็เหมือนกับผ้าพราะองค์สอนไปใจของเขาก็ใสขึ้นใสขึ้นจิตใจก็ผ่องใสจิตใจไม่ถูกนิวรนกลุ่มรุมอย่างนั้นการฟังธรรมที่ถูกต้องนั้นนิวรนไม่ต้องต้องไม่กลุ่มรุมอันนี้เป็นเครื่องวัดในการฟังคําสอนคําสอนเนี่ยนะที่ที่แสดงดีเนี่ยไพเราะในเบื้องต้นหมายความว่าขณะที่ฟังใจก็ต้องผ่องใสนิวรนไม่กลุ่มรุมนั่นแหละลักษณะของการฟังธรรมเป็นอย่างนั้น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 เขรว่าทุกขังเคยใครเคยเป็นฝีมั่งไอ้ตอนเป็นฝีเนี่ยเจ็บจริงๆเลยปวดจริงๆแหละพอฝีมันหายแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนล่ะนะนั่นก็เลยบอกทุกขังเนี่ยนะมันไม่ดีด้วยแล้วมันก็ว่างเปล่าไม่มีสาระแก่นสารอะไรเนี่ยนะเหมือนคนฝันร้ายใครเคยฝันร้ายมั่งตอนกลางคืนโอ้ยฝันร้ายมันจะเอาจริงเป็นจังมากเลยนะตื่นเช้ามาเออเรื่องออกไปทีนนึกว่าจริงอ่ะนะก็คือมันลักษณะทุกขังเนี่ยมันลักษณะความฝันร้าย มันไม่ดีด้วยถึงแม้กระทั่งของดีๆล่ะเอา้าเคยฝันดีบ้างไหมถึงอย่างนั้นก็เช่นกับความฝันนั่นแหละฝันก็คือฝันเหมืนอย่างคำ่ำสังขารทั้งหลายก็ทุกขังแปลว่าเหมือนความฝันก็ได้ไม่ได้มีสาระคงทนถาวรแน่นอนอะไรรอกไม่ได้ดีจริงรอกสมุทัยก็คือเหตุให้เกิ ด, กดทุกขนิโรดก็คือความดับทุกขและดับทุกขสมุ ท, ทยัยอริยมรรคก็คือข้อปฏิบัติให้ให้อะไรให้ถึง อข้อปฏิบัติที่กําหนดรู้ทุกข์ละสมุทยัยถึงนิโรธตรัสรู้นิโรธมีนิโรธทำเป็นที่ดับทุกข์เป็นอารมณ์ทีนี้พอประกาศอริยสัจจบเป็นไงธรรมะจักสุนะธรรมะจักสุดวงตาเห็นธรรมเป็นชื่อของอะไรโซดาปฏิมักเนี่ยนะโซดาปฏิมักสกะทาคามิมักอนาคามิมักรเรียกว่าธรรมะจักสุดวงตาเห็นธรรม หมายถึงอริยมรรคนะจึงกระเรียกว่าตาที่เห็นธรรมถ้าเราได้ยินก็ได้ยินธรรมไม่ใช่เห็นธรรมมันเห็นธรรมนั้นเห็นด้วยโสดาปติมมัคเห็นด้วยสกทาคามิมมัคเห็นด้วยอนาคามิมมัคอริยมรรคต้องประชุมด้วยองแปดนะอริยมรรคเนี่ยประกอบไปด้วยองแปดนั่นแหละเป็นขณะที่อริยมรรคเกิดอริยมรรคเนี่ยปราศจากทุลีไม่มีละอองพิษร้ายเนี่ยนะคำว่าละอองแห่งความเลวร้าย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 บอกไปครึ่งกิโลเนี่ยโอ้โหน้ำตาไหลพราก น, นะนะหรือไม่ก็บอกว่าสาดพริกแห้งเข้าตาด้วยพริกป่นเนี่ยนะโอ้โหว่ามันจะขนาดไหนอะไรก็แบบมันมีพิษฉันใดไอละองทุเรีที่เป็นกิเลสก็ฉันนั้นเวลามันไหลเข้าใจใจมันก็มีพิษอย่างนั้นนะนะเรียกว่ามันอักเสบทางความคิดอย่างนั้นอนะ่ะก็ใจอักเสบแต่ว่าโซดาปฏิมักนี่ไม่มีทุลีทําให้อักเสบแบบนั้นแปลว่าใจที่สมบูรณ์มากคนที่บรรลุมักผลเนี่ยนะไม่ใช่เป็นคนที่ได้รับเหมือนว่า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 เรียกว่าเหมือนกับสะกดจิตเนี่ยนะอ้การผู้ที่บรรลุธรรมไม่ใช่ตกอยู่ในภาวะเหมือนตัวเองถูกสะกดอะไรเป็นต้นไม่ใช่เลยเป็นสภาพจิตเนี่ยอย่างที่ฟังตอนแรกอยู่แล้วนะจิตเบาจิตอ่อนจิ ต, จตควรแก่การงานจิตไม่มีนิวรกลุ่มรุ ม, มใจสูงขึ้นใจผ่องใสนั่นน่ะคือลักษณะของผู้ที่ปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่จะตรัสรู้ธรรมนั้นต้องเป็นอย่างนั้น เนี่ยจะต้องมีใจที่ไม่นีนิวอลกลุ่มรุมเลย น, นะเป็นใจที่อ่อนควรแก่การงานเป็นใจที่สูงเป็นใจที่ผ่องใสเมื่อใจที่สูงใจที่ผ่องใสพอได้ยินได้ฟังอริยสัจดวงโซดาปฏิมักเกิดขึ้นขณะที่โสดาปฏิมักเกิดขึ้นนั้นน่ะไม่มีธุรีไม่มีมนฑินมนฑินแปลว่าความเศร้าหมองเหมือนอย่างว่าเหล็กเนี่ยอะไรที่ทําให้เหล็กเศร้าหมอง สนิมที่อยู่ในเหล็กฉันใดราคะโทสะก็ไปทำเป็นตัวที่ทําให้ใจเศร้าหมองโสดาปฏิมัคปราศจากสนิมใจฉะนั้นเหมือนทองที่อยู่ในเบ้าหลอมบริสุทธิ์ดีปราศจากราขีฉะนั้นเนี่ยนะพันโสดาปฏิมักอันนี้เนี่ยไม่มีทุลีคือกิเลสไม่มีความเศร้าหมองด้วยอำนาจกิเลสเกิดขึ้นแล้วแก่พระราชโอรสพันนามว่าคันดะและบุตรปุโรหิตชื่อว่าติดสัแปลว่าทั้งท่านคันดะและติดสั บรรลุโสดาปฏิมักเกิดขึ้นโสดาปฏิมักของท่านเกิดขึ้นพอท่านฟังธรรมจบเนี่ยนะท่านเจริญวิสุทธิที่ทั้งหลายได้ท่านรวบรวมโพธิปักจจยธรรมได้เมื่อท่านรวบรวมโพธิปัจจยธรรมได้ไอโสดาปฏิมักของท่านเกิดขึ้นว่ายังกินจิสมุทยธรร ม, มังสัพพันธังนิโรตธรร ม, มังฟังให้ดีนะไม่ใช่ว่าแปลว่าเกิดดับรู้เกิดรู้ดับถ้ารู้แค่นี้เรารู้ไปนานแล้วนะบรรลุไปตั้งแต่อะไรนะ โอ้ยบรรลุมานานแล้วนะวใครไม่รู้ว่าอะไรมันเกิดดับมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันเกิดดับใช่ไหมใครเคยคิดไหมว่าอะไรมันจะเที่ยงมันก็เกิดดับมันในโลกนี้เขาก็รู้อายุความเสื่อมอะไรของอะไรทั่วทั่วไปทั้งนั้นแหละแต่ว่าบรรลุจริงหรือบอกไม่ไอเขาไมารู้เกิดดับนี่อะไรยังกินเจสมุทยะยธรรมังเนี่ยนะยังกินเจสมุทยะยธรรมังสิง่งใดสิ่งหนึ่งตัวนั้นอนะเป็นชื่อของอะไรสิง่งใดสิ่งหนึ่งเป็นชื่อของอะไร เป็นชื่อของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนะมาดูนะว่าพอฟังทำจบเนี่ยนะถามว่าไอ้ธรรมะจักสุ ต, ตัวเนี้คือคืออะไรโซดาปฏิมักเป็นต้นก่อนที่โสดาปฏิมักจะเกิดเนี่ยนะจิตไม่มีนิวรณ์จิตไม่มีนิวรณ์จิตเบาจิตอ่อนจิตควรแก่การงานเป็นต้นเนี่ยนะก็ฟังอริยสัจ จิตอันนี้ก็ฟังอริยสัจเนี่ยนะพอจิตที่ฟังอริยสัจแล้วก็เจริญวิสุทธิวิสุทธิหกข้ออันนี้ก็วิสุทธิข้อที่เจ็ดเนี่ยนะก็ฟังอขณะที่ฟังธรรมเบื้องต้นใจไม่มีนิโวลฟังธรรมเบื้องต้นอนุปปภิกถาทานกถาศีลกถาสักขะกถาแล้วก็อะไรความเศร้าหมองของกาม แล้วก็อา น, นิสงของเนกขมมพะพอฟังจิตก็ไม่มีนิวรณ์เมื่อจิตนันไม่มีนิวรณ์องค์ก็ประกาศทุกสมุทัยนิโรธมรรควิสุทธิทั้งหกข้อก็เจริญขึ้นได้โดยลําดับโสดาปฏิมรรคที่ประกอบด้วยอะไรบ้างองแปดใช่ไหมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิมีอะไรบ้างเออเข้าไปในในมรรคแปดเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิ บวกสัมมาสังกัปปะเป็นอะไรเท่ากับเป็นปัญญาขันเนยสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะเนี่ยนะเป็นสีละขันแล้วก็สัมมาอะไรวายามะเนี่ยนะสติแล้วก็สมาพี่เนี่ยนะเป็น สมาธิขันขัทนท่านสามารถทำให้อธิศีนเนี่ยบริบูรณ์นนะอธิศินบริบูรณ์อธิจิตพอประมาณอธิปัญญาพอประมาณขันคุณธรรมเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะอัฐะของอริยมรรคมีอยู่สี่อัฐะหนึ่งทัศนัตโธมีความหมายว่าเห็นสองเหตตดโธ เหตุสาม อ, าอะไรนะเหทัศนัทโถเหตุตัดโถอธิปไตยทโถอธิปไตยนั่นเองแล้วก็นี่คำหนึง่งคืออะไรนะอะไรเหตุทัศนะอธิบดีนิยานิกะ มันตัวตัวอริยมรรคโสดาปฏิมรคเป็นต้นเน่ยที่เกิดขึ้นหลังจากฟังธรรมเนี่ยนะท่านเห็นเลยทัศนะเนี่ยยกตัวอย่างธรรมะจักสูยกตัวอย่างว่าเห็นทัศนะโถนเนี่ยเห็นอะไรเห็นว่าทุกขอริยศาสตร์คืออะไรบ้างทุกขอริยศาสตร์ก็คือขันห้าอายตนะสิบสองธาตุสิบแปดก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือพวกเราทั้งหลายนี่แหละกองทุกที่เห็นเกันอยู่เนี่ยแหละ เกิดขึ้นเพราะมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสมุทัยหรือสมุทัยมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาไอ้สมุทัยตัวนี้ไม่ใช่ศัก์แต่ว่าเกิดเลยลอยไม่ใช่ทุกเหล่านี้ทุกคือขันธ์อายตนะธาตุเกิดเพราะอะไรเกิดบอกว่าทั่วไปก็อวิชาเกิดอวิชาเกิดขันธ์ธาตุอายตนะจึงเกิดตันหาเกิดขันธ์ธาตุอายตนะจึงเกิด อวิชากับตันหามันทําให้เกิดได้ยังไงอวิชากับตันหามันเป็นตัวที่ทําให้เกิดกรรมนะเป็นตัวที่ทําให้ทํากรรมกรรมนี่แหละเป็นตัวสรรรสร้างแต่เจ้าของโครงการคืออวิชากับตันหาเนี่ยนะเขาเรียกว่าผู้ผู้ควบคุมโครงการทั้งหมดอ น, นะเพราะนั้นกรรมก็คือเจ้าพนักงานเขยันขันแข็งทํางานตามนายสั่งพุกประกาศอาวิชาคือเจ้านายเนี่ยนะตันหาก็คือเจ้านายสั่งโอ้คนงานขยันขันแข็งมาก ก็เลยสร้างกองทุกข์คือขันอาญตนะธาตุขึ้นอวิชชาตัญหาทีนี้ถ้าในในโลกนี้เนี่ยนะในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะถ้ารูปรูปปราศจากอาหารได้ไหมไม่ได้โรคก็ไม่สามารถปราศจากอาหารได้เวทนาสัญญาสังขารปราศจากผัสสะได้ไหมไม่ได้นามาวิญญาปราศจากนามรูปได้ไหมอันนี้ก็คือตัวใกล้ๆ ก, ก, กันที่อยู่ใกล้ใกกัน มันปัญญาที่เกิดขึ้นเห็นเลยว่าทุกสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่นะยังกินจิสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือความทุกข์ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันมีเหตุเป็นแดนเกิดนะมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเขาเรียกว่าสมุทยธรร ม, มังเกิดขึ้นเป็นธรรมดานะสัพพันธ์ทางไอ้ทั้งหมดเนี่ยนะคือขันอยตนะธาตุทั้งปวงนี้เนี่ยนะสิ่งทั้งหมดเหล่านี้เนี่ย นิโรธถ้าตรัสรู้นิพานนิโรธคือนิพานอ่นะนิโรตนิพคือนิพานนิโรธคืออสังขตะอสังขตะตัวนี้ยเป็นตัวที่ดับสมุทัยถ้าชื่อของนิพานเนี่รมที่สงบสังขารเป็นที่เพิกถอนแห่งอะไรเป็นที่สางแห่งความเมานิพานตัวนี้เนี่ยถ้าธรมมจักสุเห็นนิพาน จะดับสมุทัยได้ถ้าดับสมุทัยได้ทุกก็เป็นอันว่าดับไปเนี่ยนะก็เรียกว่ารู้เหตุกระยังกินจิสมุยทยธรมมังสัพพันธังนิโรธธรรมมังปัญญาที่เกิดขึ้นธรรมจักษุตัวนี้ไม่มีมุทุลีธรรมจักษุอันนี้ไม่มีมนทินบริสุทธิ์เพราะประกอบไปด้วยธรรมนิยามแปดประการคืออริยมรรคที่ประชุมกันแปดประการเห็นเลยว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยนะที่นั่งเล่นกันอยู่เนี่ยเกิดขึ้น เป็นธรรมดามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วก็ถ้าแทงตลอดพระนิพพานไอ้สิ่งทั้งปวงเนี่ยดับไปหมดแน่ดับทั้งหมดแน่นอนถ้าแทงตลอดพระนิพพานเนี่ยดับทั้งหมดแน่นอนอันั้นก็วิธีการแปลก็ศึกษาอีกนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าแปลไม่ดีบอกเห็นเกิดดับไม่พอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อนุภาพของธรรมจักรสู่เห็นอย่างนี้ทั้นตัวธรรมจักรสู่นั้นเป็นตัวที่เห็นอริยสัจ อันนี้ตัวนี้เป็นชื่อของอริยมรรคเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่คนที่เขาฟังจบนั้นเขาเห็นอริยสัจเขาบรรลุอริยสัจเขาบรรลุเป็นพระโสดาบันพระสกะทาคามีและพระอนาคามีนั้นเขาเขาทำได้อย่างที่พระองค์สอนจริงเลยเมื่อพระองค์ประกาศอริยสัจอริยสัจนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างทกสมุทัทยนิโรธแล้วก็มรรคอริยมรรคนี่นะ ท่านเหล่านั้นเนี่ยพอฟังธรรมจบท่านได้อริยมรรคทันทีท่านเจริญอริยมรรคได้ที่คือท่านท่านได้ธรรมะจักสุพระพุทธเจ้าประกาศอริยศาสตร์สีที่พระองค์ยกขึ้นด้วยพระองค์เองเขาฟังจบปั๊บเขาเกิดโสดาปฏิมครคโสดาปฏิมครคของเขาเนี่ยเห็นเลยเห็นอริยศาสตร์ตามที่พระองค์สอนทุกยังกินจิสมุทัยสมุทยะธรร ม, มัง เห็นนิโรธเลยว่านิโรธธรรมังถ้าแทงตลอดนิโรธสัพพาตัวเนี้ยสัพพันสัพพันธ์ทางตัวเนี้ยมีความหมายว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเห็นนิโรธป้าไอ้พวกเนี้ยดับแน่ทีนี้การดับทุกเหล่านั้นเนี่ยนะอนุภาพของโสดาปฏิมาคเนี่ยดับทุกเหล่าไหนสมมติถ้าอนุภาพของโสดาปฏิมาคเนี่ยดับทุกเหล่าไหนทุกที่ดับก็คือทุกในอบายสี่ ทุก ท, ที่ที่ถูกดับไปนะั่นคืออบายสี่ทุกที่ถูกดับไปก็คือภพที่แปดนะนะอันนี้คือกองทุกที่ท่านดับแล้วก็ชาติตระกูลที่เลวชาติตระกูลเลวเช่นวันนระดับล่างเป็นต้นเนี่ยนะจะมาเกิดเป็นตระกูลจันธานนิสานนายพรานอะไรเป็นต้นไม่ใช่ฐานะและที่พระโสดาบันจะมามาประกอบอาชีพที่ที่เลวร้ายอันนี้คือท่านพ้นจากทุกทุกข์สัตย์เหล่านี้แล้ว แล้วท่านพ้นจากสมุทัยศัสตร์อะไรบ้างท่านพ้นจากสมุทัยคือสักกายทิฐิความเห็นที่ว่าขันท้าเป็นอัตตาเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาท่านเลิกเข้าใจผิดพลาดโดยประการตั้งตัวต่อไปท่านละศีละพตะปรามาตท่านเห็นว่ามรกมีองค์แปดนำออกจากทุกข์แล้วท่านจะไปถือข้อปฏิบัติอันไหนอีกนะท่านจะถือไหม ท่านเพราะท่านได้อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปที่นําออกจากทุกข์แล้วอ่ะท่านจะไปเอาอะไรมาปฏิบัติอีกท่านเลิก ล, ละละได้เด็ดขาดแล้วบอกไม่ใช่อันอื่นไม่ใช่แล้วบอกถ้าได้ทานข้าวแล้วเลิกทานแล้วกรวดว่างั้นเอ่อะมันก็เลิกทานหินปูนทรายแล้วว่างั้นอ่ะทานข้าวดีกว่าคล้ายแบบเนี้ยแล้วก็ละวิจิกิจชาท่านสงสัยผู้ที่แทงตลอดอริยสัตว์เหล่านี้โดยลําพังไหม ผู้ที่ทํากิจแทงตลอดสร้างบารมีมาเพื่อเห็นอริยสัจท่านสงสัยไหมท่านก็ไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าท่านสงสัยในธรรมะคืออริยมรรคที่เป็นนิยานิกระทำนาออกจากทุกท่านสงสัยไหมว่าพระธรรมนาออกจากทุกไม่ได้จริงไม่สงสยัยแล้วท่านสงสัยในพระสง์สาวกของพระองค์ว่าผู้ที่เห็นตามพระพุทธเจ้ามีอยู่ท่านสงสัยไหมก็น้อยที่สุดท่านก็เป็นพยานท่านก็เลยไม่สงสยัยก็ลัศกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีระพตาปรามาตและกิเลส กรรมที่นำไปสู่อบายกรรมที่นำไปสู่อบายกิเลสราคะโทสะโมหะเป็นต้นเหล่าใดบา ป, ปรกรรมทุกชนิดอันไหนที่จะนำไปสู่อบายท่านละได้โดยเด็ดขาดถามว่าตัวที่มาละนี่คืออะไรคือนิพพานที่เป็นอารัมมณะปัจจัยของอริยมรรคอนุภาพของอริยมรรคอนุภาพของพระนิพพานหรืออนุภาพของพระนิพพานนี่แหละทาให้ดับอบายสีดับภพบที่แปดดับชาต เลวสามดับสกายยะิฏฐิดับศีลพัตปรามาดับวิจิกิจชาดับกิเลส ท, ที่มันสามารถนำไปสู่อบายทั้งหมดได้ด้วยอนุภาพของเนี่ยธรรมะจักสุกับนิพพานตัวนี้แหละเรียกว่าธรรมังสารนังคัจฉามิที่เราบอกว่าธรรมังสารนังคัจฉามิาพระเจ้าขอถึงพระธรรมธรรมะคือนิโรธกับมรุนี่แหละทรงไว้ซึ่งผู้ที่บรรลุไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่ว คือไม่ให้ตกไปสู่อบายไม่ให้ไปเกิดในภพที่แปลไม่ให้เกิดในชาติตระกูลที่เลวร้ายไม่ให้กิเลสคือสากายะทิถิวิจิกิจชาสีละพัตต์ปรามาสกรรมที่นําไปสู่อบายเป็นต้นหรือหันหน้าเงินหน้าดูหน้ า, าศาสดาต่างๆบอกไม่ใช่ฐานะแล้ว เ, เลิกแล้วเนี่ยนะก็เป็นผู้ที่สำ ม, มัตตนิยามอริยมร์ตัวนี้เครียกว่านิยโตนิยโตเนี่ยนะสัมโพทิปายโน สัมโพที่ปลายโนเนี่ยนะอ น, นิยโตเนี่ยแปลว่าท่านแน่นอนแหละเพราะท่านยังลงสู่สัมมัตตนิยามคืออาริยมักสัมโพที่ปลายโนปลายณะแปลว่านําหน้าเป็นที่เบื้องหน้าโพสัมโพที่แปลว่าการตรัสรู้เป็นผู้มีการตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าหมายว่าจะต้องบรรลุส ก, กทาคามีอนาคามีและอรหันต์แน่นอนเมื่อไหรอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าแน่นอนรับรองได้เนี่ยนะพระพุทธเจ้ารับประกันในงานนี่ อย่างที่เราสวดในรัตนะสูตรเพรันอันนั้นเป็นคุณของอะไรคุณของภาษสังขรัตนะด้วยนะอ่านี้เป็นสังขารัตนะเนี่ยนะเพราันอันนี้นเรียกบอกว่าพอเขาฟังจบปั๊บธรรมจักสูญเนี่ยเกิดขึ้นแต่ภาษาสมัยใหม่มาใช้มาเหลือเคาว่าเห็นเกิดเห็นดับเลยพอเลยไม่รู้อะไรเกิดดับเพราันคําพูดที่พูดหนึ่งคำเปล่งออกมาก็เกิดดับเกิดดับเนี่ยนะมันก็เลยคนละเรื่องกับคําสอนเพราันไอ้คําว่าเห็น ธรรมจักรสุเห็นชื่อว่าเห็นนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคหนึ่งในความหมายทั้งสประการของมัคคาริยสัพไอการเห็นนี่จะเรียกว่าเป็นเหตุแห่งการเหตุแห่งความพ้นทุกข์ก็ได้การเห็นอันนี้เรียกว่าเป็นการเห็นที่นําออกจากทุกข์ก็ได้การเห็นอันนี้เป็นการรวบรวมโพธิปัจจะธรรม37ประการก็ได้เป็นการรวบรวมอริยสัพเป็นผู้รับมรดกจากพระพุทธเจ้าก็ได้เนี่ยนะแล้วแต่จะสรรมาเรียก แต่ว่าต้องอยู่ในความหมายเดียวกันถ้าไม่เป็นไปตามนั้นก็ไม่ใช่นะี่นะเรารู้ว่าเข้าบรรลุอะไรนี่ก็โหเดบุญแล้วมาหน้าศึกษาธรรมะเนี่ยทำได้ไม่ได้ไม่ว่าขอให้มันเข้าใจก่อนว่าพระพุทธเจ้าอยากจะบอกอะไรเราอะไรน ะ, ะบอกหน้าที่การบอกเป็นหน้าที่ของคําสอนอย่างนั้นของพระรัตนตรยัยส่วนปฏิบัติเป็นเรื่องของเราอย่างนั้นเราจะถ้าเราเห็นว่าดีจริงยังไงเราก็ต้องทําตามถ้าเราเห็นว่าไม่ดียังไงเราก็ไม่ทํา ถ้าเรารู้ว่าถ้าเราไม่บอกว่าไม่ดีฆ่าให้ตายเราก็ไม่ทําถ้าเราเห็นว่าดีฆ่าให้ตายเราก็ไม่เลิกมันก็มีอยู่แค่นี้ยพอเห็นอริยสัจแล้วเป็นยังไงท่านบอกว่าในหน้าสี่สิบหกกลางกลางหน้าว่าหลังจากที่ธรรมจักสุกคืออริยมรรคท่านเกิดขึ้นเนี่ยนะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีสิ่งคือทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยสมุทัยเป็นธรรมดานนะสิ่ง ทุกทั้งมวล น, นั้น่ะถ้าแทงตลอดนโรธแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าที่สะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมด้วยดีฉะนั้นท่านทั้งสองนั้นเห็นอริยสัจธรรมเห็นธรรมตัวนั้นธรรมตัวนั้นแปลว่าอริยสัจทำท่านทั้งสองคือคันดะกับติดสะนั้นน่ะเห็นอริยสัจธรรมถึงอริยสัจธรรมรู้แจ้งอริยสัจธรรมยังทราบอริยสัจธรรม ข้ามความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ข้ามความสงสัยในอริยสัจปราศจากความเคลื่อนแคลงสงสัยในอริยพรตนะไตรยถึงความแกล้วกล้าที่ศรัทธาต่อพระตัตนะไตรยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในสัตว์ศาสนาคาสอนโอวาทที่พระพุทธเจ้าแนะนําไม่ต้องให้คนอื่นมาคอยเกลี้ยกล่อมไม่ต้องคอยให้คนอื่นคอยอธิบายคอยชี้แจงเป็นต้นไม่ต้องเพราะเข้าใจอยู่แล้วว่าสิ่งนั้นนคืออะไร ท่านทั้งสองนั้นก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พ, พระนามว่าวิปัสสีว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธของพระองค์แจ่มแจ้งนักนะเข้าใจจริงๆเลยนะเข้าใจทะลุโปร่งไปหมดเลยนะแต่เข้าแจ่มแจ้งของท่านนี่บรรลุนะเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ํา อยากเห็นมานานแล้วไอ้ที่ปิดเนี่ยไ อ, คไอค้คว่ำเนี่ยไอ้คว่ำคว่ำปิดอะไรเอาไว้เห็นแล้วเหมือนนเปิดของที่ปิดเนี่ยนะเปิดกุญแจตู้เซฟได้เลยเงี้ยบอกทางแก่คนหลงทางมัหลงทางมานานแล้วเนี่ยนะไม่รู้จะไปยังไงเลยส่องประทีปในที่มืดเนี่ยนะโอ้ยใครไม่เคยเดินทางคืนเดือนมืดเนี่ย น, น, นะรู้เลยว่ามันถ้าส่องประทีปในที่มืดเนี่ยมันดีใจขนาดไหนมันสบายใจขนาดไหนมาเคยเดินทางกลางคืนแล้ว หัวเทียนไฟเนี่ยมันดับะหัวเทียนไฟนี่มันดับแล้วก็ไอระวางแบบ ม, มันมืดถึงขนาดไม่รู้จะไปทางไหนได้เหมือนกันเ น, นะโหมันมันมืดจริงๆความมืดแค่เรว่า ม, มื ด, มมดแทบมืดจะประกอบไปด้วยองค์สี่แล้วถ้าฝนตกด้วยนะพรมพรมนิดๆแล้วก็ยุงกัดบ้างนี่ยโอสุดๆเลยสมัยที่เคยไปหาปลาไมนั่ะเป็นยังไงล่ะ น, นัคนับคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เหมือนกับแสงสว่างที่ส่องให้เห็นว่าดีเห็นชั่วเห็นอะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเหมือนหงายของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดด้วยที่คิดไว้ว่าผู้มีจักสุจักเห็นรูปฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศ ธ, ธรรมะโดยอเนกปริยายันนั้นเหมือนกันเนี่ยนะมันก็แสดงว่าคนที่มีจักสุก็จักเห็น ั้เพระ อ, องค์เนี่ยสอนเลือกดูแล้วใครที่พอมีดวงตาปัญญาพอที่จะเห็นได้พระ อ, องค์จึงไปสอนเนี่ยนะพระพุทธเจ้าไม่ยอมเอารูปสวยไปให้คนตาบอดดูเด็ดขาดเนี่ยนะไม่ยอมเอาเสียงดีๆเสียงธรรมไปให้คนหูหนวกฟังเด็ดขาดเนี่ยน ะ, ะก็เรียกว่าบอดต่างปัญญากับบอดทางก็เรียกว่าบอดปัญญาทางหูก็มีนะเรียกว่าบอดปัญญาทางตากับบอดปัญญาทางหูเนี่ยก็บอกว่าพระ อ, องค์ไม่สอนคนกลุ่มนั้นเด็ดขาดเหกันะ แต่แล้วท่านทั้งสองนั้นก็บอกว่าโอ้โหทำมเทศนาของพระองค์นี่แจม่มแจ้งว่าเห็นอริยสัจแล้วน่าจะดีใจกับท่านนะมาพูดตามท่านยังจะดีใจตามท่านเลยนะดีใจด้วยกับท่านที่ได้บรรลุเมื่อไหรคิวเราบ้างกันนะข้ า, าท่านก็บอกว่าข้าขอพวกข้าพระองค์เพิ่งได้บรรประชาเพิ่งได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพอเห็นอริยสัจปั๊บเนี่ยนะเมืองพันธุมาดีราชธานีทิ้งได้ทันทีเหมือนก้อนน้ำลาย ขอบวชเลยไม่สนใจแล้วเนี่ยมีหน้าละพี่ชายของเราจึงออกบวชคือท่านขันดาเนี่ยพี่ชายของท่านเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมท่านเข้าใจเลยว่าทําไมพระพุทธเจ้าท่านถึงทิ้งทั้งหมดแล้วก็ไปท่านก็เลยขอบวช ด, ด้วยพระเจ้าค่าเนี่ยนะของเราเนี่ยนะเอาท่าอะไรนะถ้าจะเห็นอริยสัจกับคนเขาบอกว่าให้ไปรับของขวัญรับเพชรเนี่ยนะในเนื่องนามตีใหม่ไปเอาอะไรดีะนะหลายคนพูดเนี่ยเขามานะจ้างให้ตายก็ไม่เชื่อ <laughs> บอกเนี่ยเพื่อนเขานัดเลี้ยงข้าวเนี่ยนะเพศทำไมไม่มาฟังธรรมบอกเพื่อนกขนัดเลี้ยงข้าววะโอ้ยอย่าบ้าเพศเลยข้าวจานเดียวเองจะมีอะไรอยู่ไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระราชนรสพระนามว่าคันดะและบุตรบุโรหิตชื่อว่าติดสะได้บรรปชาได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีฟังเลยนะได้บวชแล้วเอหิภิกขุอุปสัมปทาเลยนะ เคยอดีตชาติเคยถวายบริขารแปดเอาไว้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะไม่ต้องเหมือนพระพาหิยะใช่ไหมพระพาหิยะเนี่ยโอ้ยบวชให้เธอไม่ได้หรอกเธอมีบริขารไหมบอกไม่มีพระเจ้าข้าเลยไปเที่ยวหาผ้าวัวจนตายเลยนะเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทําบุญในเรื่องไตรบริขารเอาไว้ท่านไม่ได้ทําบุญถวายบริขารแต่เขาบอกว่าถวายกับผู้มีศีลเป็นต้นเนี่ยนะจะต้องแบบกับผู้มีศีลเป็นต้นขึ้นไปนะจึงจะได้ไม่ใช่ว่า โอ้โม่ไปหมดอาถวายผ้าให้กับโจรบวชประล่นาศาสนาไม่ใช่นะอนั้นไม่ทราบว่าจะได้เอหีบพกคุหรือเปล่าไม่ทราบ ไ, ไม่รู้นะคิดให้ดีก็แล้วกัน<ะ>พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พ, พระนาม ว, ว่าวิปัสสีเนี่ยนะหลังจากที่ท่านเหล่านั้นได้บวชแล้วเนี่ยนะพระองค์ก็ยังท่านทั้งสองให้เห็นแจ้งหมายความว่ายัางสอนต่อไปอีกให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถรรพ์ให้ร่าเริงด้วยทำมีกระถา ก็ยังสอนอริยสัจเลยนะเที่ยวตามสอนเธออยาคิดอย่างนี้จงคิดอย่างนี้เธอจงละสิ่งนี้เธอจงเข้าถึงสิ่งนี้เป็นต้นพระองค์ก็ประกาศถึงโทษของสังขารสังขานี่มันมีโทษอย่างไรโทษของสังขารทั้งหลายสังขานั้งหลา ย, าลายเกลือกกล้วด้วยชาติชาราและมรณะเป็นสาเหตุ ท, ที่ตั้งแห่งโศกปริเทวะทุกโทโมนัสและอุปาญาสังขารทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งตันหามานะเล ทิฏฐิเรียกว่าเศร้าหมองเรียกว่าเศร้าหมองสังเกตุตัวนั้น่ะเนื่องจากว่าสังขารทั้งหลายมันเจือด้วยราคะสังขารทั้งหลายเจือด้วยโทสะสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่เจือด้วยโมหะเจือด้วยทุจิจิตกรรมทั้งหลายถ้าคนทําทุจิจิตกรรมที่ไหนก็ทําในสังขารทั้งหลายเพราะสังขารทั้งหลายนั่นแหละเป็นเหตุให้ทําทุจิจิตกรรมเสร็จแล้วพระองค์ก็ประกาศโทษของสังขารอันต่ําช้าเศร้าหมองก็คือประกาศอะไร อย่างที่เราคุ้นเคยก็คือประกาศว่ารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นฝีเป็นลูกอนเป็นความลําบากเป็นความเจ็บไข้เป็นนางผู้อื่นไปตดนและประกาศอ น, นิสงฆ์ในการออกบวชตัวนั้นเา้าเข้าแปลไม่ถูกไอ้ที่ถูกมันต้องแบบประกาศอ น, นิสงฆ์แห่งพระนิพพานประกาศอนิสงฆ์แห่งพระนิพพานที่ออกจากสังขารอันเศร้าหมองพระอนนะไรประกาศอ น, นิสงฆ์ของพระนิพพานว่าถ้าตรัสรู้นิพพาน พ้นจากโทษของสังขารโดยประการต่างๆเช่นบอกว่าพระองค์บอกว่าชรามรณะนี่มันมีโทษมากการที่ดับชราและมรณะเนี่ยเป็นความสุขในลักษณะเนี่ยน ะ, ะ, ะชาติเลวร้ายมากความเกิดเนี่ยเป็นสิ่งที่เสียหายมากเลวร้ายมากแต่การดับความเกิดเป็นสิ่งที่ความเป็นความสุขนะผลกําไรที่พ้นจากการเกิดคืออะไรเนี่ยนะความโศกเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากถ้าดับความโศกได้ดีอย่างไร นะความค่คําครวนบนเพลิรารพันเนี่ยเป็นความเลวร้ายมากถ้าดับสิ่งเหล่านี้ได้เป็นเป็นความสุขที่แท้จริงสังขารเลวร้ายมากถ้าดับสังขารเป็นสิ่งที่ดีจริงนะพระองค์ก็ประกาศโทษของสังขารก็แสดงว่าพระองค์ประกาศอาทีนวญานเนี่ยนะอาทีนวญาณที่แยกระหว่างวัตตะกับวิวัตะแยกระหว่างสังคตะกับอสังคตะแยกระหว่างพยะกับเขมะ แยกเราให้เห็นสิ่งที่มีภัยกับสิ่งที่ปลอดภัยเนี่ยนะให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ความแตกต่างกันระหว่างวัตตะกับวิวัตฏะเป็นอย่างไรถ้าอยู่ในวัตตะแล้วเลวร้ายขนาดไหนถ้าออกจากวัตฏะดีอย่างไรเหมือออย่างว่าถ้าถาเป็นนักโทษคุ้มขังเนี่ยนะปล่อยให้เราไปใช้ชีวิตอยู่ในทะเลทรายเนี่ยโอ้มันเลวร้ายขนาดไหนที่ไม่มีใครอยู่ด้วยเป็นต้นแล้วปล่อยให้ไปทุกขกรรมลำบากปีนเขาลงหิวอนะ ว่วยน้ำข้ามทะเลเป็นต้นมันทุกข์ร้อนขนาดไหนเท่าพ้นจากสิ่งเหล่านี้ดีอย่างไรพ อ, องค์ก็แสดงทำไปท่านเหล่านั้นจิตของท่านทั้งสองนั้นอันพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีทรงให้เห็นแจง้งให้สมาทานให้อาหารให้รื่นเริงด้วยธรรมีกระถาไม่นานนะักจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นอานะคิดให้ดีนะเมื่อกี้บอกไปแล้วไม่ยึดมั่นเนี่ย แปลว่าบอกปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยปละละเลยคำว่ายึดมั่นเนี่ยนะยึดอะไรยึดด้วยอุปาทานยึดด้วยกามุปาทานยึดด้วยทิฏฐุปาทานสีระพตุปาทานและอัตวาทุปาทานหลุดพ er ้นจากกามุปาทานด้วยอาณาคามีมัตหลุดพ้นด้วยทิฏฐุปาทานสีระพตุปาทานเนี่ยนะขออภัยหลุดพ้นจากกามุปาทานด้วยอรหัตมัต หลุดพ้นจากทิฏฐุปาทานสีละพัตุปาทานและอัตาวาทุปาทานด้วยอรหัตตมัคขอไปโซโดาปฏิมัคหลุดพ้นจากกามาสวะด้วยอนาคามิมัคหลุดพ้นจากภวาสวะด้วยอรหัตตมัคหลุดพ้นจากทิฏฐาสวะด้วยโซดาปฏิมัคหลุดพ้นจากอาวิชชาสวะด้วยอรหัตตมัคมันพอฟังทำประกาศวัตตะวิวัตะเนี่ยนะละ ทั้งตลอดอริยศาสตร์ได้เลยเนี่ยะจิตของท่านก็เป็นจิตหลุดพ้นอกอาสวะก็แปลว่าเข้าถึงอรหัตผลจิตเนี่ยนะสังขาระคังจิตตังตันหาหนังขยมัจจาจิตก็ถึงซึ่งความสิ้นตันหาก็คืออรหัตผลจิตที่เราสวดในมงคลอ่ะนะอาโศกังอ่ะนะจิตของผู้ใดอันโลกธระทถูกต้องแล้วไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกปราศจากทุรีเป็นจิตกเกษม เกษมก็คือปลอดภัยนั่นแหละเอตัมมังคารมุตตะมังนะท่านเหล่านั้นก็ประสบมงคลอันสูงสุดพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติมงคลตรัสรู้มงคลพระธรรมก็คือมงคลโดยเฉพาะมงคลอริยสัจจานัทนังนิพพานะสัจฉิกิริยาเอตัมมังคารมุตตะมังเลยนะผมก็เอาตรงนั้นอนะเน้นตรงนั้นมาเน้นพิเศษสอนไปท่านเหล่านั้นก็ปฏิบัติได้ทำที่สุดแห่งทุกเป็นผู้ที่มีมงคลอย่างสูงสุดในพระพุทธศาสนาบรรลุเลย นะพอได้ข่าวว่าเข้าบรรลุก็นึกถึงเราเมื่อไหร่ตีนีนะนะ่เอ่หน้ามู้ที่ตากับตัวเองเดี๋ยวรู้ว่าเขามีคนบรรลุนี่ก็ดีแล้วเนี่ยนะศรนะนะัทธาที่เรามีต่อท่านเหล่านี้นี่แหละศรัทธาตัวนี้แหละจะทําให้เราบรรลุต่อไปในอนาคตเนี่ยนะนะความพ่องไสแห่งใจเหล่านี้แหละจะเป็นปันใจจัยให้เราได้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะผลนะขอบุญกุศลที่เกิดจากความเลื่อมใสต่อท่านเหล่านั้นก็จงเป็นไปเพื่อทําที่สุดแห่งทุกข์นะนะ อะไรก็เรียว่าขอข้าพเจ้าพึงเป็นเช่นนั้นบ้างนะแต่ก็บอกเอ้อดีนะบรรลุนี่ดีเอ๊ะแต่ไม่เหมือนฉันปฏิบัติเลยถ้าอย่างนี้ก็ทางใครก็ทางใครแล้วกันบรรลุของใครก็ไม่ทราบอ่ะแล้วเราก็พยายามศึกษาคนที่บอกว่าไอ้ป่าถนาเลือกเกินบรรลุมรรคผลเนี่ยนะพยายามทําความเข้าใจให้ดีเถือว่าเขาบรรลุอะไรกันต้องพยายามศึกษาทําความเข้าใจให้ดีนะเพราะบรรลุทูบรรลุผิดรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ตอนมาเราก็มาคนเดียวไม่ยอมมาแฝดเด็ดขาดใช่ไหมหลายคนเขากลัวมากเลยต้องเกิดมาเป็นแฝดใช่ไหมฉะั้นสรุปว่ามาคนเดียวแล้วก็ไปคนเดียวเอาไม่ตายหมู่ตายคู่ตายอะไรเป็นต้นเนี่ยตีละสอง0 0ื่นเอาไหมก็ไม่เอาอีกนั่นแหละเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็มาคนเดียวตอนเกิดก็เกิดคนเดียวตอนไปก็ไปคนเดียวก็มีกรรมเป็นของของตอนเป็นตน้นฉะนั้น กรรมใดที่เราทําเนี่ยกรรมนั้นตามคําสอนไหมตรงนี้น่าสนใจมากเลยทบทวนระลึกถึงตัวเองให้มากๆเจริญกรุณาให้มากๆว่าถ้าเราไม่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้านะน้ําตาของเราเนี่ยมันอีกร้องไห้อีกน้ําเท่ากับอะไร<ม>เท่ากับน้ําทะเลเชื่อนะบอกตรงเลยนะคนที่เรามองเห็นหน้าทุกคนทําให้เราร้องไห้ได้หมดเลยเห็นไหมทุกคนที่เราเห็นเราได้ยินนะทำให้เราร้องไห้ได้หมดเลยโดยที่สุดไม่แต่ฝุ่นเข้าตา เขาทาให้เราน้ําตาไหลได้หมดเลยไม่ต้องไปพูดเรืา่างอื่นแล้วนะสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินชีวิตที่เราไปเกี่ยวข้องทุกเรื่องหลังน้ําตาได้ทุกเรื่องเลยนะมันไม่ต้องไปนี่หรอกถ้าบอกว่าทําใจได้ไหมจะต้องไปหลังน้ําตาเพราะทุกสิ่งที่เราเห็นทุกสิ่งที่เราได้ยินมันจะเสียใจขนาดนั้นอีกใช่ไหมถ้าไม่เห็นอริยสัจมันก็เป็นอย่างนี้แล้วถ้าเห็นอริยสัจพ้นจากทุกแล้วก็สบายเนี่ยนะก็มาคิดเอาว่าจะเลือกเส้นทางไหนก็ว่ากันไป แล้วก็เลือกพุทธังสารนังฆาฉามิทำาามังสารนังฆาฉามิสังขังสารนังฆาฉามิถ้าเลือกอย่างนี้ก็ก็สามารถที่จะตรัสรู้ได้แต่ถ้าไม่เลือกทางพระรัตนตรัยเนี่ยนะก็ไม่มีทางอื่นนะถ้าทางอื่นที่นอกจากคําสอนของพระรัตนตรัยแล้วนําออกจากทุพกพระองค์คงบอกไว้บ้างตอนที่ดับขันธปรินีผ่านเรียนมาปรินิพ่านสูตรเนี่ย ตอนท้ายๆที่สุพัทธปริภาชกไปถามเลยจะเห็นว่าทางอื่นเพื่อความหมดจดนอกจากอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดไม่มีราต้องมาทบทวนว่าองค์มรรคแต่ละองค์รู้อะไรสัมมาทิฐิรู้อะไรสัมมาสังกัปปารู้อะไรสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยนะถ้าทางถูกมันมีทางเดียวทางที่เหลือมันผิดหมดมันเราต้องมาแยกว่าทางถูกกับทางผิดนะทำแปดที่ควรรู้ยิ่งคืออะไร ทำแปดที่ควรกำหนดรู้คืออะไรทำแปดที่ควรละคืออะไรทำแปดที่ควรเจริญคืออะไรทำแปดที่ควรทำให้แจ้งคืออะไระองเรียนมาแล้วใช้ในปฏิสัมพิธามะหรือในทัศนัตตาโส от. ทำแปดที่ควรกำหนดรู้คือโลกะทำแปดถ้าเป็นทำที่ควรรอบรู้เลยคือโลกะทำแปดทำแปดที่ควรละคือมิชัตตะแปด มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากามมันตามิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉามรรคแปดเป็นธรรมที่ควรละธรรมแปดที่ควรทำที่ควรเจริญคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดสมาธิทิฏฐิเพราะไอ้ละถูกกับผิดมันก็อยู่ใกล้กันสิที่ไหนมันมืดเป็นที่นั่นก็สว่างเป็นเดี๋ยวนะที่ไหนมีถูกที่นั่นก็มีผิดเพราะผิดกระถูกเป็นของคู่กันแต่ผิดกระถูกมันต่างกันนะ แต่คู่กันก็จริงเช่นดากับขาวเนี่ยเป็นของคู่กันแต่ไม่ได้แปลว่าเข้ากันได้ดีกับชั่วเนี่ยเป็นของคู่กันแต่ไม่ได้แปลว่าเข้ากันได้มันต่างกันโดยสิ้นเชิงมิจฉามรกกับสัมมามรกก็ใกล้กันแต่ก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนพานกับบัณฑิตนี่มันอยู่ใกล้กันคนที่มีอานาจสูงสุดกับไม่มีอานาจเลยนมันอยู่ใกล้กันเชื่อไหมพูดถึงพระราชาโบราณ ในวังโบราณเนี่ยนะเขาเอาไอ้เงี้ยไอ้ง่อยไอ้ไอ้ไอ้ง่อยไอ้คอมนะไปทํางานในวังอ่ะไอ้ใครจะมีไร้ายอำนาจถ้าไอ้พวกคนเปรี้ยอีกแล้วใช่ไหมพวกไอ้ง่อยทั้งหลายเนี่ยพวกไอ้คอมอ่ะนะหญิงคอมเ่ยไปคอยดูแลพระราชาเขาบอกว่าบางทีเนี่ยนะพระราชาแบบใจหน้ามืดอะไรไม่ทราบนะเขาก็เลยชอบไปเอาพวกหญิงคอมหญิงที่ไม่สวยเลยนะไปอยู่เคียงข้างราชินีผู้สวยงามเนี่ยนะก็อยู่อย่างนั้น ก็ เ, เอาผู้ชายแบบผู้คนน่าเกลียดเลยไปอยู่ในวังเพื่อจะได้มเหสีจะได้ไม่คิดเป็นอื่นมันก็บอกว่าสิ่งที่มีอํานาจสูงสุดก็ล่อยู่ใกล้สิ่งที่ไรอํานาจที่สุดเหมือนกันเลยนะนั้นเขาบอกว่าไอ้คาว่าใกล้ในที่นี้หมายว่ามันส่วนเปรียบนะแล้วก็มาดูเอาว่าชั้นใดาการปฏิบัติก็ชั้นนั้นทั้นถ้าเรากําหนดรู้โลกธรรมแปที่ควรกําหนดรู้ละมิช ต, ตะแปดที่ควรละเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์ แปดที่ควรเจริญเราจะได้ทําให้แจ้งทำที่ควรทําให้แจ้งทำที่ควรทําให้แจ้งคืออะไรคือวิชาแปดนะคือวิชาแปดเนี่ยนะวิชาแปดนั่นแหละเป็นทำที่ควรทําให้แจ้งนั้น ก, ก็รู้นะว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้พระเรียกเจ้าโบราณเนี่ยนะพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นกัน นี่เรื่องต่อไปบอกว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายมูมหาชนชาวพระนครพันทุมดีราชธานีประมาณแปดหมื่นสี่พันคนนนแสดงว่าพวกเพื่อนเล่นเพื่อนนะนะเหล่านั้นะนะนะได้สดับข่าวว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีเสด็จถึงพระนครพันทุมดีราชธานีโดยลำดับแล้วท่านประทับอยู่ณนะมรกายาวันชื่อว่าเขมะ ก็แสดงว่าที่จริงอะ่ะถ้าหาว่าอันนี้เป็นเพียงแต่ตัวอย่างคร่าวๆนะที่พระองค์เอามาเล่าแต่ถ้าสมบูรณ์เลยก็บอกว่าพระตถาคตเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ก็คือเป็นพระหันสนัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นตนแล้วก็สาวสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าข่าวว่าพระราชโอรสพระนามวัคคันดะและบุตรปุโรหิตชื่อว่าติดสะปลงผมและหนวดนุ่งหมผ้ากาสาวพัดออก บวชเป็นบนรรปชิตณสำนักของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีแล้วดังนี้ได้ยินข่าวมาเลยนะพอพอได้ฟังข่าวมาอย่างนี้จบคิดว่าคนเหล่านั้นทั้งหมดนะแปดหมื่นสี่พันก็ต่างมาช่วยกันคิดกันว่าก็พระราชโอรสพระนามว่าคันดะและบุตรปุโรหิตชื่อว่าติดสะปลงผมและหนวดนุ่งหมภากาสาวพัด ออกบวชเป็นบนรรพชิตในพระธรรมวินไนยใดพระธรรมวิไนัยนั้นคงไม่ต่ำสามแน่นอนบรรพชานั้นน่ะคงไม่ต่ำสามแน่นอนแม้แต่พระราชโอรสพระนามว่าคันดะและบุตรปุโรหิตชื่อว่าติดสะยังปลงผมและหนวดนุ่งหมผ้ากาสาวพัดออกบวชเป็นบนรรพชิตได้ฉะนัเพื่อเราจึงจักออกบวชเป็นบนรรพชิตบ้างไม่ได้เล่าเนี่ยนะทไมเราจะบวชบ้างไม่ได้ ดูจกบพบสูจนุทั้งหลายครั้งนั้นแหลหมู่มหาชนประมาณ8ปด0มืนสี่พันคนได้ชวนกันออกจากพระนครพันทุมมาดีราชธานีเข้าไปยังเคมะมรุกทัยวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีแล้วกว็นั่งหน้าที่กวนส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีและก็ได้ตรัสสอนอนุปุพพิกถาคำสอนที่กล่าวไปตามลำดับแก่ชนเหล่านั้นคือประกาศฐานกถาอา น, นิ ส, ง, ง, ส, นนส ง, งส์ของทานศีลกถาอานิสงส์ของศีลสักขกถาอันนั้ก็คือกถาที่กล่าวถึงเรื่องของสวรรค์ทั้งหลายโทษของกามที่ต่ำช้าและก็เศร้ามองเนี่ยนะมันต่าขนาดไหน เศร้ามองขนาดไหนและอ น, นิสงฆ์แห่งเนคคัมมะคือการออกจากกามพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทราบว่าชนเหล่านั้นมีจิตคล่องมีจิตอ่อนมีจิตปราศจากนิวร์มีจิตสูงมีจิตผ่องใสจึงได้ทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกสมุทัยนิโรธมัก ดวงตาเห็นธรรมเรียกว่าธรรมจักสุอันปราศจากธุรีปราศจากมนถินได้เกิดขึ้นแล้วแก่หมู่มหาชนแปดหมื่นสี่พันคนนั้นว่ายังกินจิตสมุทยธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นคือทุกทั้งมวลนั้นเนี่ยนะถ้าแทงตลอดนิโรธก็ทุกเหล่านั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาณนะที่นั้นดังนี้แล เหมือนผ้าที่สะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมด้วยดีฉะนั้นชนเหล่านั้นเห็นอริยสัจธรรมเข้าถึงอริยสัจธรรมรู้แจ้งอริยสัจธรรมอย่างทราบในสัจธรรมทั้งสี่คืออริยสัจข้ามความสงสัยในพระธรรมไตรปราศจากความเคลือบแคลงในพระธรรมไตรถึงความแกล้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในสัทุศาสตนคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้แาแล้ว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 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยายฉะนั้นเหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เหล่านี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์พึงได้บรรพชาเพึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้า ดูความพิสูจทั้งหลายหมู่มหาชน8ปด0มสี่พันคนเหล่านั้นได้บรรตรชาได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีแล้วพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีก็ได้ทรงยัง ส่งอย่างพิกษุทั้งหลายเหล่านั้นให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหารให้รื่นเริงด้วยทำมีกระถาแล้วก็ประกาศโทษของสังขารที่ตําช้าเศร้าหมองและอนิสงฆ์ในพระนิพพานจิตของภิกษุเหล่านั้นอันพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถานให้รื่นเริงด้วยทำมีกระถาไม่นานนักจิตของท่านเหล่านั้นก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นด้วย อุปาทานทั้ง4นั่นเองเนะนะเรียกว่าเลิกยึดมั่นด้วยอุปาทานไม่มีอุปาทานอยู่ในใจอีกต่อไปดูก่อนพิสูจนทั้งหลายบรนประชิต 84%,00 มรูปพวกไหนพวก 84%, ดหมพันรูปกลุ่มไหนกลุ่มที่ออกบวชติดตามพระวิปัสสีโพธิสัตว์นั่นแหละพวกกลุ่มชุดที่ออกบวชตามนะได้สดับข่าวว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีเสด็จถึงพระนครพันทุ่มมดีราชธานีโดยลําดับ บัดนี้พระองค์ประทับอยู่ณนะมิกทายวันชื่อว่าเขมะและมีข่าวว่าพระองค์กําลังเสด็จแสดงกำลังแสดงธรรมอยู่พิสูุ์ทั้งหลายเหล่านั้นอันมันประชิดดูก่อนพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแลบันประชิดแปดหม0่นรูปเหล่านั้นก็ได้พากันไปทางพระนครพันทุมาดีราชธานีทางมรตหายวันชื่อว่าเขมะที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาม ว, ว่าวิปัสสีประทับอยู่ ครั้นถึงแล้วได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคอรหันตตสัมมา ส, สัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีแล้วก็พากันนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งน่าเชื่อเลยพวกนักบวชติดตามบรรลุทีหลังนะแต่ก็ไม่เป็นไรขอให้บรรลุมันจะนขึ้น อ, อะไรนะขอให้ไม่ได้ขึ้นยานของพระผู้เจ้าเถอะมันจะขึ้นคนแรกเลยจะขึ้นคนกลางขึ้นคนหลังขอให้ไม่ได้ขึ้นเถอะเนี่ยนะนะ แต่ชั้นใดก็ดีผู้ที่จะได้ขึ้นตรัสรูท้ทำตามพระพุทธเจ้าจะขึ้นตอนต้นตอนกลางตอ น, ตอ น, ตอนปลายก็ค่อยมันได้ขึ้นเถอะไม่ใช่บอกเอ้าวไม่มีตั ว, วนั่นเลยนะจบเลยของเราตอนนี้ก็ดูอ่านตัวให้มันดีๆหน่อยนะเดี๋ยวเกิดจะได้ขึ้นยานรยาอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดตัวก็คือพระไตรปิฎกนี่แนะหละหตัวนี่ยาวมากเงื่อนไขมันเยอะอะ่ะนะแต่ถ้าขึ้นยา น, นี้ได้สบายเลยอะ่ะ แต่แล้วก็ภิกษุเหล่านั้น น, นะนะเมื่อเข้าไปเฝ้าแล้วพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสามัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีก็ได้ตรัสอนุปุพิกฆาคคำสอนที่กล่าวตามลำดับแก่บันปะชิตเหล่านั้นคือประกาศทานากถาศีลากถ า, าสักขะถ า, า, าโทษของการมที่ต่ำช้าเศร้าหมองและอ น, นิสงฆ์ในการบวชคืออ น, นิสง์แห่งเนคขมมะเมื่อทรงทราบว่าบรรปะชิตเหล่านั้นมีจิต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 เหมือนผ้าสะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมด้วยดีฉะนั้นบนรรพชิตเหล่านั้นเห็นธรรมรู้ถึงธรรมรู้แจ้งธรรมทราบ อ, อ, อย่างาทราบธรรมข้ามความสงสัยปราศจากความเคลือบแคลงถึงความแก้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในสัตว์ศาสนาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พ, พระนามว่าวิปัสสีว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาสิทธ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยคิดว่าผู้มีจักสุจักเห็นรูปดังนี้ฉันใดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์เหล่านี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งหรือเป็นสารณะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์พึงได้บรรปชาเพึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าดูกลอนภิกษุทั้งหลายบัรปชิตแปดหมืนสี่พันรูปเหล่านั้นได้บรรปชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีแล้ว พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้ทรงยังภิกษุเหล่านั้นให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อ่านหารให้รื่นเริงด้วยธรรมีกรทาพระองค์ก็ประกาศโทษของสังขารที่ต่ำช้าเศร้าหมองก็คือประกาศวัตตะ ว, ว่าไม่มีโทษอย่างไรแล้วก็ประกาศอนิสง์แห่งพระนิพพานจิตของภิกษุเหล่านั้นผู้อันพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่าวิปสัสสีทรงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาหานให้รื่นเรืองด้วยธรรมีกระถาไม่นานนะักก็บก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมัน่นเนี่ยนะผ่านไปสามชุดพวกเราก็นั่งอยู่ที่เดิมนะส่วน อ, อันนี้เกี่ยวกับเรื่องอนุปุพพิกราก็คงไว้ตอนบา่ายจำได้มากล่าว อ, อันนี้สองหรือธรรมีกระถาเรื่องทานเป็นต้นโดยลาดับ ตอนเช้านี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ข้อความในอัตกถาหมหาประทานสูตรทีคณิกายพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีแสดงแก่พุทธบริษัททั้งหลาย น, นะก็ยกอนุปุพิกฆาขึ้นมาแสดงคําว่าอนุปุพิกฆาก็คือเป็นพระธรรมเทศนาที่แสดงไปตามลําดับ เบื้องต้นแสดงเรื่องทานต่อมาก็แสดงเรื่องศีลถัดจากนั้นก็แสดงเรื่องสวรรค์ต่อจากนั้นก็เป็นแสดงวิปัสนาอริยมรรคเรียกว่าทานศีล ส, สวรรค์วิปัสนาอริยมรรคนั่นเองการแสดงไปโดยลําดับอย่างนี้เรียกว่าอนุปุพิกถาพระธรรมเทศนาที่กล่าวไปตามลําดับเหมือนอย่างว่าทะเลลาดลุ่มลึกไปตามลําดับฉันใดพระธรรมเทศนาก็ มีเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดฉันนั้นทีนี้รายละเอียดของคําว่าฐานกถาแปล ว, ว่าคาถาที่ปฏิสังยุตกล่าวถึงผลกล่าวถึงอนิสง์กล่าวถึงคุณประโยชน์ของการให้ทานการที่แสดง จ, จําแนกแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการให้ทานนั้นว่าการให้ทานนั้นมีผลอย่างไรมีอนิสง์อย่างไรมีคุณประโยชน์อย่างไรเป็นต้นการเอามาแสดงอย่างนี้เรียกว่าฐานกถา การพูดเรื่องทานเนี่ยนะซึ่งคําว่าทานในที่นี้ตัวทานนี่หมายถึงอะไรหมายถึงเจตนาทานนี่คือตัวเจตนาเจตนาที่คิดจะให้ถ้าเจตนาที่คิดจะให้อย่างเดียวนี่ชื่อว่าสําเร็จผลไหมก็ไม่สําเร็จจะต้องมีของที่ให้ด้วยของที่ให้ก็เรียกว่าทานเหมือนกันเรียกว่าวัตถุทานแล้วก็สุดท้ายคือผู้รับทานก็แบ่งออกเป็นน่นนะ เป็นสามอย่างก็คือเจตนาที่ให้ของที่ให้แล้วก็ผู้รับทานแบ่งเป็นสามคำทบทวนอีกอย่างหนึ่งนะก็รายละเอียดเกก็เรื่องทานทานประกอบไปด้วยหนึ่งเจตนาของผู้ให้เจตนาของผู้ให้ อ, ใหอย่างที่สองของที่ให้ ของวัตถุทั้งหลายก็คือวัตถุทานนั่นเองของที่ให้แล้วก็สามผู้รับผู้รับทานผู้รับวัตถุทานก็แบ่งออกเป็นสามกลุ่มด้วยกันเนี่ยนะในสามอย่างเนี่ยตัวบุญนตัวของที่จะให้อันนี้หมายว่ากุศลเจตนา ตัวนี้เป็นกุศลตัววัตถุโดยมากเป็นอัพยากตะตัวมันเองไม่ใช่กุศลและอกุศลทั้งนั้นของที่จะให้นะสามผู้รับอันนี้หมายถึงบุคคลก็คือผู้ที่รับรับทานทั้งหลายบุคคลนี้แบ่งออกเป็นกลุ่มผู้รับนี่แบ่งออกเป็นเรียกว่าปาเต ป, ปกเลกทานกับสังฆทาน ส่วนตัวกุศลเนี่ยนะที่ที่พระองค์สรรเสริญเรื่องการให้ทานเนี่ยสรรเสริญตัวเจตนาแต่<ม>ทานที่จะมีผลมากมีอ น, นิสงฆ์มากมีองค์มีองค์องของเขาหนึ่งถึงพร้อมด้วยศรัทธาผู้ให้นั้นะ่ะมีศรัทธามากสองทาย ร, รมนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความปลื้มใจเรียกว่าเป็นทัยาทธรรมที่ตัวเองปลื้มใจเนี่ยนะ ของที่ตัวเองเรียกว่าปลืม้มเหมือนันเถอะเป็นที่ตั้งแห่งความปลื้มปีติอย่างที่สามผู้รับนั้นน่ะเป็นคนที่เราเลื่อมใสเนี่ยนะโดยปกติก็เลื่อมใสผู้รับเช่นนั้นอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอยู่แล้วเมื่อมีสธานในพระองค์ก็หาดอกไม้เป็นต้นมาบูชาพระองค์ส่วนในรายละเอียดเกี่ยวกับกุศลเจตนา น, นะกุศลธรรมเกี่ยวกับการให้เนี่ยนะ มีดังต่อไปนี้ว่าปุบผ้าเจตนาเจตนาก่อนจะให้นะครัว่าก่อนให้มุนชนะเจตนาเจตนาที่ขณะให้ขณะที่ให้ทานไปแล้วก็สามอปรเจตนาก็คือ เสร็จแล้วเขาเรียกว่าเมื่อให้เสร็จแล้วคือแลหลังจากนั้นหลังจากนั้นไปหรือว่าเมื่อผ่านไปแล้วเป็นยังไงแล้วก็ผ่านไปนานๆได้นนว่าอัปปราประเจตนาเอาไหเช่นผ่านไปเป็นสิ บ, ย, สบยี่สิบปีแล้วยังเก็บมาคิดเก็บมาเจริญจารานุสติก็จะเป็นกลุ่มอัปปราประเจตนาทานใดก็ตาม ที่มีองค์ประกอบอย่างนี้เนี่ยนะก็คือเน้นว่าศรัทธาศรัทธานี่บวกกับความผ่องใสหรือว่าปีติปีติหมายว่าบุญใดก็ตามที่เราทำเนี่ยก่อนให้ศรัทธาก็มีกำลังมีความผ่องใสแล้วก็ความเกิดความปราบปลื่มใจสองขณะที่ทำก็มีศรัทธาผ่องใสปีติปราบปลื่มใจทำเสร็จแล้ว พอทำเสร็จนะก็ปลื้มใจอีกนานๆเก็บมาคิดก็ยังปลื้มใจทานอย่างนี้จะเป็นทานที่มีวัดมีผลมากมีอ น, นิสงฆ์มากเนี่ยนะแต่ที่สำคัญต้องบวกอะไรอีกไม่ใช่บวกแค่ศรัทธาอย่างเดียวนะยังบวกปัญญาบวกกรรมสกตาปัญญาว่ารู้ไหมว่าการให้นี่มีผลอย่างไรรู้ว่าการให้นี่เป็นเหตุของอะไร การให้ น, นั้นมีอานิสงส์อย่างไรซึ่งเราจะกล่าวที่เรียกว่าทานากฐานเน้นว่าอา น, นิสงส์ของการให้ อ, นนอานิสงส์ของทานหรือเท่ากับกําไรนั่นะกำไรการให้ทานเนี่ยถ้าพูดแบบธุรกิจก็เรียกว่าเป็นการลงทุนชนิดหนึ่งแล้วผลกําไรของการลงทุนนั้นคืออะไรแล้วพูดแบบชาวนาก็เรียกว่าเพะวเพาะพันมเมล็ดเพืชลงไป ว่ามันให้ผลออกมาเป็นอย่างไรก็คือการพ่อเมล็ดพืชนั่นเองเนี่นะแต่ภาษาทั่วๆไปนิยมใช้คำว่าอันนี้สองซึ่งแปลว่ากำไรพูดภาษาค้าขายซะส่วนใหญ่นี่เกี่ยวกับวัตถุทานเนี่ยนะก็แบ่งออกเป็นหนึ่งกลุ่มปัจจัยสี่เนี่ยนะปัจจัยสี่ประกอบไปด้วยผ้าอาหารที่อยู่ที่อยู่แล้วก็ยา น, นะรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผ้าอาหารที่อยู่อย่างเรียกว่าปัจจัยสี่นั้นสามารถเจตนาที่จะให้ให้ปัจจัยสี่ก็ได้ในพูดตามพระวินยัยถ้าพูดตามพระสูตรก็เช่นให้ข้าวให้น้ําให้ผ้าเรียกว่าลงละเอียดเลยลงละเอียดแจกยิบดอกไม้ของหอมประทิบโคมไฟไล่ไปเรื่อยอย่างไงเรียกว่าให้ตามพระสูตรให้รองเท้ า, ใ ห, าให้ข้าวให้ของให้เครื่องใช้เรียกว่าเก็บมาเรียกหมดเลยอ่ะ แต่ให้ตามอภิธรรมปารลบให้รูปเป็นฐานปารลบสีปารลบเสียงปารลบกลิ่นปารลบรสปารลบโพธัพระปารลธรมารมเป็นฐานนั้นแล้วแต่จะเลือกให้จริงๆวัตถุเดียวเนี่ยจะปารลบอะไรก็ได้ให้ผ้าหนึ่งผืนจะเรียกว่าปารลบปัจจัยสี่เพราะคนต้องใช้เครื่องนุ่งห่มเครื่องค้ำจุนชีวิตอีกคนหนึ่งบอกว่าโอ้ให้ผ้า ผ้าแพลผ้าไหมผ้าเมืองจีนผ้าอะไรก็ว่าไปก็ไล่ผ้าผ้าพลาสติกผ้ากำพลผ้าอะไรอันนี้เขาเรียวกว่าแบบพระสูตรส่วนเรียกแบบอภิธรรมบอกสีสวยดีผารบปรธรรมโพธาผ้าบอกในหม่มห่มแล้วอุ่นดีหรือห่มแล้วไม่ร้อนดีเป็นต้นอันนี้เขปลารบแบบอภิธรรมแต่ว่าสรุปว่าออันนี้หมายความว่านักจำแนกทั้งหลายเขาจะแจกอย่างนี้แต่ถ้าไม่จำแนกก็ทำบุญอ่ะถาวายผ้าไตรก็แล้วกันง่ายดีนั่น เป็นต้น่ะนะยกไปอย่างเป็นต้นอาจจะให้ผ้าคำว่าผู้รับผู้รับแบ่งเป็นสงกับบุคคลเกี่ยวกับเรื่องคณะสงฆ์ก็เช่นสงมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานก็คือไม่เจาะจงให้แบบไม่เจาะจงคิดง่ายๆว่าสวดสุ ป, ปฏิปันโนแล้วให้ทาน ให้ทางพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติตรงแล้วก็ใส่บาตรไปทําบุญไปอะไรไปเนี่ยนะให้ลักษณะเนี้ผู้รับใครก็เช่นอะไม่สนใจหรอกคือคําว่าไม่สนใจไม่มาคํานึงถึงท่านบวชเก่าบวชนานบวชถูกต้องใหม่ถูกต้องพระจริงพระปลอมพระเท็จพระชั่วไม่มาคิดทางนั้นอะพระดีพระไม่ดีดีไม่ดีเรื่องของท่าน แต่ว่าข้าพเจ้าสุปฏิปันโนพระควะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วจะมากี่องค์ก็ช่างคิดแต่อย่างเงี้ยเรียกว่ากลุ่มสังฆทานนะไม่รู้ว่าสาวกของพระผู้เท่เจ้าท่านมารับเป็นใครก็เรื่องของท่านไปเหมือนกับบุรุษไรษณีมารับวัตถุเราเนี่ยนะเราไปหยอด้ว้ใครมาขายเอาสุรุกว่าส่งให้ถึงญาติเราใช้ได้ละคล้ายๆแบบนี้ไม่ได้เป็นหนักใจอะไรกับว่าใครอายุเท่าไหร่อะไรยังไงมั่นใจขนาดไหนถูกอะไรยังไงเป็นต้นไม่ต้องไปคิดใส่ใจทั้งนั้น คิดว่าสวดอะไรนะเจริญสังขานุสติแล้วให้ทานสุปฏิปันโนแล้วก็ให้ไปในวิถีง่ายๆส่วนปาติดปกติกทานก็เจาะจงเช่อนอะไรบ้างไล่ตังกาเดรฉ า, านอะจะต้องไปเลี้ยงปลาไงนะเจาะจงพวกปลาหรือว่าอะไรเจาะจงสุนัขให้วัวควา ย, วายให้อะไรก็แล้วกันไปก็แล้วแต่ว่าปารบจะเลี้ยงอะไรอ่นะอยากจะเลี้ยงมดอย่างนี่ย อ้าวมี่เหรอคนให้ทานมดเป็นทานแม่ต้องแบ่งเลืออาหารไปให้หมดหน่อยคนบอกเลี้ยงอาหารเลี้ยงอาหารไปเลี้ยงปลาหน่อยเลี้ยงยิ่งจบหน่อยอะไรเนี่ยนะนะก็มีอยู่หลายกลุ่มบางคนก็ให้ทานกับมนุษย์ทุศีนมาเพราเห็นโจรเออเลี้ยงข้าวโจรสักมื้อหนึ่งกันต้นเนี่ยนะอ้าวอย่คิดนะบางทีโจรผ่านมาก็เลี้ยงอาหารเจหน่อยเขามีนะโบราณสมัยก่อนก็มีมีค่อนข้างบ่อยด้วย บางทีโจรผ่านมาทางนี้ก็เเลี้ยงมันหน่อยไม่เลี้ยงเดี๋ยวจะวันหลังมันจะมาปล้นแล้วก็ต่อไปอีกก็ให้ทานก็คือมนุษย์มีศีลแล้วก็ให้ทานกับใครอีกให้ทานแล้วก็ปารบอะไรปรับรบผู้มีฌานแต่ว่าเป็นคนนอกาศาสนาแล้วก็ปารบอะไร ผู้ที่ถึงสาระคมถึงสาระคมโดยความเข้าใจตั้งแต่สาระคมจนถึงว่าอาจจะเป็นสาระคมแบบเป็นอุบาสกหรือเป็นต้นเนี่ยทานกลุ่มเนี่ยอ น, นิสงหาประมาณไม่ได้อ่า น, นะตั้งแต่ให้ผู้มีถึงสาระคมเป็นต้นด้วยความเข้าใจนะไม่ใช่ว่าเอามาจับมาปาณาติปะเอ่อผู้ทางสารานังฆ่าฉามิแล้วยางงจะได้ผลมากหมายว่าเขามีสัทธาในรพระัรนตรายมาก ทีนี้แต่ถ้าให้ทานอีกอย่างหนึ่งเป็นการให้เหมือนกันแต่ไม่ใช่ทานแต่เป็นการให้แล้วเป็นศีลก็คือเช่นอะไรให้พ่อแม่อ่ะนะพวกครัวาจา์ให้กลุ่มนี้เป็นต้นเนี้ยนี้เป็นศีลไม่ใช่ทานเป็นจารีศีลนนะเป็นเป็นเป็นกลุ่มศีลและจะไม่ใช่ทานแต่ถ้าให้ว่าเออเนี่ยให้พ่อให้แม่ ให้พ่อให้แม่ให้ครูบาอาจารย์ให้ผู้มีพระคุณตอบแทนพระคุณนั่งเป็นต้นเนี่ยนะพวกกลุ่มนี้จะเป็นจารีตศีลจะเป็นกุศลประเภทศีลไปจะไม่ใช่กลุ่มทานแต่ถ้าทานก็คือแบบว่าเน้นแล้วก็การทานให้ทานที่ให้ด้วยศรัทธาไม่ได้ไปคาดหวังอะไรจากผู้รับเลยที่เรียกว่าให้แบบคนมีศรัทธาเ น, นี่ยนะก็คือไม่คาดหวังว่าเออเราเลี้ยงท่านแล้วเราจะท่านต้องเลี้ยงท่านเราต่อ เราให้ท่านสัหน่อยแล้วท่านจะช่วยเราเป็นต้นลักษณะที่เรียกว่าที่อะไรนะไม่ใช่ติดสินบนไม่ใช่ลักษณะติดสินบนไอการให้ที่เป็นบุญนั้นไม่ใช่ติดสินบนไม่ใช่ให้แบบค้าขายมีเบื้องหน้าเบื้องหลังให้เข้าก่อนแล้วกดี๋ยวอะไรเป็นเชิงธุรกิจไม่ใช่แบบนั้นการให้ทานที่เป็นบุญนั้นไม่ให้ธุรกิจนําหน้าหรือตามหลังหนึ่งอย่างที่สองไม่ได้หวังว่าอคนที่รับไปนั้นอ่ะ จะต้องมาทำอะไรให้เราเป็นต้นไหมแต่ให้ด้วยกุศลและเจตนาให้ด้วยศรัทธาเชื่อว่าเจตนานี้มีผลเชื่อว่าดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่เจ็ดให้ผลชาติหน้าดวงที่สองถึงดวงที่หกให้ผลนชาติที่สามเป็นต้นไปเนื่องจากว่าเชื่อลักษณะนี้แล้วให้ไปอันนี้คือเรียกว่ามีกรร ม, มสักตาเชื่อกรรมและเชื่อของผลของกรรมเชื่อว่าใจที่ให้ไปเนี่ยมันเป็นบุญ และเป็นเหตุแห่งความสุขและความเจริญทั้งหลายเนี่ยนะแต่ความเชื่อลักษณะนี้แหละต่เป็นการเชื่อที่ให้แล้วมีผลมากให้แล้วมีอนิสงฆ์มากเนี่ยนะนี่ดูว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาที่ให้นั้นอ่ะมีผลอย่างไรแล้วก็มีอนิสง์อย่างไรเนี่ยนะในหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบสองเนี่ยนะอนิสงฆ์ของการให้ทานบอกว่า ทานนี้ทานคือกุศลเจตนาที่ให้นี้เป็นเหตุแห่งความสุขนะนะคือสาเหตุแห่งความสุขและการให้ทานนี้เป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งปวงคําว่าเป็นเหตุแห่งสมบัติหมายค ว, าว่าการให้ทานเนี่ยเป็นเหตุแห่งมนุษย์สมบัตินะสมบัติของมนุษย์ทั้งหลายคือมนุษย์ที่มีสมบัติมากนะเรียกว่ามนุษย์สมบัติ ไม่ใช่ว่าเป็นคนทุกขตะเขินใจมันสมบัติของมนุษย์ปัจจัยสี่โดยที่ไม่เดือดร้อนไม่ใช่ได้แต่ชื่อนะก็มาแต่ว่ามีทรัพย์มีสินมีมีเรื่องสวนไรนะ่นาไม่เดือดร้อนในปัจจัยสี่ทั้งหลายเขาเรียกว่ามนุษย์สมบัติอันนี้ก็เป็นผลแห่งการให้ทานแล้วก็สวรรค์สมบัติเนี่ยนะความสุขในสวรรค์ทั้งหลายก็เป็นผลของผู้ที่ให้ทานทั้งหลายมาขณะเดียวกันแม้แต่ผู้ที่สร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้า ก็ยังต้องให้ทานนั้นทานนั้นจึงเป็นเหตุแห่งสมบัติทั้งปวงเนี่ยนะสมบัติทั้งโสดาบันสกธาคามีอนาคามีเป็นต้นเจตนาที่ให้ก็ยังเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาสัยให้ได้สมบัติทั้งหลายเหล่านั้นแม้ทั้งสมบัติที่เป็นโลกิยะและโลกุตระนั้นการให้ทานจึงเป็นที่ตั้งแห่งโภคะทั้งหลาย เป็นทั้งพวกขสมบัติเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งพวกขสมบัติทั้งหลายเพราะฉะนั้นความต้านทานเนี่ยนะเป็นความต้านทานหมายค่ะว่าปัญหาอย่างสำหรับคนที่ทําบุญมาเยอะมีทรัพย์สินมากเขาต้องออกหน้ายามีสงครามไหมเห็นไ่มไม่คนอื่นออกหน้าให้หมดนะวันนี้หมา ย, มายว่าถ้าจะตายก็าตายเป็นคนสุดท้ายอ่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเพราะทานของที่ให้เนี่ยเป็นเครื่องป้องกัน ร, รักษา ช่วยคุ้มครองเขาจนถึงที่สุดนั่นแหละผนการให้ทานนี่จึงเป็นที่ต้านทานยามป่วยก็ไม่ก็หายป่วยได้ยามปวดก็หายปวดได้แม้กระทั่งเนี่ยคือเขาเล่าว่ะยาในโลกนี้เนี่ยเขาบอกว่ารักษาตามสตังนะก็แต่แต่บุญเก่าถ้าบุญเก่ามาดียาก็ดีถ้าบุญเก่ามาไม่ดียาก็ไม่ดีดีไม่ดีเขาจ่ายยาดีแต่หมดอายุอย่างเงี้ยแล้วแต่บุญเหมือนกันนะ คือคือสรุปว่าทุกเรื่องมันอยู่ที่บุญแม้กระทั่งบ้านที่อยู่ห้องที่นอนรองเท้าที่ใช้รถที่ใช้การเดินทางถนนหนทางเนี่ยมันแล้วแต่บุญนะวัดกันด้วยบุญนะก็ถ้ามีบุญเก่ามามากแต่ก็ ล, ลืมม่าอยากกินบุญเก่าอย่างเดียวก็แล้วกันอันะอย่างที่นางวิสาขาท่านบอกพ่อตาท่านนะคุณพ่อกำลังทานของเก่าว่างนะั้นพ่อตาคือพ่อสามีนะพ่อสามีีไม่ใช่แคีพ่อตาพ่อสามีของท่านนะนะ่ ท่านทานนี่จึงเป็นที uh, ่อาศัยเนี่ยนะเป็นที่อยู่เป็นที่เหมือนกับที่อาศัยอย่างเช่นถ้าหากว่าเราจำต้องอาศัยเนี่ยนะถ้าเราไม่มีวัตถุทานเลยเนี่ยเราจะพึ่งพาอาศัยอะไรใครได้ยากเหมือนกันนะถ้าถ้าคนไม่มีบุญไม่ได้ให้ทานมาดีทั้นทานเนี่ยจึงเป็นที่ไปเป็นคติเนี่ยคติแปลว่าที่ไปคนไม่เคยให้ทานมาเนี่ยนะแมพูดแต่ค่ารถนี่ก็เดือดร้อนแล้วนะไม่ต้องมีรถเป็นส่วนตัวอะไรหรอกพูดแต่ค่ารถนี่ก็เดือดร้อนฮะ ไปแล้วไปอยู่ที่ไหนไปกินอะไรกินอะไรว่าอย่างไรอยู่กี่เท่าไหร่มันจะไม่รู้ทั้งหมดเลยนะเรียกว่าการให้ทานนี่จึงเป็นเหมือนกับคตินั้นคนที่ให้ทานเลือกได้เลือกได้หมดเลยชีวิตการเป็นอยู่เป็นต้นเลือกได้หมดเลยมันก็แล้วแต่ผลของบุญบางคนก็บอกโอ้คนนั้นเขาเก่งเขาสามารถหาเลี้ยงชีพได้เธอถ้าไม่มีบุญเก่ามาคนมีบุญเชื่อไหมทําอะไรมันก็ถูกหมดคนหมดบุญนะทําอะไรนี่พลาดไปหมดเลย ค้าขายนะออ้ยมีแต่ถูกหลอกหมดอะแต่ถ้าคนมีบุญก็อย่างว่าถูกหลอกก็ยังรวยกว่านั้นมันมันแล้วแต่บุญมันบวกกับบุญด้วยความขยันหมั่นเพียรนี่ครึ่งหนึ่งบุญเก่าอีกครึ่งหนึ่งอะนะันั่นแหละความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั้งหลายมันเครื่องคําจุนขอของผู้ที่ถึงความวิเศษทั้งหลายเนี่ยก็เกิดจากการให้ทานทานจึงเป็นที่พึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอารมณ์ ทานจึงเป็นที่ต้านทานเป็นที่อาศัยคติการค้ำจุนทานเนี่ยน ะ, ะที่พึ่งในโลกนี้เช่นกับทานเนี่ยไม่มีอีกแล้วจะเอาอะไรนาะมาเป็นที่พึ่งจะช่วยเหลือเราเนี่ยนะอย่างที่เขาบอกว่าถ้าหมดทรัพย์นี่ก็หมดพวกเหมือนกันนะซั์นี่มันเกิดจากอะไรก็เกิดจากการให้ทานถ้าไม่มีทรัพย์ไม่มีอะไรก็ไม่มีพวกเขาว่าถ้าตกยากเมื่อไหร่แม้แต่ลูกก็ยัง นี่เขามีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งเขามีลูกสี่คนสองสามีภรรยาอยู่ด้วยกันตากระยายลูกในนี้ไปจากบ้านจากช่องหมดสองตายายก็มารำพึงรำพันว่านี่ตาบอดด้วยนะทั้งคู่นั้นตาบอดอยู่จังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพนี่แหละตาบอดเราปรึกษาสองตายายก็บอกนี่นะถ้าเรามีสตังค์ลูกเราคงไม่ทิ้งเราอย่างนี้หรอกกาลังนั้นนะไม่รู้ลูกเขาไปดีมีสุขยังไงก็ไม่ทราบ แต่วันนี้นะอยากให้ตามันหายอยากให้สุขให้มองเห็นจะได้ไปทํางานเก็บเงินลูกจะได้มาอยู่ด้วยอะไรเงั้นนะเฮ้ถึงแต่ลูกมันก็มันก็แล้วแต่นะเพราะว่ามันถ้าไม่มีบุญก็อย่างว่ามันเป็นเรื่องของของบุญเหมือนกันนะเพราะฉะมันเนี่ยจึงเป็นที่พึ่งเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นที่ทํามาหากินทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับผลของบุญเก่าพันคนที่ไม่มีบุญเก่ามาเนี่ยมันเดือดร้อนมากๆเลย ทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็พลาดอ น, นะปันทานนั่นแหละจึงเป็นที่พึ่งในโลกนี้และโลกหน้าโลกนี้คนที่มีความสุขก็ผลของการให้ทานเชื่อเถอะคนที่เขามีจริงๆนะ่ะที่ไม่ให้ทานไม่มีหรอกอย่างบอกว่าใครมีทรัพย์สินในประเทศไทยที่สุดบอกในะพระเจ้าอยู่หัวมีมากแต่พระเจ้าอยู่หัวนี้ให้วันละเท่าไหร่พระองค์ให้ทานเยอะมากนะพระองค์วัน ว, นวนหนึ่งพระองค์ให้ทานเยอะมากอย่างก็บอกว่าเคยนั่งรถไปกับทหารคนหนึ่งบอกว่า เป็นรถบรรทุกเลยบอกผมเพิ่งไปรับของมาจากพระราชวังจะไปแจกเนี่ยในเขตเนี้ยรถบรรทุกเลยนะเพราะว่าแค่งานเดียวของท่านก็เป็นคันรถบรรทุกแล้วนะเฉพาะเฮือกเดียวของท่านนะ่ะบรรทุกสิแปดล้อนะไม่ใช่บรรทุกแบบธรรมดาเฉพาะเรื่องเดียวละละอีกดไม่รู้กี่ร้อยเรื่องนะท่านวันวนหนึ่งเนี่ยท่านบริจาคทานให้กี่กูดังอย่างเงี้ยท่านตลอดทั้งปีเนี่ยนะผ้าตรายท่านปีหนึ่งเนี่ยคราถสวายเป็นผ้าตรายเนี่ยเป็นกี่กี่พันตรายอย่างเงี้ย อย่างก็ไปนครปฐมวันก่อนบอกภาพพระราชทานผมพระเจดีย์ยังไงนะมามีและภาพพิเศษพิเศษนะก็ผภาในหลวงทรั้งส่วนใหญ่ท่านพระองค์ได้ทําบุญมากนะนะท่านผู้ที่ให้ทานมากเนี่ยถามว่าเดือดร้อนไหมบอกไม่แต่ถ้าคนไม่เคยให้ทานเนี่ยไปขอแบ่งทานที่เขาให้นะไปขอรับทานเขานี่เป็นยังไงเช่นขอทานเป็นต้นเขาจับไปส่งบ้านเลยลวจะเสียหน้าเสียตาบ้านเมืองเขาก็ว่างั้นนะ ับไปส่งไปส่งบ้านเลยแบบนั้นให้ขี่เครื่องบินไปเลยไมได้ไกลๆจะได้มาไม่ถึงะก็เป็นอย่างนั้นเลยนะขอทานก็ขี่เครื่องบินเหมือนกันเ <laughs> ขาไปคนาไปไว้ไกลๆไม่ใช่อะไรหรอกอ น, น, นี่ก็เป็นอย่างนี้จริงๆว่าที่พึ่งเนี่ยนะถ้าคนไม่ได้เคยให้ทานมาไม่มีที่พึ่งยามหิวก็ไม่ได้กินยามกระหายก็ไม่ได้ดื่มยามจะนอนก็ไม่มีที่นอน น, น, นะนะมันมันแค่ว่าเกิดมามีแต่คําว่าไม่มีแบบนั้นคนะ่ะ หาอะไรก็ไม่มีท้ามหาอะไรก็ไม่มีเนี่ยนะก็บอกว่าโดยที่สุดแม่กระทั่งเด็กบางคนบอกขึ้นไปบนแม่มีอะไรทานบ้างครับแทนที่แม่จะบอกทานนี้สิลูกแบบถูกด่าเลยไปเล่นมาทั้งวันแล้วมาถามหาแต่กินว่างนั <c> ้น <oughs> ก็เขาบอกว่ามันเดือดร้อนหมดนะคนที่ทาให้ทานมาไม่ดีทําบุญมาน้อยเนี่ยลําบากมากมันทานนี่จึงเป็นเช่นศีหนาสนะแปลว่าทานเนี่ยนะการให้เนี่ยสําคัญเท่ากับว่าที่นั่งแบบที่นั่งที่องค์อาจมาก อันที่นั่งที่ดีๆนะ่ะเป็นของคนที่ให้ทานมาดีมันการให้ทานเนี่ยนะเป็นเหมือนกับแก้วสารพัดเนึกเป็นที่ทานเนี่ยเป็นที่พึ่งนะทานเนี่ยสาเร็จด like ้วยแก้วเพราะเป็น like ที่พึ่งเป็นที่พึ่งชั้นดีทานเนี่ยเป็นเช่นกับแผ่นดินเพราะเป็นที่ตั้งอาศัยอย่างคนที่มีที่ดินเนี่ยบางคนนี่มีที่ดินเป็นแสนไร่ อีกคนตั้งร้อยคนเนี่ยที่ดินผืนเดียววาเดียวก็ไม่มียนะตอนๆหาที่ทํากินเป็นต้นเนี่ยนะบอกกัอย่างที่ว่าไปอินเดียครั้งแรกเลยเดินทางช่วงนั้นตั้งปีสี่ปีห้าละก็มีพวกอพยพเนี่ยนะโอข้างทางเป็นหลายร้อยเมตรเลยแหละทั้งหอบทั้งสะพายทั้งทูลหัวทั้งสารพัด น, นะแขกไม่ค่อยแบกแบกทูลหัวหมดนะกลางคืนแล้วก็รถวิ่งก็ฝุ่นตลบอบอวนไปหมดมันเดินทางกลางคืนกลางวันเดินทางไม่ไหวมันร้อนช่วงนั้นมีนา มันโตไปด้วยนะดู้ดูรึเปล่าเมื่อตอนนั้นบอวก็กรถามคุยไปคุยมาก็ได้ข่าวว่าพวกเนี้อพยพไปหาเช่าที่ดินพื้นใหม่ๆทําต่อไปอไอ้ที่เขาทูนหัวบรรทุกเกวียนนั้นก็คือข้าวข้าวเนี่ยไม่ใช่ว่าได้ไปโอ้ยเป็นโลเป็นโ ล, เ ป, นโลเป็นภายเป็นชิ้นเป็นอน้ำไม่ได้แต่มเมล็ดพันุไปหาเช่านาทํำต่อไปข้างหน้าต่อไปอีกปั้นปีนั้นฝนไม่ค่อยดีรับแถวนั้นฝนไม่ค่อยดีแต่ปีนี้ไปเนี่ยฝนดีใช้ได้ข้าวสวย แต่ว่าก่อนๆนะ้า น, นั้นบางปีเนี่ยฝนมันไม่ดีก็ได้แต่มเมล็ดพันธุ์อย่างปีนี้แถวๆชนบทท่าอีสานบางแห่งนะเขาบอกว่าคนนาเขายี่สิบไร่ได้ข้าวตั้งสีส่กระสอบปุ๋ยเข้ามาสี่กระสอบปุ๋ยก็แปลว่าเท่ามเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ลงไปเท่าไหร่ก็ได้เท่ามเมล็ดพันธุ์ตามเดิมค่าไถ่ค่าวานค่าดูแลค่ารักษาไม่ต้องคิดกันทั้งนั้นค่าแรงหายห่วงสบายมากฟรีหมดนะนั้นก็เดือดร้อนกันมาก ปีนี้แหละไม่ใจะปีอื่นก่อนที่ไหนหรอกมันทาเนี่เป็นเหมือนกับที่พึ่งใหญ่เช่นกับแผ่นดินมันถ้าบุญมันให้ผลนะที่ดินก็กลายเป็นดินดีแบบนั้นเป็นทื้นดินที่อุดมสมบูรณ์แต่ถ้าบุญไม่ดีก็ อ, อย่างว่าเป็นทะเลทรายไปเลยนะแทบจะหมดสภาพเพาะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นมันทาเนี้จึงเป็นเหมือนกับแผ่นดินเป็นที่อยู่ที่อาศัยการให้ทาเนี่ยเป็นเช่นกับเชือกเพราะว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยว น, นะสมมติาใครแบบอะไรนะจะต้องไต่ขึ้นที่สูงเนี่ยแม้การให้เป็นเหมือนกับเชือกที่คอยดึงคอยเหนี่ยวคอยชุดเราไว้ให้ไม่ให้ตกทุกข์และ ย, ยากนะทานนี้เป็นเช่นกับเรือเพราะข้ามออกไปจากทุกข์นั้นมีทุกข์คือความหิวก็หายหิวมีทุกข์คือความหนาวก็หายหนาวผู้มีทุกข์เพราะความร้อนก็หายร้อนมีความทุกข์เพราะกระหายก็หายดับกระหายได้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นผลของ ทา น, นั้นทานนี่จึงเป็นเรื่องกับเรือที่นำออกจากทุกการให้ทานเช่นกับความกล้าในสงครามเพราะอถ า, าว่าเป็นเครื่องปลอบใจบรรทากเป็นเครื่องที่ทำให้อบอุน่นใจเหมือนกันการให้ทานเป็นเหมือนกับบ้านเมืองที่ปรับปรุงตกแต่งดีแล้วเพราะป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงการให้ทานเช่นกับดอกบัวดอกปทุมเพราะไม่ติดเปื้อนด้วยมนทินความเศร้าหมองมีความตรหนีเป็นต้น การให้ทานเนี่ยเป็นเช่นกับเช่นกับอะไรเช่นกับไฟเพราะเผากิเลสทั้งปวงได้การให้ทานเช่นกับอสสรพิษให้ยากว่างั้นเถอแหมไอจิตที่คิดจะให้เสมอกัรใจที่อยากรบว่างั้นเธอมยากพอๆกันนะเปนวันวันหนึ่งที่น้อมไปเพื่อจะให้เนี่ยแหมมันยากมากมันทานนั้นจึงเช่นกับอสสรพิษเข้าใกล้ได้ยากทานเช่นกับราชสีหรือสีห์เนี่ยนะเพราะไม่สะดุง้ง ทานเป็นเช่นกับช้างเพราะเป็นสิ่งที่มีกําลังทานเนี่ยเป็นเช่นกับวัวเผือกเพราะเป็นมงคลเนี่ยนะเพราะอะไระทานนันจะใช่ไหมการให้ทานนี้เป็นมงคลการให้ทานเนี่ยเป็นมงคลอย่างยิ่งเช่นกับม้าพราหกเพราะให้ถึงภาคพื้นแห่งความปลอดภัยนะก็คือทําให้ถึงที่กเกษมและปลอดภัยทานย่อมให้สักกะสมบัติในสวรรค์โลกเนี่ยนะนะท้าสักกะทั้งหลายเนี่ยนะ ปุรินทธาก็คือผู้ที่เคยให้ทานมาในการก่อนจึงได้เป็นท้าวสักกะเนี่ยนะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้มีบุญเป็นผู้ที่มีความเจริญก็เนื่องจากว่าให้ทานมาก่อนนั่นแหละทานนี้ย่อมให้มานสมบัติพยมานที่ว่าเก่งกาจสามารถเหลือเกินมีอำนาจเรียกไพร่พลได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็เนื่องจากว่าให้ทานมาดีแม้แต่ผู้ที่ไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยนะอันหนึ่งสำคัญก็คือการ ให้ทานเนื่องจากว่าให้ทานมาดีนั้นจึงได้เกิดในพรหมสมบัติแม้แต่พระเจ้าจากักรพรรดิในลูกนี้ผู้มีอำนาจผู้มีความยิ่งใหญ่จริงๆก็เกิดจากการให้ทานสาวกบา ร, รมีคือพระพระพุทธพระสารีบดีก็ให้ทานมาพระโมคขาลานะพระมหากัะสปะพระอานนทพระอนุรธุธะท่านเหล่านั้นที่ถึงความสูงสุดด้วยบุญบา ร, รมีของท่านท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่ให้ทานมาพระประเจกข พ, พุทธเจ้าท่านก็ให้ทานมา แม้แต่อภิสัมโพทิยาณพระพุทธเจ้าก็ให้ทานทานของพระองค์นั้นแบ่งเป็นทานบารมีทานอุปปารมีและก็ทานปรมัทธปารมีมหาบริจักห้าทานบารมีเน้นอะไรวัตถุนอกตัวทั้งหมดเป็นกลุ่มวัตถุแห่งทานบารมีถึงกับยอมสูญอวัยวะออกไปเป็นทานอุปปารมีถึงกับสละชีวิตให้เป็นทานปรมัทปารมี แล้วตั้งอาศัยฐานะเจตนาที่ให้ขอทานอันนี้จงเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยให้บรรลุสัมโพธิญาณด้วยเธออภิสัมโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเธอไปบางแห่งเนี่ยนะเขาเวลาเขาให้ทานบอกสุธินางวัตะเมทานางอาสวะขยวหังโหตูเขาบอกว่าทานที่ขพเจ้าได้ให้ดีแล้วนี้จงเป็นไปเพื่อให้สิ้นอาสวะ สุธินังวัตเมทานังนีนะนะสับพาทุกขาปรมุนเยทานที่ขพเจ้าได้ให้แล้วนี้ขอจงเป็นปัจจัยให้ขปเจ้าพ้นจากวัตทุกขทั้งปวงเหมือนะสุธินังวัตเมทานังนิพานะปะจัจโยโหตนะูขอทานที่ขพเจ้าได้ให้แล้วนี้จงเป็นไปเพื่อพระนิพานเนี่ยนะเป็นปัจัยให้ทําให้แจ้งแทงตลอดพระนิพานานั้นการให้ทานนั่นจึงทํา เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ประสบความสาเร็จมีความสำคัญทำให้ได้ออให้ทานอย่างสมัยใหม่ในแะม้แต่ใครจะไปไหว้สังเวชนิยสถานถ้าอาดีตไม่เคยให้ทานมาดีก็ยากนะที่จะได้ไปมันยากตั้งแั่คิดจะไปลแล้วก็ว่านะแม้คิดว่าจะได้ไปยังยากจากลาวไปยายถึงได้ไปจริงๆงมันก็แล้วแต่ว่าผลบุญเก่ามาเหมือนกันนะแต่ก็พวกไม่มีบุญก็ไม่แน่นะถึงเกิดแถวนั้นก็ไม่มีสัท ย, ย์ทั้นแหละ เพราะอะไรเพราะไม่มีบุญเพราะไม่ได้สั่งสมศรัทธามาเป็นต้นอันการให้เนี่ยจาเป็นมากมันผู้ที่มาฟังธรรมเนี่ยนะมาไปเถอะเพื่อนไปฟังธรรมบอกฉันจะไปฟังได้ยังไงฉันต้องทํามาหากินหะ น, น, นักที่สุดแม้กระทั่งว่าถ้าไม่ถ้าไม่ทําเช้าเย็นก็ไม่มีทานถ้าไม่ทําเย็นชเช้าอีกก็ไม่มีไม่มีใจรับประทานเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยแบ่งเวลาทําอะไรไม่ได้เรียกว่ารัดตัวไปหมดเลยนะมีใจสูงสูงต่ําๆขึ้นตรงต่อสิ่งอื่นๆมากมาย ก็แล้วว่าถ้าทําบุญมาน้อยเนี่มันเดือดร้อนเนี่ยนะมันเดือดรอ้อนจริงๆอ่ะนะจะให้ทานก็ยากจะรักษาศีลก็ยากจะเจริญภาวนาอยากจะฟังธรรมเกิดจากอะไรก็ยากไปหมดเลยอันคนที่ไม่มีบุญเนี่ยทุกแพ้วหมนั้นอ่ะนะจริงก็ทุกเพราะไม่ได้ให้ทานมาดีนั่นแหละเนี่ยนะทีนี้ในขณะเดียวกันนะ่ะทําเป็นเหมือนสันโดษนะอุย้ยฉันไม่สนใจดอกบุญประเภทให้ทานอนะ่ะฉันเอาภาวนาอู้เหมือนกันะนะนะนะนะที่ไหนไดไม้มีอะไรจะให้นั่นเอง นะทำเหมือนกับว่าทีอไหนมีรายร่องเทียที่โมไปอย่างงั้นแหละมันทานเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากอนะเป็นตัวที่อุปการะเกื้อกูลเนี่ยนะเป็นตัวที่เกื้อกูลทําให้ชีวิตรุ่งร่มเย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนเนี่ยนะแล้วก็อย่างว่ามันอยู่ด้วยผลบุญจริงๆสัตว์โลกเนะี่ยมันสมบัติในโลกเนี่ยเป็นของคนมีบุญคือคือของคนมีบุญนะทำของหายมันยังไม่หายเลยเอาไอ้คนหมดบุญเนี่ยอยู่ไว้ที่บ้านเขาก็มาปล้นเอาไป แั้นก็อย่างนี้มันก็เป็นของคนมีบุญมันแต่ว่าทานจะดีจริงก็ต้องท่านแสดงเรื่องศีลต่อไปข้างหน้าว่าคนที่จะให้ทานเนี่ยนะถ้าคนให้มีศีลกับคนให้ที่ไม่มีศีลอันไหนจะได้บุญมากกว่ากันอันนะคนให้ที่คนที่ให้เนี่ยนะเป็นผู้มีศีลเนี่ยได้บุญมากให้กับคนมีศีลกับให้กับคนทุศีลอันไหนได้บุญมากกว่ากันให้กับคนรักษาศีลคนมีศีลเนี่ยได้บุญมากกว่า ทานที่ได้มาโดยชอบธทำกับผิดรำเนี่ยนะหมายความว่าวัตถุนั้นได้มาเพราะรักษาศีลกับเพราะเสียศีลได้มาวัตถุนั้นอันไหนจะทําเป็นปัจจัยให้ได้บุญมากกว่ากันปลื้มใจมากกว่ากันก็ของที่ถูกได้มาอย่างถูกต้องนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ให้อ น, นะถ้าเป็นคนมีศีลการให้นั้นก็เป็นการให้ที่มีผลมากและมีอันนี้ส์มากของที่ให้ถ้าได้มาโดยอาชีวะปริสุทธิ์ที่ศีลก็เป็นของที่มีผลมากอันนี้สูงมากแม้แต่ผู้รับเนี่ยนะก็ ถ้าจะรับทานก็ผู้นั้นก็จะมีผลมากมีอนิสงฆ์มากนี่ต่อไปแล้วส่วนศีลน่ะตัวศีลเองดียังไงทำไมจึงยกคุณภาพให้ทานนั้นน่ะเป็นทานที่มีผลมากมีอนิสงฆ์มากานะคุณานุภาพของศีลเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะ เ, เขาบอกว่าผู้มีศีลถ้ายิ่งมีศีลเท่าใดให้อา่าทำบุญให้ทานยิ่งมีผลเท่านั้นเพราะฉะนั้นบางคนบอกอ้หาพระที่เป็นนาบุญทาดียากเหลือเกิน บอกคุณแต่งตัวคุณเองให้มันทำบุญให้มากๆอย่างกระถางกันถามว่าภาษาดิบบทให้ทานพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้ทานกับภาษาริบตรใครได้บุญมากกว่ากันพระพุทธเจ้าให้ภาษาริบุตรได้บุญมากกว่าเพราะว่าบุญมากบุญน้อยอยู่ที่ศรัทธาบุญมากบุญน้อยอยู่ที่ปัญญาบุญมากบุญน้อยอยู่ที่ศีลพระท้งผู้ให้มีศีลอย่างเช่นพระเวสสันดรบุญท่านก็ไม่น้อยนะเพราะท่านเป็นผู้มีศีลเนี่ยนะผู้ที่มีศีลเนี่ยนะปรารบศีลของตัวเองแล้วก็บอกว่าเพื่อประดับศีล ให้ศีลมีคุณค่านะเพื่อชำระ จ, จิตให้ปราศจากความเศร้ามองการให้เหล่านั้นก็จะเป็นการให้ที่มีผลมากมีย น, นิสงมากและขณะเดียวกันเนี่ยศีลก็มีประโยชน์อย่างมากเพราะศีล น, นี้เป็นที่พึ่งอนะที่พึ่งอื่นเช่นด้วยกับศีลไม่มีรอกสมมุตินะเอา้าถ้าเราไม่ได้รักษาศีลข้อที่หนึ่งมาดีเนี่ยนะเขาไม่ค่าเราก็ตายบ้านเมืองไม่ต้องมีสงครามรบแผ่นดินมันถล่มมาทับตายเองแหละนะใช่ไหม อย่างประเทศบางประเทศตอนนี้โอ้โหบางประเทศไม่ต้องยกเครื่องบินอะไรไปตีทัพหรอกแผ่นดินมันก็สุดทับตายเอ ง, อ ง, น, งน่นแหละฟังกันเถอะท่านถ้าศีลไม่ดีเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ตายเพราะอะไรเพราะว่าอศีลเนี่ยเป็นเป็นเหตุให้ชีวิตมีอายุยืนยาวศีลข้อที่หนึ่งนะเป็นเหตุให้อายุยืนยาวศีลข้อที่สองเป็นเหตุให้ทรัพย์สินอยู่รอดและปลอดภยัยศีลข้อที่สามเป็นเหตุให้ไม่มีคู่เวรและไม่มี ศัตรูเนี่ยนะไม่มีคนรังเกียจเดียดฉันสีนข้อที่สี่ก็ทุกคนก็พูดไพเราะกับเราพูดแต่คำสั์คำจริงเป็นต้นกับเราสีนข้อที่หเป็นเหตุให้มีสติและมีปัญญาให้เป็นผู้ที่ถึงความเฉลียวฉลาดเนี่ยนะก็ทำให้เป็นผู้มีสติปัญญาพรันอะไรจะดีหนึ่งชีวิตอายุยืนสมโภคะยั่งยืนสมไม่มีศัตรูสี่ทุกคนพูดเรากับเราดีหมดเลยห้าฉลาด อะไรจะวิเศษเท่านี้อีกแล้วเนี่ยนะมันชีวิตใครได้ขนาดนี้ก็เป็นชีวิตที่พิเศษแล้วเป็นชีวิตที่น่าอัศจรรย์แล้วเพราะศีลเนี่ยจึงเป็นที่พึ่งอย่างแท้จริงอ่ะนะช่วยนะนะไม่ต้องมีองค์ครรภมาปกปากรักษาก็อายุยืนยาวถ้ารักษาศีลไวด้ดีแต่ถ้าหมดบุญเมื่อไหร่ก็อย่างว่าอะไรสำลักน้ําลายอย่างนั้นเถอะหนักๆเข้าที่ไหนได้สำลักน้ําลายเข้าห้องน้ําแล้วก็ลืน่นแผลอย่างเงี้ยหมดสภาพเลยอย่างเงี้ยมันก็ว่า กูสาจอรถไปเปิดประตูรถอย่างวิ่งมาชนตัวเองตายเลยนะก็แล้วแต่บุญเหมือนกันนะถ้าอายุมันจะสั้นเนี่ยลําบากเงินที่เขาเล่าอ่ะไอไอตามถนนหนทางเนี่ยนะนึกถึงไปอินเดียนึกถึงไ อ, ไอแบบคนที่ไปนั่งถ่ายอุจระข้างทางอนะทีเนี้ยถ้าไปถ่ายที่อินเดียเขายัางชั่อถ่ายบ้านเราดนะ้วยมีคนคนหนึ่งไปถ่ายอุจจาระอยู่ข้างทางแล้วรถมันสวนกันมาแล้วตกไปชนตรงนั้นพอดีเลยเป๊ะเลยนะบอกโอ้ขนาดนี้ก็มียายคนหนึ่งกน็นั่งตำห ม, มากอือ่นั่นอนะ่ะที่บ้าน ไอ้โดดร่มคนหนึ่งทหารโดดร่มโดมโดแล้วร่มไม่กางกล้ตกใส่หัวยายตายอีกพะลุถังกระสีมาตกไปยใส่หัวยายตายอีกมันก็อย่างนี้แหละเนี่ยนะก็เอาจนได้นะเอาจนชีวิตไม่รอดอย่างบางคนเนี่ยไม่ค่อยออกบ้านเลยนะวันดีคืนดีกวนกวายออกไปให้รถชนตายยังไงก็มีเพราะฉนนั้ศีนเนี่ยนะมันเป็นเหมือนกับเกราะเป็นเหมือนกับที่พึ่งจริงๆพมันถ้ารักษาศีลไม่ดีเนี่ยชีวิตจะยืนยาวได้ยังไง รักสินจะยั่งยืนได้ยังไงจะไม่ให้มีศัตรูได้อย่างไรใครเนอจะมาพูดดีพูดจริงกับเราแล้วก็ใครเนอที่แล้วเราสติปัญญาโดยเฉพาะปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่หาค่าไม่ได้เพราะฉะั้นถ้าเราถ้า ท, ทำยังไงให้ปัญญาของเราเฉลียวฉลาดนั้นก็การรักษาศีนเนี่ยช่วยให้เรามีปัญญานะโดยเฉพาะศีลข้อที่ห้าเนี่ยนะไม่ติดสารเสพติดอะไรเป็นต้นก็เป็นเหตุให้ต่อไปก็สติปัญญาเฉลียวฉลาดเนี่ยนะ ันผู้ที่มีปัญญาก็สามารถมีชีวิตยืนมีโภคะยั่งยืนเป็นต้นนั้นปัญญาอาศีนเนี่ยสำคัญกับทุกเรื่องอนะเจตนาที่เว้นจากความชั่วแล้วก็คำศีลเนี่ยทั้งจารีตศีลด้วยนะรวมทั้งว่าถ้ามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็บํารงและอุปถักเป็นอย่างดีอันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นเหตุให้ได้รับความสุขและความเจริญก็บอกว่ายิ่งยิ่งทําบุญกับพ่อแม่ด้วยเนี่ยนะสมมติว่าผู้ที่มีพ่อมีแม่เนี่ยนะ แล้วก็พ่อแม่ท่านบอกว่าพ่อแม่บางคนบอกอุยพ่อพ่อแม่ชั้นเนี่ยเลวเลวสุดๆเลยนะสรุปว่าเลวมากบอกว่าท่านเลวขนาดไหนก็ช่างเถอะถ้าฆ่าก็อนันตริยกรรมโทษก็เท่ากับฆ่าพระอารหรันตะ์เห็นไหมเพราะานั้นท่านจะเป็นศัตรูมาฆ่าเราแล้วเราฆ่าท่านตอบนะก็ฆ่าพระเท่ากับฆ่าพระอารหันต์อีกอยู่ดีเพราะเป็นอนันตริยกรรมเพราะฉะนั้นท่านจะอยู่ในฐานะใดก็ทั้งท่านก็คือ นาบุญของเราท่านท่านก็อยู่ในตําแหน่งอรหันต์ของเราผู้ที่อนะสมควรแก่เครื่องสักการะบูชาเพะันผู้ที่เป็นพ่ อ, อถ้าจะทําบุญเนี่ยนะสมัยพุทธกาลก็มีมีคนพราหมณ์คนหนึ่งเนี่ยไปทําบุญกับผู้เท่เจ้าพระองค์บอกว่าอ้าวเนี่ยทำไมไม่ทํากับพระอรหันต์ที่บ้านละ่ะบอกที่บ้านไม่มีเอากับพ่อแม่ของเธออยู่อดอยากแล้วไงพั้นก็พ่อแม่นั่นแหละก็เป็นนาบุญชั้นดีแล้วเนี่ยนะทำไมยังนึกข่าว เพราะว่าเขามาทําอะไรกับพ่อแม่แนละ้แปบ๊บเดียวเดี๋ยวผลนนะ่ะทำยังไงมันก็จะได้คล้ายๆแบบนั้นด้วยนะมันแปลกใจมีอยู่ปีหนึ่งมีคนคนหนึ่งเขาก็บอกอ้าวเขาออกทุนให้ไปทําบ้านให้พ่อท่านกันแล้วกันนะบอกว่าได้ข่าวว่าตอนนี้มันผุแล้วเราท้าไปดูดูแลให้หน่อยแล้วกันฮนะล้วก็ไปไปดูแลพอทําบ้านเสร็จโยมก็ทํากุฏิตรงนี้ให้พักเลยแล้วก็ที่ที่อื่นอีกนะ บอกว่าปีนั้นมีกุฏิเกือบสี่หลังอ่ะปีเดียวว่างั้นนะแต่นั้นก็บอกว่าปีเดียวนะว่าเพิ่งทําบุญเสร็จ น, น, นะกันแป๊บเดียวก็เอาแล้วแต่ผลบุญเหมือนกันนะถ้าหากว่าแต่ก็เชื่อนะว่าทํากับพ่อแม่นะทําอะไรก็ได้ถ้าทําบาปกับพ่อแม่เดียวทําใจอีกเหมือนกันก็มาเลยรู้จักมีคนอยางคนหนึ่งพยายามคดโกงสมบัติพ่อแม่ทุกกระบวนการในที่สุดเนี่ยนะไม่มีแผ่นดินจะอยู่เขาว่างั้นนะทเที่ยวตรอนไปอยู่ตรงนั้นทีเที่ยวอยู่ทั้งๆ ท, ที่เป็นคนที่เคยมีทรัพย์มาก แต่นักที่สุดเนี่ยเพราะความที่ทํากับพ่อกับแม่ให้ครูอย่างโยมคนหนึ่งบางคนเนี่ยอู้หสมัยเป็นวัยรุ่นสมัยหนุ่มๆเล่นงานพ่อแม่ถ้าอ้วมออรทัยหมดอายุมากนะโอยลูกคือตัวเองทํากับพ่อแม่คนเดียวใช่ไหมตัวคนเดียวแล้วลูกมาทํากับตัวอีกสี่ห้าคนอย่างเงี้ยนะเพราะมีลูก4ี่ห้าคนแต่ละคนเนี่ยมาสร้างความเจ็บปวดให้ทุกคนเลยนะคูณ4ีคูณหแล้วไม่ได้ทําวันเดียวเนี่ยมันทำทุกวันนะผัดหน้าเรียงหน้ากันมาทํากับตัวเองเพราะพ่อแม่เนี่ยสำคัญมากเลยนะ ก็คือท่านอยู่เนละเป็นฐานะเป็นผ่าทหารการปรนิบัติการอุปถาทท่านก็นับว่าเป็นศีลเป็นที่พึ่งเนี่ยนะแม้แตพ่พระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ก็สร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าถ้าพระองค์ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ของพระองค์มาในอดีตพระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมเป็นไปได้ไหมเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ทีนี้ถามว่าโดยรวมแล้วปกติในโลกเนี่ยใครจะช่วยเหลือเราที่สุดเท่าทเทียบกับคนอื่นทั้งหมดเนี่ยนะถ้าเทียบกับพ่อแม่ จำนวนว่าเลี้ยงอุดเรียกว่าล้างอุจจาระปัสสวะทั้งหมดนะสิ่งใดที่คนทั่วไปควรจะรังเกียจพ่อแม่ก็ไม่ได้มีความรังเกียจเลยเนี่ยนะนะวันที่ทําได้ทั้งหมดนั้นอ่ะท่านพ่อแม่นั้นจึงเป็นนาบุญที่สุดของลูกแล้วแต่อย่าลืมว่าถ้าพ่อแม่ท่านมีคุณสมบัติเช่นกับพระอรหันต์จริงท่านก็ไม่เป็นเพราะท่านก็ไม่มีลูกหรอกเช่เอะแต่คือนี้ว่าท่านก็ไม่ได้ดีวิเศษวิโสท่านเราก็ไม่ต้องไปเทียบท่านกับพระพุทธเจ้านะท่านเลี้ยงดูเราแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญหนนัักหาาแล้้วว่งน ไม่ต้องไปร้องเรียกเอาอะไรจากท่านอย่างอื่นอีกไม่ต้องที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะตอบแทนเนี่ยนะขณะเดียวกันเนี่ยเราทํากับท่านก็เป็นบุญของเราทุกครั้งที่เราทําไปเนี่ยนะพูดอย่างนี้เราก็พยายามว่าทํายังไงจะทําบุญกับพ่อกับแม่แม้กระทั่งสายพร ะ, ะฝ่ายพระภิสุทั้งหลายก็เหมือนกันของเนี่ยถ้าเรามีให้คนอื่นอย่างบางทียังมีความผิดเลยะนะถ้ามีข้าวมีของบางอย่างนะให้ผิดคนให้ผิดเวลาให้ผิดอะไรให้แล้วยังมีความผิดนั้นะไม่ใช่จะได้บุญนะ เสียศีลหนีต่างหากผิดพระวินัยตั้งหา ก, า ก, ตหากแต่กับพ่อกับแม่ไม่มีข้อยกเวน้นปกตินี้อาหารเนี่เข้ามาถวายถ้าพระยังไม่ได้ฉันเนี่ยให้ใครก่อนเนี่ยโดยรวมแล้วไม่ได้เว้นไม่แต่สละบอกว่าไม่เอาละปฏิเสธแล้วไม่เอาละแต่บอกว่าหยิบไปเยี่ยวเที่ยวให้คนอื่นเขาเรียกว่าทําศรัทธาไทยให้ตกอย่างเช่นว่าเอาโยมเอาของคนหนึ่งเอามาถวายคนหนึ่งเราก็ยื่นไปให้อีกคนหนึ่งเอาไปอย่างเงน้ะไอคนที่ให้ก็เสียความรู้สึกเหมือนกันนะก็าเรียกว่าทําศรัทธาให้ตกเขาบากงั้น อันนี้ก็เหมือนกนารพันถ้าหากว่าแต่แับกับพ่อกับแม่ท่านไม่ถือนะถือว่าไม่มีความปิดให้ได้เลยอะไรพันทางพระพิสุอ่าพระพุทธเจ้าเองก็ได้ข่าวว่าพระพิสุเลี้ยงดูพ่อแม่พระองค์ก็อนุโมทนาพระองค์ก็สรรเสริญเนีน่ยนะยกย่องพระองค์ก็สนับสนุนด้วยซ้าไปเนี่ยนะสนับสนุนนั้นบินธบาดได้มาให้พ่อแม่ทานก่อนเหลือเท่าไหร่ตัวเองค่อยฉันเน่นะบางองค์ก็ทําอย่างนั้นบางองค์งงงสมัยก่อนก็บอกว่าไปไปได้ผ้ามาได้ผ้าอย่างดีไปให้พ่อแม่เอาผ้าเก่าพ่อแม่นั่นแหละ มาเย็บมาย้อมแล้วก็มาใช้แทนเนี่ยก็ใช้ผ้าเก่าๆไปซึ่งไม่ได้ผิดอะไรเนี่ยนะเพรันแต่ถามว่าอาการทํากับพ่อแม่เนี่ยเสียเวลาเลยใช่ไหมบอกไม่เสียหรอกนั่นแหละเป็นนาบุญเคยมีบางคนมาปรึกษาเนี่ยนะเขาเนี่ยมีภาระมากเขาไม่มีเวลาเรียไม่เวลาศึกษาธรรมะเลยเขาบอกงั้นแต่เขาอยากจะมีเวลาศึกษาธรรมะแต่เขาไม่มีใครอยู่กับแม่เขาปรึกษาว่าเขาจะมาเพาะให้ไปบวชชีเอาไหมเหมั้น ดีไหมเขาจะไปบวชชีนะเขาอยากจะเรียนธรรมะมากก็บอกว่าคุณเลี้ยงดูพ่อแม่ของคุณต่อไปเถอะมันดีที่สุดแล้วคุณไปบวชชีเดี๋ยวคุณไปนั่งช้าใจอยู่ที่วัดบอกเอ้ยพ่อแม่แล้วใครจะเลี้ยงอะไรน่ะนะนะทีนี้กะชีก็ไม่ใช่โยมก็ไม่เชิงอายุวัดก็ห่วงบ้านอายุบ้านก็ห่วงวัดมันครึง่งไม่รู้ว่าคนหรือพระกะ็หรือชีก็แน่น่ะนะมันก็ครึ่งชีครึ่งชาวบ้านไม่รู้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นสัตว์ประหลาดชนิดหนึ่งเงี้ยนะจิตใจที่ว้าวุ่นอยู่อย่างนั้นแหละ ท่านก็จารีตเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญมากขณะเดียวกันเนี่ยเราก็แบ่งเวลาสิก็บ่งเวลาจะเลี้ยงดูพ่อแม่ขนาดถึงกระป้อนข้าวป้อนน้ําท่านมาละยี่สิสี่ชั่วโมงที่ไหนมันก็แบ่งเวลาออกมาได้เนี่ยนะนก็แบ่งเวลาในการศึกษาพระธรรมได้ปัญหาว่าถ้าเราเห็นว่าศีลก็สําคัญพระธรรมก็สําคัญเราก็แบ่งพระพุทธเจ้าสอนทั้งทานศีลแลย ภาวนาทำยังไงจะได้ทั้งทานด้วยไม่เสียทานด้วยไม่เสียศีลด้วยไม่เสียภาวนาด้วยตัวไหนพอจะเจริญได้ก็เจริญไปตัวไหนพอจะปฏิบัติได้ก็ทำไปตามการละอันสมควรอย่าไปหาเหตุหาผลจนแค่เรียก ว, ว่าไม่มีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำขณะที่ให้ทานอยู่ก็ห่วงภาวนาห่วงที่ไหนก็ไม่รู้ขณะที่ไปเจริญภาวนาก็กลัวไม่ได้ให้ทานบางทีมาเรียนธรรมะก็ห่วงว่ามันไม่ได้ให้ทานไอตอนให้ทานก็ห่วงเรียนธรรมะอมเอางไงกันแน่ ก็แบ่งเวลาให้มันเป็นสิอะไรควรทําอะไรอะไรค่อควรทําก่อนควรทําหลังวันหนึ่งท่านไว้ให้เวลาตั้งยี่สี่ชั่วโมงเลยนะมีเวลาให้ตั้งยี่สี่ชั่วโมงถ้ามีทำไม่ยากรองเนีย่ยนะมีศรัทธาจะทําหรือเปล่าแค่นั้นแหละแต่ขณะเดียวกันก็แบ่งเวลารู้จักแบ่งรู้จักทบทวนพระพุทธเจ้าก็สอนว่าทานที่มีผลมากเมียนิสงมากก็คือทานที่ประกอบด้วยปัญญาการรักษาศีลที่มีผลมากเมียนิสง์มากก็เพราะรักษาศีลและประกอบด้วย ปัญญาทำอะไรถ้าประกอบด้วยปัญญารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้ชุมชนรู้บริษัทอันรอบรู้เข้าใจในหลายๆอย่างอสิ่งนั้นนะ่ทำแล้วไม่ผิดทำแล้วมีผลมากทำแล้วมีอันนี้สองมากเลยนะแปล ว, ว่ากําไรดีวย่างนั้นเถอะทำในสิ่งที่ไม่ผิดทำในสิ่งที่ไม่พลาดบางโคนอนะอตอนพ่อแม่มีชีวิตอยู่ไม่สนใจไปทําอย่างอื่นพอพ่อแม่ตายไปทํำท่าจะสํานึกบุญคุณเนี่ยนะ ก็เลยทําอะไรได้คนนี้ไปคุยกับกระดูกรู้เรื่องไหมกระดูกจะไปอะไรเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าเอาเอางี้ละกันให้พ่อแม่ตัดผมมาให้เราแล้วเราทําบุญกับผมท่านดูสิมันจะได้ประโยชน์ตรงไหนมัทนท่านสิ้นชีวิตไปแล้วแทบทําทอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าท่านยังไงท่านไม่อยู่กับกระดูกแน่นอนใครจะไปอยู่กับกระดูกรึไหมสังเกตดูเราเนี่ยล้างเหงือ่อล้างใครทิ้งไปแล้วเราจะอยู่กับเหงื่อใครไม่หรอเราก็ไม่อยู่เพรากระดูกทั้งหลายที่ท่านทอดทิ้งไว้ก็เหมือนกันนั่นแหละมันจะม่อะไรเหมือนท่านตัดผมทิ้งเอาไว้แล้วจะไปอะไรเพราะ ท่านเช้นชีวิตไปแล้วจะไม่มีอะไรทั้งนั้นส่วนตัวเองนี่ก็เลยคิดบอกเออเนี่ยตอนที่มีท่านยังมีชีวิตอยู่นะเราจะช่วยท่านเต็มที่เลยวันนี้จะไปละเยี่ยมพ่อพูดเสร็จแล้วไปเลยทัตนต่อไปนั้นศีลเนี่ยนะจึงสำคัญนะทั้งจารีตศีลแล้วก็วาเรตศีลเนี่ยนะทั้งศีลเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สำคัญที่เราควรจะทำ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 โทรศัพท์มากใช้อะไรมากก็เลยเหมือนก็กดปุ๊บปุบได้ปั๊บเลยนะ ถ, ถ้าไม่เคยทําเหตุมาก่อนมันไม่ปั๊บขนาดนั้นรอกแต่ถ้าทําบุญมาดีจริงก็ไม่ใช่ปัญหาละว่างั้นเถอะแต่เนี้จริงๆถ้าทําบุญมาดีนะเหมือนเจ้าของสวนนะเป็นเจ้าของสวนไปแล้วเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยมัอยากหิวก็ได้ทานเป็นต้นมันก็ต้องพอเพาะเมล็ดพผุ่์คนที่เป็นเจ้าของสวนเนี่ยนะก็พเพาะเมล็ดมาเป็นอย่างดีแล้วเพาะปลูกมาเป็นอย่างดีแล้วจึงได้บริโภคใช้สอยเป็นอย่างดี เน่ะพี่ที่มีอุดมสมบูรณ์เขาทาเหตุมาดีศีนี่จําเป็นเครื่องเปราะเครื่องป้องกันเป็นที่อาศัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้าศีเลนะสุขติยันติใช่ไหมคตศีนเนี่ยเป็นคติเพราะคนที่มีศีลระลึกถึงศีลไปแล้วก็พบต่อไปก็ไปดีศีนเนี่ยเป็นเครื่องคําจุนเป็นเครื่องคอยอุปธรรมคําจุนเนี่ยนะอุปธรรมให้ยังไงให้ไม่ไปสู่อบายทุกขติวินิบาต ยามที่ใจเศร้าหมองก็เ น, นื้อขึงศีลโครจรไปในศีลที่เคยรักษาเนี่ยนะอย่างใครที่สมาทานศีลไว้เยอะๆเออทุกวันพระเราก็สมาทานอุโบสถทุกครั้งเลยอย่างไงนีะ้ใช่ไหมเอาแนละ้วปีหนึ่งแม้ทั้งปีเลยขาดอุโบสถอยู่แค่ครั้งหนึ่งแสดงว่าโอ้โหเนี่ยวันที่เท่านั้นวันพระเราก็สมาทานศีล น, นั่งนึกปีหนึ่งอ่ะสมาทานศีล น, นั่งเป็นยี่สิบห้าสิบครั้งก็มีเนีย่ย อาสมาทานศีลห้าวันสมาทานเช้าสมาทานเย็นบางคนสมาทานกลางวันวันละสามรอบโอปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าคูณามเข้าไศีนเนี่ยตังเยอะแยะแต่ละข้อ น, นี่ราคาเท่าไหร่อ่ะถ้าเป็นสิ่งที่ครูควรแก่สวรรค์สมบัตินิพานสมบัติก็เป็นสิ่งที่มีราคาหาประมาณไม่ได้มีราคาเยอะแยะไปหมดนั้นถ้าเรารักษาศีลไว้ดีนึกแล้วก็ปลื้มใจเนี่ยนะนึกแล้วก็ปลื้มใจที่เครียดฟุ้งลำคาญเป็นต้นก็หายและเพราะมีเครื่องปลื้มใจศีล น, นั้นจึงเป็น รัตนะเนี่ยนะเป็นเครื่องคอยคำจุนอุดหนุนทําให้ชีวิตประสบแต่ความเจริญแต่ถ้าทําศีลมาไม่ดีรักษาศีลมาไม่ดีเดี๋ยวก็ผวาเขาจะวัวสันหลังวะศีลขาดก็เหมือนกับตามตัวที่มีแต่แผลเป็นนั่นแหละไม่ใช่แผลเป็นแบบเนี้ยแผลเป็นก็แปลว่าแผลยังไม่หายอย่ะนะมันยังเป็นๆอยู่เลยนะนอนยังชอนยังตามชอนตามใช้เลยแหละถ้าอย่างนั้นก็เดือดร้อนแน่ความหมายของอัตมาไงแผลมันยังเป็นอยู่มันยังไม่ตายอ่ะนะยังเป็นอยู่ตรงนั้นแหละอนะี มันยังรักษาไม่ได้ยังยังแผลเป็นแผลสดอยู่เลยเหอหรอไหมมันถ้ายังเป็นแผลสดเนี่ยทํายังไงดูอ่ะเชื่อเหอคนที่เครียดเครียดทั้งหลายนะถ้ารักษาศีลมาเยี่ยมไม่เครียดหรอกไอ้ที่เครียดจริงๆอ่ะปัญหาว่าทํารักษาศีลมาไม่ดีปัญหาที่ตีกลับมาทั้งหมดเลยอย่างสมมติทั้งงานทั้งหลายนะอะไรที่มันตีกลับมาแสดงว่าบริหารจัดการไม่ดีอย่าไปโทษผู้รับปโทษอะไรที่ไหนหรอกที่จริงอ่ะตัวนี่แหละทําไม่ดี นะครับพอแค่ว่าผ่านตัวเองไอ้เครื่องกรองไม่ดีเขาเลยจะยกเครื่องกรองทิ้งแหละว่า ง, งั้นเถอะชั้นใดสิ่งที่เราทําก็เหมือนกันถ้าสิ่งนั้นเราทําผิดทําพลาดทําไม่เหมาะทําไม่ควรทําไม่พอสมมันตีกลับไปโทษผู้ตรวจไม่ได้นี่นะ ก, ก็ต้องโทษเราทั้งหลายเพราะฉินเนี่ยคาว่าศินเนี่ยนะไม่ได้หมายคำว่านั่งหลับตาปานาตาิตาตาแล้วเป็นศีนนะเพราะฉินแบ่งทั้งจารีตและวารีตศินเนี่ยนะแบ่งทั้งจารีตและวารีตศีน การประกอบอาชีพเป็นศีลไม้แป้นเป็นสัมมาชีวาเราก็ปรารบสิถ้าอาชีพที่เราทําไม่ดีแล้วเราจะมานั่งยิ้มแป้มเป็นไปไม่ได้เราเนี่ยนะเพราะถ้าหากว่าเราประกอบอาชีพผิดพลาดทําจัดการงานอากูลปฏิกูลอากูลกับปฏิกูลมีความหมายเหมือนกันอากูลนะอาเนี่ยเป็น อ, อาเนี่เป็นอาอุปสรรคปฏิกูลก็ปฏิอุปสรรคอากับปฏินี่ความหมายไม่ค่อยแตกต่างกันเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นก็ปฏิกูลก็ทํางานปฏิกูลทํางานอากูลก็คือทํางานปฏิกูลแปลว่าทําเล่เล่เธอเธอทาแล้วก็เช่นทําครัวปฏิกูลนี่เป็นยังไงต้องเช็ดต้องปัดกวาดต้องถูต้องล้างงานที่ทําปฏิกูลล่ะแล้วก็ตามแก้ไปไม่มีจบมีสิ้นคนที่ทํางานอากรูเนี่ยแปลว่าศีลไม่ดีนะะเพราะสัมมาอาชีพไม่ดีเพราะอาการการประกอบอาชีพนี่เป็นศีลอย่างหนึ่งเราตารบว่านี่เป็นศีลของเรานะ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 เขบอกว่าอะไรนะชอบปวดหัวแต่ไปนั่งอยู่แต่ใต้ต้นตาลต้ น, ต น, ต น, ตนมะพร้าวที่ลูกมันดกๆนะแล้วลูกสุกทั้ง น, นั้นเลยนะก็สมควรตกใส่หัวที่หนึ่งก็น่าจะดีใจขอบคุณนะต่อไปจะไม่นั่งอย่างนี้อีกเลยเหมือนกันนะถ้าจะนั่งอีกก็ต้องมีอะไรป้องกันเป็นอย่างดีก็ต้องมีโอกาสทบทวนเนี่ยนะสิ่งที่ผ่านมาน่าจะเป็นวิชาชั้นดีบหมือันเป็นวิชาชั้นดีประสบาการณ์เขาบอกว่าผิดครั้งแรกเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานเนี่ยนะเพราะไม่รู้แล้วผิดถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ารู้แล้วขืนผิดเนนี่ยนะ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 มันก็ทั้งเป็นอย่างเงี้ยศีลเนี่ยสาคัญนะรวมทั้งการประกอบอาชีพการทําบางคนนี่ห่วงเหลือกเกินกลัวจะไม่ได้ไป น, นั่งรักษาศีลเลยทางานบกพร่องเลยนะ <_ s 1> แล้วก็มานั่งสีลใจกลายเป็นว่าคนบ้านก็ไม่ใช่คนวัดก็ไม่เชิงในตรงเนี้ยครึ่งผีครึ่งคนครึ่งบ้านครึ่งโยมครึ่งพระครึ่งเนเนี่ยโอ้ ย, ยุ่งจริงเลยเนะเจะ้าว่าเป็นพระก็ไม่ใช่เจ้าว่าโยมก็ไม่ใช่เจ้ว่าไม่รู้มันเป็นอะไรกันแน่นะพอจะบอกโอ้ยอยู่บ้านก็คุยเหมือนพระพ่ออยู่วัดก็คุยเหมือนโยมเนี่ยนะมันยุ่งจริงๆริงเลยเนะ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 อันนั้นเป็นความขี้เกียจขี้ค้านเนี่ยนะว่าเอ mentor, อเนี่ยช่วงนี้กบมันจำศีลอ่ะม <grande> ันไม่จำได้ย <un border line> ังไงขึ้นมาออกเพ่นพ่านมันก็ตายอ่ะช่วงเนี้ยช่วงไหนกบจำศีลนี่ะจริงๆไม่ได้จำศีลอ่ะอันนั้นจริงๆอ่ะช่วงนั้นเนี่ยมันด้วยปัจจัยหลายๆอย่างแต่ถ้ามันออกมามันตายอย่างเดียวเพราะไม่รู้มจะหลบไปอยู่ตรงไหนอันนะเป็นช่วงอะไรช่วงอ่ะเช่นเดือนเนี้นะก็บอกเดือนนี้เดือนกบจำศีลแล้วก็ลองกบมาวิ่งเพ่นพ่านเดือนนี้ดูสิมันก็เอาถูกไปเผาหมดอ่ะ เพาะมันสีนแบบสินกบสินปลาสินเขียดสินอึงอ่างพวกนี้ไม่ใช่สีนเนี่ยนะนั่นคําว่าสีนนั้นก็คือเจตนารักษาเจตนาเนี่ยนะรักษากุศลรักษาบูนเนี่ยนะอนั้นจึงเป็นสีนมันสีนเนี่ยจะเป็นเครื่องเป็นเหตุให้ได้สมบัติในโลกนี้และสมบัติในโลกหน้าและเครื่องประดับเช่นกับศีนก็ไม่มีดอกไม้เช่นกับดอกไม้คือสีนก็ไม่มีกลิ่นเช่นกับกลิ่น คือศีลย่อมไม่มีจริงอยู่โลกพร้อมทั้งเทวะโลกเนี่ยนะมนุษย์และเทวดาดูแลการประดับด้วยเครื่องประดับคือศีลการตกแต่งด้วยดอกไม้คือศีลเครื่องรูปไร้ด้วยเครื่องรูปไร้คือศีลกลิ่นคือศีลดูคนมีศีลนี่ดูย่อมไม่อิ่มเลยเบื่อที่จะเห็นหน้าพระพุทธเจ้าเคยมีบ้างไหมเป็นตน้นเพราะเนื่องจากอะไรทําไมจึงอยากเห็นพระองค์มากนะอยากเห็นเห็นแล้วไม่เบื่อสันเซอร์แล้วไม่เบื่อเพราะพระองค์เป็นผู้มีศีลเนี่ยนะ แต่ถามว่าท่านต้องอยู่ใกล้คนทุศีนล่ะเอาบอกว่าเจอครั้งเดียวก็เข็ด จ, จนตายแล้วเนี่ยนะที่ทานอยู่เช้าเมื่ อ, นนนอเนาะเช้าค่ำมาจะได้เจอจะได้เจอกันอีกเลยเนี่ยนะมันก็อะไรเพราะว่าคนทุศีนเนี่ยมันสร้างความเดือดร้อนให้ตลอดเดือดร้อนทั้งโลกนี้เดือดร้อนทั้งโลกหน้าผู้ใดเข้าไปเกี่ยวข้องก็มีแต่เดือดร้อนพ่อแม่มีลูกทุศีลลูกก็เดือดร้อนพ่อแม่ก็เดือดร้อนลูกมีพ่อแม่ที่ทุศีนพ่อแม่ก็เดือดร้อนสา ม, มีมีภรรยาที่ทุศีลภรรยาก็เดือดร้อน สามีก็เดือดร้อนสามีมีภรรยาทุศีนสามีก็เดือดร้อนคือเกี่ยวข้องกับคนทุศีนเนี่ยที่ไหนถ้ามีคนทุศีนอยู่เท่นั้นอ่ะนะแล้วถามว่าถ้าหากว่าให้คนทุศีลดูแลการเงินเลยหมดเลยเนี่ยนะอหมดเลยนะหมดตัวเลยนะให้คนขี้เล่าดูแลอะไรนะอะไรดูแลเรื่องทรัพย์เรื่องเสเบียงเนี่ยนะหมดเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นศีนเนี่ยจึงสําคัญมากมันคนมีศีนนะจึงคู่ควรแก่การ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 ให้ทานเนี่ยตัวทานอย่างเดียวถ้าไม่มีการรักษาศีลแล้วไปให้กับคนทุศีลด้วยกันเป็นต้นเนี่ยนะเป็นสปอนเซอร์ให้โจรเลี้ยงโจรทั้งหมดตัวเองก็เป็นโจรแล้วรับเลี้ยงดูโจรด้วยกันเนี่ยจะไปสวรรค์ได้ไหมผมมันยากเหมาอนั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าคนให้ก็ไม่มีศีลคนรับก็ไม่มีศีลเกลือกลัว้วแต่แม้บริจาคให้สมาคมโจรด้วยกันเนี่ยเต็มที่เลยนะมันพันการให้แบบนั้นอนะ่ะมันจะไม่ได้มีผลมากเมียนิสงมาก พันที่มีผลมากมีย น, นี่สองมากเนื่องจากว่าผู้ให้กับผู้มีศีลผู้รับก็เป็นผู้มีศีลพันการให้อย่างเดียวเนี่ยนะโดยที่ให้ตัวเองคนให้ก็ไม่มีศีลคนรับก็ไม่มีศีลไม่ได้แปลว่าต้องไปสวรรค์หมดนะเพราะฉะศีลเนี่ยแหละเป็นเครื่องช่วยให้ทําให้เกิดในสวรรค์เนี่ยนะท่านแต่ถามว่าคนให้ทานก็อย่างว่านะถ้าให้ทานไว้ดีนะถึงไปเกิดเป็นเดาชะฉานก็สบายก็จะมีที่อยู่ห้าสิบล้านเนี่ยนะ มีคนมาคอยดูแลอย่างนี้นะหมีแพนด้าใชนะ่ไหมโอ้ยกว่าจะได้มาได้เนี่ยอันเชิญหน้าดูเลยนัเครื่องบินมีการแถมีการแถนคนที่จะดูต้องซื้อบัตรไปดูแต่เป็นเป็นเองเอาไหมมีบ้านห้าสิบล้านมีคู่มีไม้ไผ่แสนอร่อยให้กินเนี่ยนะทุกวันอยู่อย่างนั้นแล้วก็มีคนมาดูเนี่ยนะเอาไหมอะไรกันนะไม่เอานะนั่นแหละคือผลของทานอย่างเดียวจะเป็นเช่นกับหมีแพนด้าตัวนั้นนะนั่นแหละให้ทานอย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจเรื่องศีลเลยเนี่ยนะเพราะเวลาเกิดก็จะเป็นอย่างนั้นแหละ จะเป็นสัตว์ที่ไมนทุกคนอนุรักษ์มากช่วยกันรักษาดูแลเยี่ยมให้อาหารอย่างอร่อยอย่างอะไรนะเกิดมาเขามีสุนัขตัวหนึ่งเจ้านายรักมากก่อนจะตายทำที่นายกรรมเอาไว้สั่งทนายไว้เบ็ดเสร็จหมดจะต้องจ่ายค่าอาหารให้สุนัขตัวนี้วันละเท่านี้จํานวนเท่านี้อะไรอย่างเง้ยนะก็าตายไปเนะี่ยโอ้สุนัขอินมันจะไปกินเท่าไหร่นะเป็นสุนัขกันนะ ก็อย่างว่าเจมสุนัขมีเงินในบัญชีเป็นร้อยล้านเนี่ยทาอะไรได้ออาเป็นสุนักอย่างเงี้ยนะทัานก็อย่างว่าเป็นเดรฉ า, านเนี่ยนะแล้วก็บางคนเนี่ยมเขาก็เป็นอย่างเงี้ยเขาก็เป็นคนที่ไม่รู้ว่าทํากรรมอะไรวิจิตพิสดารออกทุนไว้เลี้ยงเดราชานเนี่ยห้าสิบล้านร้อยล้านพันล้า น, านแต่คนไทยไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งฝรั่งเขาจะทำอย่างเงี้ยเลยนะเอาให้กองทุนเลี้ยงจรเงนะเข้อย่างงี้ยนะให้แล้วก็ให้จริงๆด้วยนะมันทั่วจระเข้ฟาร์มนี่ก็สาบาย สวายกินอิ่นนอนหลับเอาไม่ลักเกิดเป็นจ ร, เระเข้แล้นะเพราะให้ทานมาดีก็จะมีกินตลอดอย่างนั้นเถอะนะนั้นถ้าเกิดเป็นเดรัจฉานก็เป็นวัวชั้นดีก็ให้ยา ก, กินตามเวลาดูแลอย่างนี้คุณเส้อ้วนเปรมปรีเลยอย่างเงี้่ดีตรงไหนเนี่ย น, นะเพราะฉะนั้นทานอย่างเดียวจึงไม่พอต้องศีลด้วยอันมนุษย์ทั้งหลายเกิดในสุคติโลกสวรรค์เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดานั้นด้วยผลของศีลด้วยแต่ถ้าผลผลิตจากทุศีลมาตามให้ผลนะเช่น ถ้าเป็นมนุษย์ทุ่อดีตชาติเนี่ยรักษาศีลไม่ดีกรรมที่นําเกิดเนี่ยนะมันจะทําให้ว้าแหว่งตามร่างกายร่างกายจะมีปัญหาพิกลพิการอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นเป็นเศษของการทุ่ศีลออกมาที่มันตามมาให้ผลทรัพย์สินสูญเสียสูญเสียทรัพย์ยยยยสินเป็นต้นก็ผลกลิ่นอายของความทุศีลมาให้ผลไปที่ไหนคนก็รังเกียจคนก็ขยะขยงเป็นต้นหมั่นไส้ทั้งหลายเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเศษเศษของความทุ่ศีลมันตามมาให้ผล ถูกแต่ลอกเป็นต้นตลอดเนี่ยนะก็เป็นเศษเศษของความทุศีลไม่ฉลาดเลยเบลอจําอะไรก็ไม่ค่อยได้เนี่ยนะจําได้แต่เพิ่งเจอเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็เศษเศษของศีนมาเหมือนกันพันของทุศีนพันความทุศีนเนี่ยเลวร้ายตลอดแต่ถ้ารักษาศีนเนี่ยจะดีผลจะให้มาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเนี่ยนะเป็นมนุษย์ที่ที่ที่เรามีคุณสมบัติของมนุษย์พันการให้ทานดี และรักษาศีลดีก็เป็นเหตุให้เกิดมันเป็นในสุคติโลกสวรรค์เกิดเป็นมนุษย์สวยสมบัติเช่นกับสวรรค์ถ้าเกิดเป็นเทวดาอย่างมีความสุขเลยนะพันศักขกถาที่พระองค์แสดงว่าชื่อว่าสวรรค์นี้หน้าปรารถนาน่าใคร่หน้าพอใจกีฬาคือการละเล่นอันเป็นทิพย์สมบัติย่อมได้ในสวรรค์นี้เป็นนิสความเพลดิดเพลินเนี่ยนะในสวรรค์เนี่ยน้าเพลดิดเพลินยิ่งนัก แม้กระทั่งอย่างยกตัวอย่างเทวดาชั้นจาตุลมหาราชก็ได้ทิพยสุขสมบัติสุขอยู่9้าล้านปีด้วยกันเน่ะเรียกนะว่าถ้าถ้าบุญแบบบุญชั้นดีนำเกิดอยู่ท่าอายุไขก็เก้าล้านปีทิพย์เนี่ยนะเรียกว่าอยู่อย่างสุขสบายแล้วก็ถ้าเป็นดาวดึงก็สเสวยทีย่ผสมบัติอยู่ตลอด36ล้านปีเนี่ยนะก็คือสามล้านปีอยู่อย่างสุขสบายอยู่สามล้านปีในเทวดาชั้นดาวดึง พผนสมบัติในสวรรค์เนี่ยนะสำหรับผู้ที่สวยสุขในสวรรค์เขาบอกว่าสุขเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าสุขของพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยนะพระเจ้าจักรวรรที่มีแผ่นดินเนี่ยเท่ามหาสมุทรทั้งสี่มีมีผู้ที่คอยดูแลสมบูรณ์ด้วยรัตนะเจ็ดประการเขาบอกว่าความสุขของสวรรค์ของพระเจ้าจักรพรรดนั้นไม่ได้เศษเสี้ยวของการอของการเกิดในสุคติโลกสวรรค์เลยนะพันถือว่า ผู้ที่เกิดในสวรรค์เนี่ยมองเห็นสมบัติของมนุษย์เช่นกับสมบัติของคนกัมพาเนี่ยนะมองเห็นสมบัติของมนุษย์เท่ากับสมบัติของคนกัมพาอนาถาทันทีอย่างเช่นอ่ะอย่างที่ในใน น, นนั้นนะอ่าในอุโบสถเนี่ยอุโบสถที่ประกอบไปด้วยองค์แปดในอุโบสถวัดอังคุตรนิการอัฏฐการนิบาศเนี่ยก็กลา่าวไว้ในคาถาว่าสมบัติของมนุษย์เนี่ยนะถ้าเขาบอกว่าไม่ใช่ว่าแค่ธรรมดานะใหญ่ทั่วทั้งแผ่นดินเนี่ยสมบัติของเราผู้เดียว ความสุขของการมีสมบัติเหล่านั้นทั้งหมดก็บอกว่าสมบัติของคนยากถ้าเทียบกับความสุขของผู้ที่รักษาอุโบสถที่อยู่ในสุขติลโลกสวรรค์จา่าตุมอยู่เก้าล้านปีดาวดึงสามสิบกล้านปียามาก็สูงขึ้นไปอีกตามลําดับเนี่ยนะพะมันก็ความสุขเหล่านั้นเนี่ยนะมากเพราะฉะนั้นใสจแล้วพระองค์ก็ประกาศถึงความจริงอ่ะนะต่อไปก็ประกาศกา ม, มาทีนบว่าถึงสวรรค์นะ ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสวรรค์ก็เป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนไม่ควรทำความพอใจเพลิดเพลินกำนัดลุ่มหลงอยู่ในสวรรค์เหล่านั้นเลยเหมือนใดเหมือนไปเที่ยวสวนอย่างเพลิดเพลิน เ, เลยนะอุย้ยสวนดอกไม้นี้สวยจริงๆเลยนะเขาบอกว่าสวยใช่หน้าหนาวสวยสวยพอไปหน้าฝนเนี่เละเลยเยนะนะเพราะอะไรเพราะว่ามันผิดฤดูแล้วใช่หย ดอกไม้ที่ประดับประดาตกแต่งนี่สวยไหมสวยอูเทศกาลดอกไม้นะสวยไปหมดบอกหมดเทศกาลเนี่ยขยะดอกไม้เต้ไปหมดอีกเหมือนกันนะมันก็อย่างนั้นแหละมันถึงถึงจะหน้าถึงจะงดงามปานใดก็ตามมันก็เที่ยงเวลายั่งยืนไหมเป็นไปเช่นนั้นตลอดไปไหมเหมือนกับสีสวยๆเนี่ยนะมันแปลเป็นอื่นไปแล้วเป็นยังไง นะดอกไม้สีสดสวยๆวยเนี่ยนะเอาถ้าพี่ต่อยเนี่ยมาประดับไว้แต่อย่างเงี้ยตลอดไปเลยเปนยังไงอาทิตย์หน้านี่มาดูไม่ได้แล้วนะอีกสิบอาทิตย์ข้างหน้าถ้าวางไว้อย่างงี้ตลอดไปลราจะเป็นยังไงอันนี้ทวารตานี่ยสีสวยโอผ้าสวยๆวยเนี่ยใสเลยไม่ต้องถอดล็อกแล้วงั้นนะจะเป็นยังไงใช่ไหมก็คือสิ่งนั้นก็เปลี่ยนได้ด้วยอาหารแม้อร่อยเหลือเกินเนี่ยทานเอาไว้แล้วก็หมักไว้ในท้องตลอดไปไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเนะี่ยมันก็ชักไม่ไหวแล้วใช่ไหมร่างกายเนี่ยเอา เราบอกโอ้สวยเหลือเกินไอีก50ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงเนาะเห็นไหมถ้าเจอกันอีกครั้งตอนอีกอีก50ปีข้างหน้าเจอกันอีกทีจะเป็นยังไงเนาะอีกร้อยปีข้างหน้าเจอกันอีกรอบจะเป็นยังไงเนี่นะโอ้เหลือเขาเดิมมั้งหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะนั่งสานก็เงื่อนเงื่อนอย่างนั้นเลยนะพันนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละพันสิ่งเหล่านี้เที่ยงไหมนะถามว่าถ้าอยู่ในสวรรค์สบายเหลือเกินถ้าหมดบุญล้วจะไปไหนต่อถ้าอยู่ในสวรรค์นี่จะทําบุญมากหรือจะทําบาปมาก แต่พวกเราไม่แน่นะถึงอยู่กรุงเทพนะในเมืองสวรรค์ยังทําบุญเลยนะอยู่เมืองสวรรค์ยังให้ทานยังฟังธรรมเลยนะแต่ก็ถ้าเทียบชีวิตบอกอยู่ในกรุงเทพมากี่สิบปีแล้วบอกว่ารู้หลายสิบปีแล้วแบบนั้นถ้าฟังธรรมกับฟังอย่างอื่นอะไรมากกว่ า, นะ า, นะากันนะแล้วสมบัติเรานี่มันจะยั่งยืนได้ขนาดไหนใช่ไหมมันไปกับเรื่องอื่นนี่ซะส่วนใหญ่ใช่ไห ม, บ อ, อ บ, อไมบอกว่าฟังธรรมบอกทําไมบอกว่างแนั้นนะ บริหารจัดการเสร็จแล้วสรุปรว่างก็เลยเออมีเวลาไปฟังธรรมเหมืนกันนะแต่ถ้ามีวัดเดียวมีธุระนิดหนึ่งก็ไปแล้วเนี่ยตรอนตรอนตรอนว่างอีกทีนะก็เออผ่อมาทีหนึง่งเหมืกันไปฟังธรรมไปหน่อยหนึ่งแล้วก็สลบแล้วก็ฟื้นฟื้นแล้วก็สลบนิดหน่อยอยู่งั้นเลยน่าทุกขสารขนาดไหนเนาะเนี่ยนะใช้บุญซัเพลินเขามาเนื่ในใจทั้งหมดบุญแนละ้วไปอยู่ไหนกันนาะยังห่งห่วงอยู่เหมือนกันไหนนั่งเรื่องนะถ้าหมดบุญแนละ้วไปอยู่ตรงไหนต่อหนึ่งกําลังทําบุญอยู่เนี่ยนะอธิบายได้นั ง, งนะึะ แะ ต, ตอนนี้กําลังทําอยู่ให้รู้แต่ว่ามนุษย์สมบัติก็ไม่ยั่งยืนสวรรค์สมบัติก็ไม่ยั่งยืนพวกเราเองก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดในสวรรค์เคยเกิดมาแล้วทั้งนั้นแหละก็หมดบุญมาแล้วทั้งนั้นแหละเหมือนกันเคยเกิดเป็นจกักรพรรดิมาแล้วแต่ก็หมดบุญมาแล้วเนี่ยนะหลายๆเรื่องเคยมีมาแล้วสวรรค์เอ่อพวกเหล่านี้เป็นต้นก็ไม่ได้เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงไม่ถาวรอะไรหรอกเนี่ยนะเดี๋ยวพักสักครู่ก่อน คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะปกติแล้วพระองค์จะตรัสตามลำดับคือตรัสทานศีลเนคขมะทานศีลสวรรค์โทษของกามเนคขมะแล้วก็สรุปด้วยการประชมอริยสัจเนี่ยนะอันนี้คือว่าเป็นการแสดงธรรมให้กับพวกที่มีอินทรีย์ไม่แก่กล้านะถ้าสำหรับผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้านั้นประกาศอริยสัจได้เลย อย่างเช่นพระอัญญาโกณธัญญะเนี่ยนะปกติอย่างเช่นกลุ่มพระัญยาโกณธัญะญกลุ่มเหล่านี้ถือว่าอินทรีย์แก่กล้าพอที่จะตรัสรู้ธทมได้ปองก็ประกาศอริยศาสตร์ได้เลยแต่ถ้าหากว่าเป็นบุคคลทั่วๆไปโดยมากสัตทินรีย์เป็นต้นยังไม่มีโดยเฉพาะกรรมสกตาศรัทธานั้นยังไม่ดีพอปองก็จะแสดงให้เขามีกรรมสกตาตอกย้ำให้กรรมสกตาปัญญานั้นมีกำลังเมื่อกรรมสกตา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 แต่ถ้าคนเครียดนะมันคิดอะไรไม่ออกเอาคิดอง่ายๆอย่างนี้ว่าตอนที่เรามีความสุขคิดอะไร ง, ง่ายกว่ากันปัญญาตอนไหนทํางานได้ดีกว่ากันนะนะตรงไหนสติปัญญาแล่นดีกว่ากันเพราะั้นตอนที่เรามีความสุขเพราะบางคนเนี่ยนะไปบอกว่าทําให้มันเจ็บปวดแล้วจะได้เข้าใจถึงทุกบ่าคุณไม่ทุกเท่าอยู่ในนรกหรอกแต่เคยได้ยินไหมว่าสัตว์นรกบรรลุไม่มีนะเคยได้ยินไหมว่าพวกเดราชานบรรลุทั้งๆ ท, ท, ที่ทุกเจ็บปวดเนี่ยนะนักโทษในสงครามทั้งหลายเห็นอริยสัจเคยได้ยินไหม เขาจมอยู่กับความเจ็บปวดบอกไม่แต่เหล่าเทวดาทั้งหลายเป็นต้นผู้ที่มีความสุขมนุษย์ที่มีความสุขพอได้ยินได้ฟังคําสอนอริยสัจของพระพุทธเจ้าเขาตรัสรู้พระพุทธเจ้าสอนทุกข์อาลัยสัจก็จริงแต่ไม่ได้สอนให้เป็นทุกข์แต่สอนให้รอบรู้ในกองทุกข์จะได้ตัดฉันทราคะในทุกเหล่านั้นซะเพราะว่าจริงๆแล้วเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือความเพลิดเพลินในทุกข์ ความเพลิดเพลินในวัฏฏทุกขนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดในวัฏฏทุกข์อีกต่อไปนั้นสอนให้รู้จักความจริงของวัฏฏทุกข์แล้วก็ตัดฉันทราคาะนั้นพื้นฐานของคนที่ละฉันทราคะได้นั้นกลับเป็นคนที่ไม่มีความทุกข์เลยยิ่งพรมและบรรลุง่ายเทียบเทวดากับพรมไหนบรรลุมากกว่ากันบอกพรมบรรลุมากกว่าพรมนี้ไม่มีความเจ็บปวดนะเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจไม่มีพรมไม่เครียดพรมไม่มีโทสะ พราอไม่มีความเจ็บปวดโดยประการใดๆพรบมนลุกมากกว่าเพันบรรลุง่ายมากถ้ายิ่งอรูปประพรแล้วบรรลุง่ายกว่ารูปประพรถ้าเขาเป็นพระโสดาบันไปแล้วถามว่าทําไมเพราะจิตของเขาเบาอ่อนควรแก่การงานนี่นะเขาเข้าวัดกันที่ว่าข้อปฏิบัติปฏิบัติได้เร็วได้มากอยู่เพราะว่าจิตเบาไหมจิตอ่อนไหมจิตควรแก่การงานไหมอะไรเงี้ยปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดนอนไม่หลับอึดอัดเต็มที่ท้องอึดผะอึดผ ะ, ะอม สวดธรรมจักเลยเอว่าเมสูตังอนะะถึงสามบรรทัดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะอาจจะรำคาญก็ราตามอีกนั่นแหละใช่ไหมเชื่อเถอะตอนที่เราเนี่ยสุขภาพดีดีสวดมนต์ตอนป่วยตอนเมื่อยกับสุขภาพดีๆีไหนสวดสนุกกว่ากันฟังธรรมก็เหมือนการเอาป่วยเนี่ยนะป่วยเอมาพูดธรรมะให้ฟังเนี่ยแม้ท่าเทศดีก็เสมอตัวใช่ไหมขัดหูนิดหน่อยก็เอาแล้วเนี่ยนะมันยากเหมือนกันนะเพราะความทุกข์นั้นเนี่ยนะ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 นไปรบได้ชัยชนะกลับมาปราชาบอกเออมีความรู้มีความสามารถดีเหลือเกินพน่อนมอยงเง้ยการเธอไปเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าปกครองดูแลหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านยกให้เลยกินสวยทั้งหมู่บ้านในภาษีอากรทั้งหมดที่มีในหมู่บ้านนั้นเป็นสิทธิของเธอแต่เพียงผู้เดียวอ่าไปเอ อ, เ อ, อ, เ อ, อหมู่บ้านนั้นนะมันก็จนนะเอาแบบนี้แบบไปเอาหมู่บ้านตําบลใหญ่ๆเลยดีกว่ามันรับเยอะกว่านั้นถามว่าเขาจะเอาไหม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 อันนะถามว่าคนจะเอายิ่งยิ่งขึ้นไปเลยไหมบอกเอาฉันใดาการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าจะแสดงตามลำดับลักษณะนั้นเอางี้นะอะถ้าเธอทําชั่วนรกใช่ไหมบอกถ้าเธอทำอํำนี้มนุษสมบัติเอ้ยมนุษสบัตินี่มนุษย์ น, ษย น, ษยนี่มันก็ทุกข์นะสวรรค์ดีกว่าเยอะเนี่ยนะเะก็เห็นด้วยกับสวรรค์เออสวรรค์ถ้าเทียบกับสวรรค์ถ้าเทียบกับพรพรมดีกว่าสวรรค์เทียบกันไม่ติดหรอกถ้าเทียบกับนิพพานนะพรมเนี่ยก็คือสังสารวัตรพรเนี่ยนะถ้าเป็นสังขารธรรม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 พระองค์รู้นะว่าพระองค์ใช้คําไหนแล้วเขาเข้าใจแค่ไหนเนี่ยพระองค์รู้เช็คได้ตรวจได้ของเราต้องคอยถามอะไรที่พูดมานี่เข้าใจไหมบอกเข้าใจเข้าใจว่ายังไงก็เข้าใจอย่างที่ฉันเข้าใจคุณก็เข้าใจอย่างหนึ่งก็แล้วกันเนยฉันจะเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่างั้นเอาเข้าใจมหมเอาก็เข้าใจแต่มันเข้าใจคนละอย่างโอ้ยลึกซึ้งจริงๆว่ะลึกซึ้งยังไงเล่าให้ฟังแบบเออไม่น่าเชื่อเลยว่าเราพูดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปได้ว่างั้นอี่านะอย่างบางคนเนาะําเลยเขาไปที่ไหนนะเขาไปอ้างคําของเราอะท่านว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่าง้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 เราก็มันไม่มีอะไรอะไรเขามีเขามีรัฐที่หนึ่งสมัยหนึ่งพระเจ้าอังคติราชไปฟังคุณาชีวกัสปะโคดเทศให้ฟังนะเขาเป็นนักบวชน่งลมหมอากาศไปถึงก็บอกโอ้ยกรรมดีกรรมชั่วมีหรอ ค, คนเรามันแล้วแต่เคราะ์แล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาคว่าังนะมันคนมันจะต้องเวียนว่ายตายเกิดเท่านั้นเท่า น, านี้ทายที่สุดนะพ่า น, น, นบัณฑิตนิพพานเหมือนกันหมด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 ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะพระองค์เนี่ยดีแท้ช่วยบอกช่วยกล่าวช่วยแนะนำนะทุกมานานแล้วนี่มีพระองค์มาบอกทางให้ น, นะซึ่งพระองค์ให้หวาดกลัวด้วยด้วยทุกโทษในปัจจุบันและพระองค์ชี้ให้เห็นประโยชน์ทั้งหมดใครจะปฏิบัติหมายว่าชี้ให้ทางถูกอย่างเดียวเนี่ยนะใครจะไม่เต็มใจที่จะเดินทางถูกเพราะฉะนั้นเขาก็มีความสุขที่จะได้รับประโยชน์โลกนี้รับประโยชน์โลกหน้าและที่สําคัญจะได้รับประโยชน์อย่าง สูงสุดเพราะฉะนั้นเขาก็สมาทานอาหานมีแต่ความกล้ามือมีแต่ความกล้าที่จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะกลัวกลัวว่าถ้าตกอยู่ในสภาพแบบนี้ต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นก็ลองเราลองดูสิกขนั่งอยู่เฉยๆวันๆมันทำอะไรตื่นเช้ามาก็นั่งเฉยๆนั่งทำตาเ ป, ป, ป, ปิดๆไปสักสนะามปีนะยังว่าถึงไหมไม่ถึงเนี่ยนะอาจจะตายตั้งแต่เจ็ดสัปดาห์แรกแล้วว่างั้นเะ ถามว่าทำไมมันเสียหายเดือดร้อนไปหมดแล้วเนี่ยนะเพราะการที่เขาเขากลัวเลยว่าไอ้สภาพที่กําลังเป็นอยู่ต่อเ น, นี้ยมันไม่ดีจริงว่าจะเติบโตขึ้นได้อย่างไรจะเจริญขึ้นได้อย่างไรคุณธรรมจะพอกพูนได้อย่างไรนะเขาก็มีแต่อุตสาหะยิ่งยิ่งขึ้นไปเขามีแต่เพิ่มกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าอารหัตผลยังไม่เกิดเขาจะไม่มีคำว่าพอแล้วนะมีแต่ความกล้าที่จะเจริญบากบัน่นที่จะเจริญ เพิ่มพูนคุณธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะอะไรเพราะไม่มีความแน่นอนก็บอกว่าถ้ากุศลธรรมถ้าอยู่แค่ระดับนี้ตกแน่นอนเหมือนกับที่บางท่านเขาแนะนำพูดภาษาภาษาเครื่องบินเ็าบอกว่าถ้าบินยังไม่ถึงสามสามหมื่นฟุตเนี่ยนะถ้ายังไม่ถึงประมาณสามหมื่นฟุตเนี่ยเขาบอกว่านักคนขับเครื่องบินดื่มกาแฟไม่ไดไนะ้เพราะว่าถ้าไม่ถึงไม่เกินระดับพื้นดินเนี่ยนะ ถ้ายังต่ำกว่าสิบกิโลเนี่ยนะยังต่ำกว่าเจ็ดแปดพันกิโลขึ้นไปเนี่ยขอให้เจ็ดเจ็ดเจ็ดปดพันเมตรอ่ะนะเจ็ดแปดกิโลขึ้นไปเนี่ยไม่ค่อยมีความปลอดภัยเท่าที่ควรถามว่าทําไมเพราะมันมีภูเขาวางลูกที่มันสูงระดับนั้นอยู่ถ้าบินชนเขาก็คนขับนั่นแหละตายก่อนว่าอยู่ข้างหน้าขึ้นอนเพราะพันก็สามารถจะ จ, ะจะจุติเกิดใหม่ได้หมดเพราะนั้นก็ไม่อะไรไม่มีความปลอดภัยถ้าไม่ใช่ก็ต้องให้มันสูงขึ้นคุณธรรมต้องสูงขึ้นจนถึงกระระดับ อุนใจถ้ายังไม่เห็นอริยสัจอย่าเพิ่งรีบโล่งใจอย่าเพิ่งรีบสบายใจว่างั้นเถอะถามว่าเพราะอะไรเพราะยังมีภัยอีกนะเพราะยังมีภัยเพราะยังมีภัยว่าโอ้ตอนนี้มันสบายดีแล้วนี่มันตอนกลางวันนะะแต่ตอนกลางคืนจะเป็นยังไงไปบางแห่งก็บอกว่าท่านมาเดินตอนกลางคืนแถวนี้ไม่ได้ท่านหมดตัวนะว่างั้นทําไมวอามีโจรปล้นเพราะไ อ, นน อ, นนอคนที่เราเห็นมันแปลงร่างเป็นโจรเมื่อไหร่ก็ได้ว่างั้น มันก็แสดงว่าสถานที่ตรงนั้นไม่ได้ปลอดภัยจริงชั้นใดก็ดีสังสารวัตรก็เหมือนกันถ้าหากว่าเรายังไม่ได้คุณธรรมชั้นสูงจะมาหยุดอยู่ได้ยังไงมันก็มีแต่ความกล้ามีมแต่ความบากบั่นที่จะเจริญคุณธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นโทษถึงอะไรกรรมกรสามสิบสองถ้ายังมีมนุษย์คุกเข้าไว้ขังใครขังยุงใช่ไหมบอกไม่ใช่อย่างนั้นนะนีก็เห็นเลการลงโทษทั้งหลายเนี่ยพวกตพศ พวกตะ บ, บองพวกเครื่องลงโทษเครื่องประหัดประหารทั้งหลายอาวุธนิวเคลียร์เขาไว้ระเบิดยุงใช่ไหมบอกก็ไม่ใช่ไอหัวรบทั้งหลายที่เขาไว้ไว้เขาไว้ตกใส่ใครแระเบิดเขาไว้ระเบิดอะไรเนี่ยนะสิ่งเหล่านั้นลูกปืนทั้งว่าเขาไว้ยิงอะไรเยไปไหนหล่ะรางถ้าเรายังมีกายอยู่พ้นจากสิ่งเหล่านั้นไหมไม่พ้นเลยนะที่ไหนเราคิดว่ามันปลอดภยัยที่นั่นมีภยัยไม่ได้มีความปลอดภัยอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นก็จะเห็นโทษแม้กระทั่งชีวิตในชาตินี้ที่ถูกลงโทษโดยประการต่างๆภายในปัจจุบันภายในสำปรายพเป็นต้นเนี่ยก็เห็นแล้วว่าโทษในภพเนี่ยเป็นอย่างโทษในอบายทุกติวินิบาตทุกในปัจจุบันทุกในสำปรายพเป็นอย่างไรจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้พ้นจากภัยอย่างนี้จะต้องปฏิบัติ ด, ด้วยเรียวแรงด้วยพะละกําลังขนาดไหนก็เลยใช้คําว่าสมุตเตเชสิให้อุตสาหะให้กล้า กล้าที่จะเจริญคุณธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยโดยประการทั้งปวงเลยนะไม่ปลอดภัยเลยอย่างบางคนเนี่ยถ้าบอกว่าฟัวฟุ้งปั๊บเนี่ยรู้เลยว่าถ้ายังฟุ้งแบบนี้เนี่ยนะสุขตินี้ไม่มีความปลอดภัยแม้แต่นิดเดียวเขบอกว่านอนฝันร้ายแค่คืนเดียวแค่นั้นนะรู้เลยว่าโอ้อบายจะไปไหนเนี่ยนะจะไปไหนเสียเนี่ยนะหรือฝันเห็นสัตว์ในอบายเป็นต้นถ้าจุติตอนนั้นจะไปไหนเอ๋ สมนัิไปแล้วฝันเห็นฝูงแมลงพึ่งบินว่อนอยู่ในสวนเนี่ยนะถ้าเราตายตอนนั้นเราเกิดเป็นอะไรดีโยมาก็เกิดอะไรดีมีโยมคนหนึ่งโอ้ยฝันว่ากําลังจะไปเลี้ยงควายพอดีเลยพอดีรีบตื่นขึ้นมาคนป่วยนะเกือบจะตายแล้วพะ ง, งาบพะ ง, งาบแล้วครั้งนี้ก็ปั๊มแล้วกลังฝันว่าจะไปเลี้ยงควายเนี่ยจะไปไหนเนาะเนี่ยนะก็ก็ไปเกิดเป็นพวกนั้นแหละวา ง, งั้นเถอะถ้าฝันเห็นสุลูกสุนัขตัวหนึ่งสวยอยากได้พันนี้มานานเลย เนีนะร่างกายก็เกือบตายพอดียมว่าจะเกิดเป็นอะไรนะพันไหนเนอะข่าวนี่ยเนยต้องคิดให้มันทบทวนให้ดีๆนะว่าจะไปเกิดสายพันธุ์ไหนแล้วมาแม่เลี้ยงมาเนี่ยนะพอตายพักหนึ่ง น, นึกถึงม้าอยู่ตัวหนึ่งสวยมากอยากได้ม้าตัวนี้อยากเป็นเจ้าของม้าตัวนี้มานานแล้วอในที่สุดก็ได้เป็นม้าสมพรเลยนะแล้วไม่ก็แหมนึกอยากเป็นนกไมไอมเห็นนกนะนกตัวนี้ทั้งเสียงก็ดีเสียงก็เพราะชอบนกมากชาติน่าจะเป็นอะไรดีอ่ะ ถ้าตอนนั้นตายตอนนั้นพอดีอ่ะแล้วบางคนนี่แหมชอบเด็กคิดถึงแต่ลูกคิดถึงแต่หลานเนี่ยไปไหนดีเนาะเนี่ยนก็คิดดูนะว่ามันจะไปหนอก็วนๆอยู่นี่แหละทําท่าเหมือนกลัววัฏตะใช่ไหมที่ไหนได้รักหลานห่วงหลานแทบตาย่างนั้นนะ <c oughs> นี่อ่า <c oughs> เมื่อพระองค์สอนให้เห็นแจ้งสมาทานอานอานร่าเริงคําว่าร่าเริงเนี่หมายความว่าดีใจมากที่ตัวเองได้คุณธรรมต่า ง, างๆดีใจที่ตัวเองมีศรัทธาในพระพุทธเจ้า ดีใจที่มีศรัทธาในคำสอนได้ฟังคำสอนดีใจที่ได้เลื่อมใสได้ทาบุญกับพระสงฆ์ที่ปฏิบัติชอบดีใจที่ได้เจริญสัพพินรีดีใจที่ได้เจริญวิริยินสีสติินสีสมาธินรีและปัญญินรีดีใจที่ได้เจริรญพ่ชงดีใจที่ได้เจริญอริยมรดีใจที่ได้ปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกขเวทสัมปหังเสติ อันนั้หน้าหนึ่งร้อยห้าสิบหกโอ้ดีใจสบายใจมีความสุขแพ้วบบนั้นอ่ะดีใจเพลิดเพลินในคุณที่ได้มีอยู่นี่นะขณะเราได้คุณธรรมขนาดนี้เรายังมีความสุขขนาดนี้ถ้ามีคุณธรรมยิ่งกว่านี้จะมีความสุขขนาดไหนก็เลยว่าเห็นกําไรเห็นคุณานิสงเห็นคุณประโยชน์ของกุศลธรรมก็ภาคเพียรเจริญกุศลธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป ถัดเมื่อพระองค์แสดงทำให้เห็นอะไรนะให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อานฮารให้ร่าเริงด้วยธรรมีคาถาเสร็จแล้วพระองค์ก็บอกตรัสถึงสังคาราทีนังอาทีนวังตรัสโทษของกามทั้งหลายเพื่อบรรลุปถมมามัคขั้นต่ําหมายคําว่าตรัสโทษของกามทั้งหลายโทษของอบายเพื่อให้ได้โสดาปฏิมัคตรัสโทษของกามมาพบเพื่อให้ได้อนาคามีมัค ตรัสทอดของสังสารวัฏอย่างโดยที่สุดแม้แต่รูปประพบและอารูปประพบเพื่อให้เกิดอรหัตตะมักโดยในเป็นต้นว่าดูก่อนที่สูทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่ปลอดโปร่งดูก่อนที่สูทั้งหลายก็อันนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงเพียงพอแล้วที่จะคลายกำหนัดในสังขารทั้งปวงเพียงพ อ, อเพียงพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นจาก สังขารทั้งปวงเพราะสังขารเที่ยงเราหม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ปลอดโปรง่งใครเคยไปอยู่ในที่อับๆ บ, บ้างไหมอยู่ทั้งที่อับด้วยคับแคบด้วยเนี่ยนะมายมันอึดอัดน่าดูเลยใช่ไหมบอกสังขารทั้งหลายมันเป็นอย่างนั้นแหละถ้าตรัสรู้พระนิพพานแล้วโล่งอย่างเดียวรัก็เลยประกาศถึงอ น, นิสงค์ของพระนิพพานชื่อว่านิพพานเนี่ยมีอยู่เป็นสิ่งที่ประณีตเนี่ยนะเป็นเครื่องป้องกันเป็นที่อาศัย เป็นที่หลีกเป็นที่เร้นเป็นที่ป้องกันเป็นที่พึ่งพิงเป็นต้นเพราะฉะนั้นเขาเหล่านั้นเมื่อได้ฟังก็มีจิตหลุดพ้นจากอาสระเนี่ยนะหลุดพ้นจากกามาสวะด้วยอนาคามิมัคจากภวาสวะด้วยอรหัตตมัคจากทิฏฐาสวะด้วยโสดาปฏิมัคจากอาวิชชาสวะด้วยอรหัตตมัค ก, ก็ทําที่สุดแห่งทุกได้นะชุดไหนก็ตรัสรู้ธทำเป็นที่พ้นทุก ในมหาประทานสูตรข้อข้อห้าสิบเอ็ดหน้าห้าสิบก็สมัยนั้นในพระนครพันธุมดีราชธานีมีภิกษุสงอาศัยอยู่มากประมาณหกล้านแปดแสนรูปเฉพาะพระอาหารหันต์ถ้าส่วนใหญ่เนี่ยนะมีจำนวนมากขนาดนี้ภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคอาหารหันต์สัส ม, มาสัมพุทพเจ้าพระนามว่าวิปัสสี ผู้เสด็จเร้น เ, เสด็จกเร้นอยู่ในที่ลับเกิดความรำพึงหรือปริวิตกขึ้นแห่งพระไยวาบัดนี้ในพระนครพันธุมดีราชธานีมีภิกษุสงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากประมาณห8ล้านแปดแสนรูปถ้าอะไรเราพึงอนุญาตภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปนะให้เที่ยวจาริกนะ ไปทําไมบอกไปเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมาก <musician. S 1> เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก <phen. S 1> <contexts S 2> เพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็<ม>เรียกว่าเนะธให้สาวกไปช่วยการประกาศพระศาสนานะแต่อย่าได้ไปทางเดียวกันสองรูปให้แยกกันไปทุกทิศเลยนะแต่ว่าอย่าไปด้วยกันนะ เธอทั้งหลายเมื่อไปแล้วก็จงแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงในโลกนี้สัตว์พวกนี้ที่มีกิเลสเพียงดังธุลีในจักสุเบาบางยังมีอยู่เพราะไม่ได้ฟังคำสัตว์พวกนั้นจึงเสื่อมเสียไปผู้ที่รู้ทั่วถึงธรรมะได้จากนี้ ผู้ที่พอบรรลุได้จะมีแต่ว่าโดย6ปีผ่านไปโดย6ปีล่วงไปพวกเธอเพิ่งกลับมายัางพระนครพันธุมดีราชธานีเพื่อแสดงพระปาติโมกสมัยที่สมัยพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมีพระชนมายุยืนอย่างพระพุทธเจ้าวิปัสสีเนี่ยพระองค์เกิดในยุคสมัยมนุษย์เมียยุค8 0ดห0่นปีเพราะฉะนั้น6ปีนี้แสดงโอวาทปาติโมก ค, ครั้งหนึ่ง6ปีแสดงปาติโมก ค, ครั้งหนึ่ง แต่ถ้าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเกิดในสมัยอายุน้อยสิบห้าวันไม่ใช่สิบห้าปีนะสิบห้าวันครั้งหนึ่งเรียกว่าอุโบสถจตุทศีปณารสีอุโบสถเนี่ยนะอัน น, นอัชมอุโปสโฉทจตุทโสอัจชมีอุโปสโฉ ท, ทโปณารโสเป็นต้นนะ่ยก็จะแสดงอุโบสถทุกๆุกสิบห้าวันน่ะนะในวันสิบสี่คัมบ้างสิบห้าคัมบ้างอันนี้พระองค์เนี่ยตรึกขึ้นมาพระองค์ก็ตรึกในใจอ่ะนะตรึกว่าพระองค์จะทาอย่างนี้นะ ดยความพิสูนทั้งหลายครั้งนั้นแหละถามว่าพระพุทธเจ้าทำไมต้องมานั่งคิดแบบนี้ด้วยพระองค์ก็นึกได้ว่าไปเลยไม่ใช่หรือทำไมต้องเหมือนกับว่าคิดก่อนให้พรหมรู้ใจเขาบอกเหตุผลว่าถ้าพรหมมาราธนาเนี่ยนะหลายๆอย่างนี่มันคือคือก็จริงอยู่นะถ้าพระองค์ตรัสออกไปเลยก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรจะเป็นแต่เมื่อให้ผู้อื่นมาคอยสนองงาน เช่นให้พรมมาอาราธนาพรมก็จะรับเรื่องนี้เป็นภาระหลายๆอย่างก็จะเป็นภาระของพรมเครียกว่าพระพุทธเจ้ากระจายอํานาจเป็มหมือนกั้นเถอะกระจายเรียกว่ากระจายงานออกไปเป็นถ้าคิดเองหมดทําเองหมดก็ทําเป็นอยู่คนเดียวคนอื่นไม่ต้องทําอะไรกันเลย อ, อันนะั้นก็เลยใช้พันอะไรนะถ้าผู้บริหารที่เป็นนี่ทําเองเป็นทุกอย่างเลยใช่ไหมทําเองทุกเรื่องเลยใช่ไหมบอกไม่ใช่เนนะนะก็คือกระจายงานออกไปเป็นแต่รู้ว่าใครควรทําอะไรแค่ไหนและอย่างไรเนี่ยนะ พระนพระ อ, องค์ก็คิดแบบนี้นะเาเหมือนกับว่าค่อยๆคิดให้พรมรู้ใจทำไมพรมจะได้มาอาราธนาแล้วก็จะอาศัยเหตุอันนี้เนี่ยนะเพราะสมัยนั้นเนี่ยคนเคารพพรมมากคือในโลกพื้นฐานลทัทธิเทพเจ้าเนี่ยนะมีแต่ไหนแต่ไรมาแล้วท่านถ้าพระพุทธเจ้าประกาศธรรมะตามคำขอร้องของเทพเจ้าเหมือนว่าเทพเจ้าหรื อ, อพระมหาพรมเป็นต้นอาราธนา สรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะเงี่ยโสดลงฟังพราะมิ น, นี่นะขนาดเทวดายังต้องขอร้องยังต้องอ้อนวอนต้องอาราธนาต้องเชื้อเชิญเท้ามหาพรหมยังเรียกว่าอะไรยังต้องเคารพว่างั้นดูก่อนพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแลเท้ามหาพรหมองค์หนึ่งได้ทราบความรำพึงหรือปริวิตตกแห่งอในพระทัยของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีด้วยใจ แล้วพระ อ, องค์ก็ได้หายตัวจากพรหมโลกไปปรากฏอยู่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีเปรียบเหมือนบุรุษที่มีกำลังเหยียดออกซึ่งแขนที่คูเข้าไว้หรือคูเข้าซึ่งแขนที่เหยียดออกไว้ฉะนั้นดูก่อนพิสูจนทั้งหลายทันใดนั้นเท้ามหาพรหมนั้นก็กระทาผ้าอุตราสงเฉวียงบาข้างหนึ่ง พระนมอัญเชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสสะมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีประทับอยู่แล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัสสะมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้อนี้เป็นอย่างนั้นใช่เลยถูกต้องอนะใช่ละใช่ละอย่างนี้แหละถูกต้องละข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บัดนี้ในพระนครพันธุมดีราชธานีมีภิกษุสองอาศัยอยู่จำนวนมากประมาณหกล้านแปดแสนรูปค่าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงอนุญาตภิกษุทั้งหลายเถิดว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากให้เที่ยวไปอะนะให้เที่ยวอะไร จาริกไปไม่ใช่จาริกไปเรื่อยเปลือยชมนกชมไม้ชมบ้านชมสวนดูดินดูฟ้าดูลมดูอากาศไม่ใช่อย่างนั้นให้จาริกโคจรไปในสติปัฏฐานเป็นต้นนั่นเองแต่ไปทําไมบอกไปเพื่อประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกห น, น, น้าโดยเฉพาะประโยชน์อย่างยิ่งแกหมู่มหาชนไปเถอะไปเพื่อความสุขนะสุขในสวรรค์แล้วก็สุขในพระนิพพานไปเพื่ออนุเคราะห์เขาไปช่วยปลดเรื่องเขา ให้พ้นจากทุกไปเพื่อประโยชน์คือพระนิพพานไปเพื่อเกื้อกูลคืออริยมรรคไปเพื่อความสุขคือสามัญญผลทั้งหลายแก่เทวดาและมนุษย์ไปเถอะไปเพื่อให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่เธอทั้งหลายอย่าได้ไปทางเดียวกันสองรูป ดูก่อนพี่สู่ทั้งหลายเธอทั้งหลายเมื่อไปแล้วก็จงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงอะนะแต่ประกาศแต่งตั้งเปิดเผยทําให้ง่ายซึ่งทุกสมุทัยนิโรธมักให้เขาเข้าใจให้เขาปฏิบัติตามให้เขาตรัสรู้ในโลกนี้พวกที่มีกิเลสเพียงดังทุลีในจักสุเบาบางยังมีอยู่ อะไรนะเขบอกว่าคนที่พอมีศรัทธาก็มีคนที่มีวิริยะก็มีคนที่มีสติก็มีคนที่มีสมาธิก็มีคนที่มีปัญญาก็มีคนที่มีอินสี่ห้าดียังมีอยู่เขาเหล่านั้นเพราะไม่ได้ฟังธรรมพวกเขาจะเสื่อมจากประโยชน์ไปเพราะผู้ที่พอรู้ทั่วถึงธรรมผู้ที่จะบรรลุธรรมแทงตลอดอริยสัตว์ได้ยังมีพร้อมก็าอาราธนา ตรงประเด็นเมื่อกี้เนี่ย เ, เรียกว่าเท้าค ว, วามมาที่พระ อ, องค์คิดอ่ะถูกต้องแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็จะกระทำโดยที่จะให้พิสูจนทั้งหลายกลับมายัางพระนครพันทุมมาดี ร, ราชธานีเพื่อแสดงพระปาฏิโมกโดยล่วงไปหปีโดยล่วงไป6ปีฉัปป้นภาระที่จะให้พระพิสูจน์มาประชุมกันทุก6ปีเดี๋ยวข้าพระองค์ขอรับเป็นภาระเอง่างั้นดูแลนะ จัดการให้พระมาประชุมกันทุก6กปีอถ้าพรหมรับรับอะไรไหมรับเป็นเจ้าภาพธุระใหญ่ขนาดนี้สบายอย่างั้นนะเนะแค่กเดินสองเก้านี่ก็ถึงแล้วพันธุมดีราชธานีเนี่ยนะนะดูก่อนที่สูงทั้งหลายท้าวมหาพรหมนั้นได้กราบทูลดังนี้แล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีกระทำปะทักสินแล้วหายไปณนะที่นั้นเอง พรมนี่ไม่ได้มาบังคับให้พระพุทธเจ้าทำไม่ไม่ได้มาสั่งพระพุทธเจ้าทำแต่มาขอร้องว่าถ้าทำได้ก็ดีมากนะนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์มันเป็นจริงอย่างนั้นจริงๆสัตว์ที่จะได้รับประโยชน์นี่มีอยู่ น, นะเพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่อยู่ในฐานะว่าเออเดี๋ยวพรมมาอะไรนะมากดขีมาคมเหงมาบังคับทำตามคำสั่งของพร o มเป็นต้นไม่ใช่พร o ม, มาเออยอมรับว่าดีจริงแล้วก็ พรหมนี่ปกติเขาก็อยู่ด้วยพรหมมีหานหวังแต่ประโยชน์หวังแต่เกื้อกูลหวังแต่ความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมันการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าอันใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพรหมเห็นด้วยอยู่แล้วเนี่ยนะก็แล้วกใช่และเธอทําอย่างนั้นแหละถูกต้องแล้วพระเจ้าข้าได้โปรดทําอย่างนั้นเธอเนี่ยนะแล้วก็กลับบ้านไปกลับบ้านพรหมแล้วกลับวิมาน ดูควาิสูจนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอารหันตส์สำมมาสัมพุทธเจ้าพระนาว่าพิปัสสีเนี่ยนะตกในเวลาเย็นพระองค์ก็ออกจากที่หลีกร้งนแล้วตรัสเรียกพิสูจนทั้งหลายมาให้ประชุมกันว่าดูความพิสูจนทั้งหลายวันนี้เราไปหลีกร้งนอยู่ในที่ลับนีนะอยู่ที่หลีกร้งนหมายถึงว่าหลังจากออกอรหัน ต, ตผลสมาบัติแล้วก็มีความคิดรำพึงขึ้นในใจว่า ในพระนครพันธุมดีราชธานีนี่มีภิกษุสงฆ์อาศัยอยู่เป็นจํานวนมากประมาณหกล้านแปดแสนรูปท่ากระไรเราเพึงอนุญาตภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นจํานวนมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกเพื่อเกื้อกูลเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย แต่อย่าได้ไปในทางเดียวกันสองรูปเธอทั้งหลายจงแสดงธรรมะอันงามในเบื้องต้นงามในท่ากลางงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงอย่าได้มีส่วนเหลือนะพวกเธอจงเที่ยวไปในสัตว์ในโลกเพราะสัตว์พวกนั้นเนี่ยนะถ้าหาว่าเขาไม่ได้ฟังธรรมเขาจักเสื่อมจากประโยชน์ไปผู้ที่พอจะรู้ทั่วถึงธรรมะได้ ยังมีอยู่แต่ว่าโดยล่วงไปหกปีหกปีผ่านไปทุกทุกหกปีพวกเธอจงกลับมาอย่างพระนครพันธุมดีราชธานีเพื่อแสดงพระปราฏิโมกเพื่อแสดงปาฏิโมกเนี่ยนะทะในใดนั้นแลเท้ามหาพรหมองหนึ่งได้ทราบความรำพึงในใจของเราด้วยใจแล้ว ก็หายตัวที่พรห ม, มโลกมาปรากฏเฉพาะหน้าเราเปรียบเหมือนบุรุษที่มีกําลังเหยียดแขนออกหรือว่าคู้แขนเข้าฉะนั้นภิกษุทั้งหลายทีนั้นเท้ามหาพรหมพระองค์นั้นก็กระทำผ้าอุตตราสง์เฉียงบาข้างหนึ่งประนมอัญชลีมาทางเราแล้วก็พูดกับเราว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตข้อนี้เป็นอย่างนั้นก็แปลว่าความที่พระองค์คิดเนี่ยถูกต้องใช่เลยอย่างนี้แหละเประั้น บัดนี้ในพระนครพันธุมดีราชธานีมีภิกษุสงฆ์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากประมาณหกล้านแปดแสนรูปค่าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงอนุญาตภิกษุทั้งหลายเถิดว่าอนาราธนานะขอร้องนิมนต์เชื้อเชิญมางั้นเถอะว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อกูลเพื่อความสุขแก่เทพพยานาคและมนุษย์ทั้งหลายแต่ว่าอย่าได้ไปทางเดียวกันสองรูปภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงในโลกนี้นะสัตว์ที่มีกิเลสเพียงดังทุลีในจักสุเบาบางยังมีอยู่ นนะผู้ที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยพอมีอยู่เขาเหล่านั้นถ้าเพราะไม่ได้ฟังธรรมก็จะเสื่อมเสียจากประโยชน์ไปเพราะผู้ที่พอจะรู้ทั่วถึงธรรมได้ยังมีอยู่มันจนะช่วยเปิดโอกาสให้เขาหน่อยเหนนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้าพระองค์ก็จั ก, กระทำโดยที่จะให้ภิกษุทั้งหลายกลับมายัางพระนครพันทุมมดีราชธานีเพื่อแสดงพระปราฏิโมกโดยผ่านไปทุกๆหกปี ภิกษุทั้งหลายเท้ามหาพรหมนั้นพูดกับเราดังนี้ไหว้เราแล้วก็กระทําประทักษิณหายกลับไปณนะที่นั้นเองก็พรหมนี่าวัดเดียวเนี่ยน ะ, ะทั้งหมดนั้นก็ยังเป็นช่วงความความนึกคิดรำพึงบอกเล่าความในใจของพระพุทธเจ้าทีนี้ต่อไปก็เป็นคําสั่งนนะประกาศออกมาเป็นพุทธโอวาทเป็นคําสั่งที่จะต้องปฏิบัติตามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาต คำว่าอนุญาตเนี่แปลว่าต้องปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าอนุญาตเสร็จแล้วก็ชฉยเนี่ยนะไม่ใช่เลยเขาบอกเออแคบแค่เราพระพุทธเจ้าเปิดโอกาสเรามีสิทธิ์ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ไม่ใช่แต่ว่าต้องปฏิบัติตามเนี่ยนะเ <_ S 2> พราะฉะนั้นเขาบอกว่าพระภิกษุที่เป็นท่าอริยะเนี่ยนะบอกตรงพระพุทธเจ้าใช้ให้ไปตายก็ไปแต่พระองค์ไม่ทําอย่างนั้นอันนั้นความรักของของท่านเหล่านั้นน่ะที่มีต่อพระพุทธเจ้าโดยปกติแล้วเป็นอย่างนั้นเ <_ S 2> พราะฉะนั้นถ้าบอกว่า เพียงจะบอกเราอนุญาตเท่านั้นแหละก็แปลว่าโอ้โหต้องทำและต้องปฏิบัติแล้วนะคําแรกบอกอนุญาตคําที่สองบอกพวกเธอจงเที่ยวไปอันนี้เป็นคําสั่งคําสั่งว่าพวกเธอจงเที่ยวไปแต่ก็เที่ยวนะหมายคำว่าเที่ยวนี้ไปด้วยสติสัมปชัญญะไปด้วยโพธิปัจจยธรรมไปนะไปเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกออันนี้ก็ปแปลแปลว่า ไปเพื่อให้เขาได้รับประโยชน์ในโลกนี้ไปเพื่อให้เขาได้รับประโยชน์ในโลกหน้าไปเพื่อให้เขาได้รับประโยชน์อย่างยิ่งไปเพื่อให้เขามีความสุขในปัจจุบันและต่อต่อไปไปเพื่ออนุเคราะห์ช่วยปลดเปลื้องเขาให้พ้นจากภคเธอเพราะฉะนั้นไปเพื่อประโยชน์คือพระนิพพานไปเพื่อเพื่อกูลคืออริยมรรคไปเพื่อความสุขคือสามัญญพ้นมีโสดาปฏิผลเป็นต้นแก่เทพพยดาและมนุษย์ทั้งหลาย แต่ว่าอย่าได้ไปทางเดียวกันสองรูปเพียกสู่ทั้งหลายผู้เธอทั้งหลายจงแสดงธรรมะเนี่ยนะไปก็ไม่ใช่ว่าไปเสนอตัวให้เขามองเห็นหน้าตาเฉยๆนะไม่ไปแสดงธรรมให้เขาฟังไปแสดงธรรมที่ไพเราะอาทิกกระยานหนังดีทั้งในเบื้องต้นดีทั้งในท่ามกลางดีทั้งในที่สุดคําว่างามเนี่ยแปลว่าดีและใช้ได้ปฏิบัติได้อย่างจริงๆเนี่ยนะไม่ใช่สขายฝันให้โดยที่ไม่มีใครทําได้เนี่ยนะไม่ใช่ ขายเมืองอากาศว่างั้นเสร็จแล้วก็ไม่มีใครเขาปฏิบัติการได้จริงไม่ใช่ไปทำํำไปสอนไปบอกกล่าวในสิ่งที่เขาปฏิบัติได้ปฏิบัติได้แล้วปฏิบัติทั้งดีทั้งเบื้องต้นดีทั้งท่ากลางดีในที่สุดไปประกาศพรหมจรรย์ทั้งศาสนาพรหมจรรย์คือไตรสิกขาและอริยมรรคพรหมจรรย์อันประกอบไปด้วยองค์แปดพันจงแสดงธรรมะเนีย่ยนะให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะอย่าพูดให้มีส่วนเหลือ นะแต่งตั้งเปิดเผยให้เขาเข้าใจโดยง่ายเพราะว่าในโลกนี้สัตว์ที่มีกิเลสเพียงนังทุรีในดวงตาเบาบางยังมีอยู่เขาเหล่านั้นถ้าหากว่าไม่ได้ฟังธรรมก็จะเสื่อมเสียจากประโยชน์ไปเพราะผู้ที่พอจะรู้ทั่วถึงธรรมะได้ยังจะมีอยู่ยเขาบอกว่าโอ้พระไตรปิฎกมันยากอย่างงั้นยากอย่างนี้เขามาบอกว่าเออมาเรียนด้วยได้เรียนได้คนเรียนพระไตรปิฎกปีละคนพอใจแล้วนะสิบปีก็ได้ตั้งสิบคนใช่ไหม ปกติถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเออสิบปีเราก็เหงาอยู่คนเดียวต่อไปอย่านั้นได้สิบคนต่อสิบปีโอ้สบายแล้วนะจริงๆเขาก็คูณสิบนะมันปีหนึ่งเรียนเพิ่มอีกสิบคนเราก็ดีใจแล้วเรียนได้มากเรียนได้น้อยก็ยังดีกว่าไม่เรียนนะ หมายคือว่าทุกคนเนี่ยนะเบอกว่ากินข้าวก็ตายไม่กินข้าวก็ตายก็ได้กินก่อนตายก็ยังดีดีกว่าตายไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยนะนี่ก็เหมือนกันเขาฟังธรรมเขาก็ตายไม่ฟังเขากตายถ้าเขาได้ฟังเผื่อโอกาสชาติต่อตอไปเผื่อได้บรรลุถ้าบรรลุได้ในชาตินี้ดีอยิ่งดีใหญ่เนี่ยนะเรามีอะไรจะได้เอาไปฝากว่ า, างั้น mm. เ, เขาก็เป็นนาบุญใช้ไถ้าบรรลุแล้วก็เป็นนาบุญนั้นสุปฏิปันโนชุปฏิปันโนทาไมบรรลุก็เป็นบุญเป็นวาสนาต่อไป ถ, er cat, us, ถ้าเรียนท e. ja. ั้งไม่บรรลุก็ไม่บรรลุวาสนาก็ยังไม่ได้ก็กรุณาให้ตัวเองมากๆเถอะเนี่ยนะมันก็ก็คงจะมีประโยชน์นะนะบอกเออก็ดีอ่ะมันปีหนึ่งเรียนเพิ่มคนหนึ่งแล้วก็ดีใจแล้วอถ้าเขาไม่เรียนเออเราต้องป่วยกับเขาไหมล่ะเห็นเกี่ยวกันเลยถ้าเขาไม่เรียนเรื่องอะไรเราจะเลิกน่ยนะเห็นเกี่ยวกันเลยมันเราก็ต้องประโยชน์ของตนเราก็ต้องรักษาเอาไว้เขาเรียนเราก็เรียนเขาไม่เรียนเราก็เรียนอนะมันก็ก็แล้วแต่เออเดี๋ยวที่นี่พรุ่งนี้เขาเลิกเรียนเดี๋ยวเราก็ไปเรียนที่อื่นต่ออย่างเงี้ย นะก็ไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะก็ไปเห็นป่วยอะไรเลยทั้งเราก็เรียนได้ทั้งปีใช่ไหมเราก็ไปเปิดโรงเรียนไว้หลายๆแห่งที่นี่ก็บอกเขาไม่ว่างเขามีธุระเราก็ไปต่อแล้วเนี่ย น, นะอันนไม่เลิกอยู่แล้วเธอสบายมากแั้วกันเพราะฉะนั้นสรุปว่านะพระองค์ก็บอกว่าอแม้เราเนี่ยจั ก, กระทําให้พระนครพันทุมาดีเป็นที่อันเธอทั้งหลายกลับมาแสดงปาฏิโมกโดยหกปีผ่านไปทุกๆุหกปีเนี่ยนะจะได้มาประชุมกันแสดงปาฏิโมกกว่ากั้น ดูความพิสูจทั้งหลายพิสูจทั้งหลายก็เที่ยวไปใจจาริกในชนบทโดยวันเดียวเท่านั้นโดยมากโดยมากวันเดียวนี่นแหละไปเกือบหมดเลยแต่ก็ยังเหลือเฉพาะพระพิสูุที่เป็นบริวารของพระพุทธเจ้าที่เหลือจาริกหมดเลยจาริกทิ้งเป็นลานเลยนะกระจายไปพรับเดียวเนี่ยนะโลกทั้งโลกนี่เป็นพุทธศาสนาหมดเลยนะแล้วท่านเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่เอาแบบแหมอ่าไม่ใช่แบบสมัยใหม่เนี่ยเขาเกียดกันไม่ค่อยให้พระไปต่างประเทศ บอกเหตุผลทำไมบอกไปยืนขอทานแถวมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยมันกีดกันทํายังไงวะอย่าไปเลยไปแล้วไปเที่ยวขอทานเสียชื่อบ้านเสียเกียรติบ้านเมืองหมดเหมือนกันพระไทยไปขอทานต่างประเทศเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเเลยไม่ค่อยอยากให้ออกนอกประเทศเท่าไหร่เลยนะเขบอกเร็วก็เร็วอยู่ในบ้านากพ็พอแล้วเหมงอนกันไม่ต้องกระจายไปชาวโชวไปทุ่บ้านทุ่เมืองหรอกอ น, นะเขาก็เลยทําให้เรื่องมันยากขึ้นนะเขาจะออกบหนังสือสุทธิให้พระไปต่างประเทศค่อนข้างยาก แต่กจะไปเผยแพร่ต่างประเทศนะแกต้องไปอบรมอย่างนั้นอย่างนัเนี่ยนะแต่ก็ก็ได้ผลมากน้อยแค่ไหนก็อย่างที่เราเห็นอยู่แล้วด้วยสายตาเนี่ยนะพันก่อนแล้วเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าสมัยก่อนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเนี่ยนะเป็นพระริยเจ้าผู้มีฤทธิ์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นแล้วก็แสดงธรรมท่านเหล่านั้นเข้าถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านเหล่านั้นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแต่นะท่านเหล่านั้นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ สัพพสัตถ์ทั้งหลายไปประกาศให้คนรู้จักพระัตนะไตรไม่ได้ไปโฆษณาตัวเองไม่ได้ไปเปิดลัที่ตัวเองไม่ใช่อย่างนั้นน่ยนะก็ไปเพื่อส่งเคราะห์เขาให้เขาเนี่ยมีดวงตาปัญญารู้จักคุณของพระพุทธเจ้ารู้จักคุณของพระธรรมรู้จักคนของพระสงฆ์เนี่ยนะไม่ได้ไปก่อตั้งลับที่สร้างข่านิยมไปเปิดอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาไม่ใช่น่ยนะอันสมัยนั้นเขาก็มีเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่า ไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเพื่อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไปเพื่ออนุเคราะห์ลูกเนี่ยนะมันก็จาริกไปโดยมากโดยสมัยนั้นแหละในชมพูทวีปมีอาวาสคือมีวัดอยู่แปดหมื่นสะี่พันวัดเนี่ยนะโอ้ไปสร้างวัดกันเยอะแยะเลยเนนะเมื่อล่วงไปได้ปีหนึ่งเทวดาทั้งหลายก็เปล่าประกาศร้องกันว่าข้าแต่ท่านผู้นิรุุก ล่วงไปหนึ่งพันษาแล้วบัดนี้ยังเหลืออีกห้าพันษาอีกข้างหน้าห้าพันษาท่านทั้งหลายจงเข้าไปยังพระนครพันทุมดีราชธานีเพื่อสวดปาติโมกข์เถิดเพื่อแสดงปาติโมกข์เถิดเนี่ยนะอีกห้าปีหนะ้าบอกบัดนี้ผ่านไปสองปีเหลืออีกสี่ปีอ่านะพอปีที่สามก็ประกาศอีกล่วงไปแล้วสามปีเหลืออีกเหลืออีกสองปีเนี่ยนะ เ, เหลือ อ, อีกสามปีดอกปก็บอกว่าผ่านไปแล้วสี่ปีเหลือสองปี ผ่านไปแล้วห้าปีเหลือปีเดียวเนี่ยนะโอ้โคศกลงมาเองเลยนะเทวดาเนี่ยนะโคสกะเทพบุตรลงมาเองเลยนะพอประกาศให้พระพิสุท์ั้งหลายรู้เนี่ยนะจึงท่านเหล่านั้นก็ไม่ลืมเหมนะแต่ก็เตือนเตือกันไว้ได้ประกาศข่าวไว้งั้นแหะเสร็จแล้วก็บอกว่าเมื่อล่วงไปได้หกพรรษาเทวดาทั้งหลายก็ประกาศว่าบัดนี้ล่วงไปหกพันษาแล้วถึงเวลาแล้วละท่านทั้งหลายพึงเข้าไปยังพระนครพันธุมดีราชธานีเพื่อ แสดงปาติโมกเถิดได้เวลาแล้วครบหกปีแล้วภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหลภิกษุเหล่านั้นบางพวกไปด้วยอิทธานุภาพของตนเช่นบางพวกเหาะได้ก็เหาะไปบางพวกหายตัวได้ก็หายตัวไปเป็นต้นเนี่ยนะหรือย่นหนทางได้ท่านก็ย่นไปบางพวกก็ไปด้วยอิทธานุภาพของเทวดาว่าพรหมรับรองแล้ว่าใช่ไหมว่าจะช่วยงานพรหมก็พรหมก็เลยช่วยกันไปประชุมกันหมดก็ไปประชุมใน โดยวันเดียวเท่านั้นเพื่อแสดงปาติโมกโดูกวานพิสูุทั้งหลายได้ยินว่าณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีทรงแสดงปาติโมกในที่ประชุมพิสูุทรงดังนี้ว่าขันตีปรามังตโปตีติขานิพพานังประมังวทันติพุทธานะบอกว่าขันติคือความอดกลั้น ความอดกลั้นนี้ไม่ได้แปลว่าแม้นั่งจ้องงอยหมดสภาพไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นอดติขันติเนี่ยคือความอดกลั้นคือหมายก็ว่าอะไรเนี่ยอาถามว่ายุงกัดเราเราต้องกัดยุงไหมอะไรเงี้ยก็คือก็ไม่ไม่ใส่ใจเออมันก็ยุงอะ่ะก็ถามว่าเออถ้าสุนัขเห่าเราต้องเห่าตอบไหมไม่ต้องอะเพันถ้าหาว่าไอความอดกลั้นอ่ะนะ ก็คือเราก็รับเข้าใจว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่เดือดร้อนใจไม่ลําบากใจไม่หงุดหงิดไม่เครียดไม่อึดอัดไม่คับแคบอะทนอยู่ได้อะนั่นแหละเรียกว่าอดทนไม่ได้แปลว่ากัดฟันทนนะทนไว้ก่อนเดี๋ยวเีทีทท่านเราไม่ว่าทีข่าแล้วก็อย่าเอ็ดกันแล้วกันหน้าอะไรเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นอันนั้นเขาไม่เรียกว่าอดทนนะเรียกว่าผูกเวนนะนะจองร้างเรียกว่าจองเวนอนนัก็แล้วกันั่งผูกเวนอยู่ทําท่าเหมือนอดทนแต่ไม่ใช่ ไอ้คำว่าอดทนเนี่ยก็ไม่ได้ถือสาเนี่ยนะไม่ได้ถือสาไม่ได้ถือโทษเช่นเด็กลูกหลานเรามากวนเรามาเดินแล้วมาจับโน่นดึงนี่ก็ธรรมดาก็ลูกหลานเราอ่ะนะนั่นแหละลักษณะของอดทนไม่ได้รู้สึกว่าคับแค่บอกป่วยทางความคิดอะไรเลยไม่พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสพระนิพพานว่าปรามังปรามังสุดยอดปรามัตดอ่ะนะจากคําว่าปรามัตดนั่นเองนิพพานนี่แหละเป็นปรามัด เป็นประโยชน์ที่สูงสุดเนี่ยนะเป็นเนื้อความที่สูงสุดไม่มีอะไรจะสูงเท่ากับนิพพานแล้วเนี่ยนะทำที่สิ้นตันหาธรรมที่ถอนแห่งตันหาเพิกถอนแห่งอะไรเป็นที่สางแห่งความเมาทำที่ดับทุกธทำที่สงบทุกเนี่ยเป็นธรรมดีที่สุดอย่างยิ่งที่สุดพระโสดาบันทั้งหลายพุทธะเออเออนะสาวกกับพุทธะท่านก็พูดอย่างนี้ปัจเจกกับพุทธะสัมมาสัมพุทธะท่านบอกว่า ในบรรดาธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นสังคตะอะสังคตะมีประมาณเท่าใดวิราคธรรมคือพระนิพพานเป็นธรรมที่สิ้นตัณหาเป็นต้นเนี่ยดีที่สุดเยี่ยมที่สุดชนเหล่าใดเลื่อมใสในวิราคธรรมคือพระนิพพานชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศเมื่อเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศก็ย่อมได้รับผลอันเลิศรับผลที่เลิศเพราะอะไรเพราะนิพพานเป็นสิ่งที่เลิศเยี่ยมจริงๆเลยว่างั้นเถอะสาวอั พุทธะทั้งหลายผู้ที่รู้อริยสัจ ท, ทั้งหลายรู้ทุกสมุทยัยนิโรธมากนะเขาบอกนิพพานดีที่สุดไม่มีอะไรจะเยี่ยมเท่านี้อีกแล้วว่างนั้นผู้ทำร้ายผู้อื่นอยู่ไม่เชื่อว่าเป็นบันปรปชิตเลยถ้ายังทำร้ายผู้อื่นด้วยกายวาจาใจอยู่นะไม่เรียกว่าบัญปชิตหรอกผู้ที่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายวาจาใจเนี่ยนะก็ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะบรรปชิตคือผู้ละเวนมนทิน คือความเศร้าหมองกายวาจาใจสมณะคือผู้สงบบาปสงบบาปด้วยกายวาจาใจสงบบาปทางกายวาจาใจถ้าบาปกรรเริบจะเป็นบรรพชิตได้อย่างไรถ้าบาปกรรเริบจะเป็นสมณะได้อย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าผู้ที่มุ่งร้าผู้ที่ทำร้ายผู้อื่นอยู่เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ด้วยกายวาจาใจเป็นต้นไม่มีคุณธรรมขอ ง, ของความเป็นบรรพชิตไม่มีคุณธรรมของความเป็นสมณะเขาไม่ใช่สมณะแต่อยู่ในคราบของ สมณะไม่เป็นบันปะชิตแต่อยู่ในคราบของบันปะชิตเพราะทำร้ายผู้อื่นเพราะเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยนะสัพปปะปะสะาการนังกุศลสุปะสัมปทาสัจจิตะประโยชน์ทัปนังเอตังพุทานาสาสนังเนี่ยนะสัพปะปะปะสะาการนังการไม่ทำบาปทุกชนิดเนี่ยนะการไม่ทำอกุศลทุกชนิดเว้นจากอากุศลทุกอย่างอันนี้เป็นชื่อของจตุบาฤสุทิศีล กุศลโ ส, รสประสัมปทาการทํากุศลให้ถึงพร้อมทํากุศลทั้งมหากุศลรูปาวจรกุศลอรูปาวจรกุศลโลกุตระกุศลทั้งที่เป็นสมถะและวิปัสนาเจริญให้หมดเจริญให้ถึงพร้อมส จ, จิตระประโยธปนังทําจิตของตนให้ข่ารอบส จ, จิตระประโยธาปานังอันนี้เป็นชื่อของอรหัตผลจิตเนี่ยนะเอตังพุทานาซาสนังนี้เป็นคําสั่งสอนเป็นคําตักเตือนเป็นโอวาทานุศาสนี เป็นทั้งโอวาทเป็นทั้งกระโอวาทแปลว่าว่ า, วาครั้งเดียวบอกครั้งเดียวถ้าอนุสาสนีแปลว่าตามสัง่งตามสอนตามบอกตามเนตตามนำตักเตือนอยู่นั่นแหละเรียกว่าเอตังพุธานาซาสนังกรเป็นอนุสาห์ตามพร่ำตามสอนเนี่ยนะตามบอกตามสอนว่าอย่าทําบาปนะทําบุญให้มากเจริญบุญให้เต็มที่แล้วก็ชําระจิตของตนให้ได้อรหัตตาโลจิต อนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมเขจะสังวโรบมัตัญยุตาจะพัตตะสมงปันตัญจะสยนาสนังอธิจิตเตจะอาโยโคเอตังพุทธานาซาสนังเนี่ยนะอนุปวาโทการไม่กล่าวร้ายอันนี้เป็นวจีสุจริตต้องไม่พูดร้ายนะให้พูดให้เป็นวจีสุจริตอนุปขาโตการไม่ทําร้ายเป็นชื่อของกายสุจริต ปาติโมกเคจะสังวโรการรักษาอะไรโอวาทพระรักษาพระปาติโมกเนี่ยนะก็คือกายสุจริเรตวจีสุจริตและอาชีพที่สุจริรตนั่นเองมัดตันยุตาจะผัสทัศมิงรู้จักประมาณในการแสวงหาอาหารรู้จักประมาณในการรับอาหารรู้จักประมาณในการบริโภคอาหาราคําว่าอาหารรวมทั้งปัจจัย4ทั้งเครื่องนุ่งหม่มทั้ง อาหารที่อยู่อาศัยและยาทั้งหลายการรู้จักประมาณในการรับรู้จักประมาณในการสแสวงหารู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัย4ปันตันจะสยาาสนังการนั่งการนอนอยู่ในบนที่นั่ ง, ท, งที่นอนที่สงัดในหาที่ลีเรนในหาที่เงีบเงยบๆที่สงบสงัดแล้วก็ไปอยู่ทํอาอะไรอธิจิตเตจะอาโยโคประกอบอธิจิต เรียกว่าเพิ่มพูนสร้างคุณภาพจิตให้เป็นจิต ท, ที่มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นอันนัไปอยู่และประกอบจิตอันยิ่งเพิ่มพูนไปนั่งเพิ่มพูนศรัทธาเนี่ยนะไปนั่งอยู่ในที่เงียบๆแล้วทํายังไงให้เชื่อพระพุทธเจ้ามากยิ่งขึ้นไปท่องพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพอไหมที่จะเลื่อมใสพระพุทธเจ้ายิ่งยขึ้นไปนะไปทํำยังไงดีไปทําศรัทธาวิริญาสติสมาธิปัญญาให้มันจเจริญยิ่งขึ้น ไปประกอบอาธิจิตทั้งโดยสมถะและวิปัสนาให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไป น, นะสรุปว่าอนูปวาโทอนูปคาโตปาติโมกเขจะสังวโรปันต์มัตต an ัญุตาจะพัตตสเมิง ja ปันตันจะสยนาสนังอธิจ ja ิตเตจะอายโยก็คือไปประกอบอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาเนี่ยนะก็คืออาธิศีและศีขาอาธจิตแต่ศีขาอธิปัญญาสศีขาก็คือการเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8 เอตังพุทานาศซาสนังทั้งหมดนี้เป็นคําสั่งสอนเป็นโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขึ้นต้นด้วยขันติเลยนะขันตินี้เป็นอันดับหนึ่งนะเพราะพระพุทธเจ้าก็สอนขันติว่าทีชาดกใช่ไหมแล้วก็ขันตินี้ก็เป็นบา ร, รมีแล้วก็ถามว่าอดทนเพื่ออะไรนิพานังปรมังวทันติพุทธาเป้าหมายที่ทนอยู่ได้ทั้งหมดเพื่อเพื่อพระนิพานที่เรียกว่าสละสุขเล็กน้อย นะบางอย่างก็ต้องสละกันบ้างไว้เพื่อสุขอันไพ่บุญพระนิพานเนี่ยเป็นบรมสุขเป็นเอกันตสุขเป็นสุขที่สูงสุดถ้าอดทนกับเรื่องธรรมดาทั่วๆไปเพื่อพระนิพานถ้าเพื่อพระนิพานมีอะไรจะทนไม่ได้แต่ถ้าหากว่าทนไม่ได้นิพานไม่ต้องการโมแต่ไปทํำร้ายผู้อื่นโมแต่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เป็นสันปะชิดไม่เป็นสมณะเลยเดี๋ยวสูตรหนึ่งก็จะทำมิจกสูตรพองบอกว่า จงขับสมณะแกลบออกไปจงขับสมณะอยากเยื่อผู้ที่ไม่ใช่สมณะที่ปฏิญาณว่าเป็นสมณะเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ประกาศถึงหลักการว่าสัพปาปัสสการนังอันนี้เป็นอธิศีลสิขากุศลสูประสัมปทาทำกุศลให้ถึงพร้อมเป็นอธิจิตตศิขาปริโยทปนังอันนี้ก็เป็นอธิปัญญศิขา การไม่กล่าวร้ายเป็นสีความสุจริตทางวาจาการไม่ทำร้ายเป็นสุจริตทางวาจากล่าวร้ายเป็นวาจาใช่ไหมทำก็เป็นทางกายสํารวมในปาติโมกเนี่ยนะเรียกว่าถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจาระเนี่ยนะเป็นต้นเห็นภายในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายก็รู้จักประมาณในปัจใจสี่อยู่ในที่สงัดและประกอบอธิจิตสิกขา นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเป็นชีเป็นคำสอนที่นี้เป็นทางเพื่อความพ้นทุกน์นี้เป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุก์ถ้าปฏิบัติตามนี้ได้คือถ้ายังยังเจริญกุศลอยู่ได้เรียกว่าขันติอันนั้นเขาบอกขันตินี่แค่ไหนคือไม่ถือว่าอะไรเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาขวางกั้นห้ามการเจริญกุศล ถ้ายัางเจริญกุศลยังให้ทานรักษาศีลเจริญเนี่ยคัมมาอบรมปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะอยู่ถ้ายัางทํากิจเหล่านี้ได้อยู่แสดงว่ามีขันติมีความอดทนถ้ายัางเจริญบุญญะกิริยาวัตถุสิบอยู่เรียกว่ามีความอดทนญถ้ายัางศึกษายัางปฏิบัติตามคําสอนอยู่เรียกว่าความอดทนถ้าคำว่าทนอดกับอดทนนี่เหมือนกันไหมทนอดนี่หมายคขาว่าย่างไรพอมีกินแต่ไม่ยอมกินขี้เกียจเนี่ยนะนะทนอดเนี่ยนะนะ อย่าไปเล่นคําเลยต่อไม่ล่ะไปว่างๆก็ไปนั่งถกเอาแล้วกันดูความพิสูจน์ทั้งหลายสมัยหนึ่งคือคือทั้งหมดเนี่ยที่กล่าวแล้วทั้งหมดเนี่ยนะใจความตั้งแต่ข้อที่ที่ที่เท่าไหร่คือในข้อสิบเนี่ยนะในข้อสิพระพิสูจนทั้งหลายเนี่ยท่านสนทนากันว่าเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตทั้งหมดเนี่ย พระพุทธเจ้ารู้ได้ด้วยอนุภาพแห่งสรพพัญยุตยานหรือว่าเทวดามาบอกไงนะพระองค์รู้ทั้งหมดเหตุการณ์ในอดีตตั้งแต่เรื่องพระพุทธเจ้าองค์ตั้งแต่ต้นเลยนะเช่นอนัตตาถ้าพูดถึงเจ็องค์ก็ตั้งแต่วิปสัสสีสิกีเวสภูกาูสันทาโกนาคมันะจนถึงพระพุทธเจ้ากัสปาเรื่องราวของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทั้งหมด ที่ได้ยกมาพูดแบบพระพุทธเจ้าเหล่านั้นมีคุณเช่นนั้นเช่นนั้นมีชื่อมีโคดมีนามสกุลมีอายุมีพ่อมีแม่มีอะไรหลายเรื่องหลายอย่างเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องทั้งหมดนั้นอ่ะพระองค์รู้เองหรือเทวดาบอกที่กล่าวไปนั้นทั้งหมดเท่ากับตอบคำถามว่านี้เพราะพระองค์รู้เองด้วยสัพพันญูทีนี้ต้องการบอกว่าจริงๆงเทวดาก็บอกด้วยเอาแล้วเทวดามาบอกพระองค์ตอนไหนบอกว่าอย่างไร นั่นก็จะเป็นการขึ้นข้อห้าสิบห้าเพื่อตอบว่าเทวดาก็บอกแต่เทวดาไม่ได้บอกอย่างที่พระองค์เล่าเนี่ยแต่เป็นเป็นประงานบอกแบบคร่าวๆว่าดูความพิสูจนทั้งหลายสมัยหนึ่งเราอยู่ที่ควงไม้พญาสาพรพฤกในป่าสุภวันใกล้อุกตานครดูความพิสูจนทั้งหลายเมื่อเรานั้นไปอยู่ในที่หลีกเร้นคือหลังจากที่เข้าอารหัตผลสมาบัติอยู่ก็ได้มีความ ปริวิตกหรือรำพึงขึ้นในใจว่าสุดทาวาสสุดทาวาสคือว่าที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์ที่อยู่ของพระอนาคามีเนี่ยนะอวิหะอตปาสุทธสาสุทศีอกกนิฐาเนี่ยซึ่งเราไม่เคยได้อยู่เลยไม่เคยไปเลยมาก่อนมาแล้นเนี่ยโดยเวลาอันยืดยาวนานขนาดนี้สังสารวัตที่ผ่านมาทั้งหมดไม่เคยเข้าไปเลยเพราะใครที่เข้าถึงสุดทาวาสได้ก็แปลว่า ผู้นั้นจะไม่กลับมาปฏิสนธิในโลกนี้อีกแล้วพระองค์ก็คิดว่าพราะองค์ไม่เคยไปเลยเพราะว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะถ้าได้เป็นสุทาวาสแล้วก็เป็นพรมสุทาวาสก็ไม่ได้มาไม่ได้มาบําเพ็ญบารมีอะไรอีกต่อไปแล้วก็เป็นพระอนาคามีที่สุดก็จะตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ในแน่นอนต่อไปก็เลยคิดว่าสุทาวาสนี่เราไม่เคยอยู่เลยตลอดระยะเวลาอันยาวนานนอกจากเทวดาเราสุทาวาสแล้ว ไม่ใช่โอกาสที่ใครๆจะไปได้โดยง่ายก็แปลว่าผ้านาคามีเท่านั้นแหละที่จะได้อยู่ในสุทาวาสท่ากระไรเราพึงเข้าไปหาเทวดาเหล่าสุทาวาสจนถึงที่อยู่ที่สู่ทั้งหลายทันใดนั้นเราก็ได้หายไปเนี่ยหายตัวจากที่ควงไม้พญาสารพฤกในป่าสุภวันใกล้เมืองอกกฐานคร แล้วก็ไปปรากฏในเทวดาชั้นอวิหาเปรียบเหมือนบุรุษที่มีกำลังเห ย, ย, ยียดแขนหรือว่าคู่แขนฉะนั้นอันนี้เหตุการณ์เมื่ออวิหานนเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อวิหาพรมดูควนมพิสูจทั้งหลายในมูเทพพยดานั่นแหลเทพยดานับร้อยนับพันเป็นอันมากแล้วว่าโอ้เทวดาเยอะแยะเลยเทวดาในที่นี้หมายถึงเทวดาชั้นอวิหาพรมเนี่ยนะก็คือพรม คำว่าเทวดานี่รวมถึงพรหมด้วย น, นะพรหมเหล่านั้นเนี่ยหลายร้อยหลายพันก็เข้ามาหาเรามาถึงแล้วก็ไหว้เราได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้งนั้นเทพพ ย, ยดาคือพรหมเหล่านั้นเนี่ยนะพรหมชั้นอวิหาเหล่านั้นยืนเรียบร้อยแล้วก็กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกนับถอยหลังแต่ บ, บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะถอยหลังจากพระธัปมนี้ไปเก้าสิบเอ็ดกับพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีอุบัติแล้วในโลกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเป็นกษัตริย์โดยพระชาติอุบัติในขติยะสกุลเป็นโกนทัญญาโดยพระโคดมีพระชนมาายุประมาณ8ปดห 0,000 ื่นปีพระองค์ได้ตรัสรู้ที่ควงไม้แครไฟ พระองค์มีคู่พระสาวกชื่อว่าพระคันดะและพระติสเทระซึ่งเป็นคู่อันเจริญข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกการประชุมการแห่งพระสาวกของหรือที่เรียกว่าสาวกสนิบาตของพระผู้มีพระภาคอรหันต์ตัมมาสัมพุทธเจ้า พ, พระนามว่าวิปัสสีได้มีแล้วสามครั้งครั้งที่หนึ่งมีภิกษุประชุมกันเป็นจํานวนหกล้านแปดแสนครั้งที่สองจำนวนหนึ่งแสนครั้งที่สามจำนวนแปดหมื่น อาณสาวกทั้งหมดของพระวิปสัสสพระผู้มีพระภาคอรหันตสตัสมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีที่ได้มาประชุมกันทั้งสามครั้งนี้ล้วนแต่เป็นพระอรหันตะขีณาศพทั้งสิน้นข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกภิกษุผู้อุปถาชื่ออาโศกได้เป็นอักขระอุปถาของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัสมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีพระราชา พระเจ้าพันธุมะเป็นพุทธบิดาพระนางพันธุมาดีเป็นพระชนนีบังเกิดกล้าวของพระองค์พระนครที่เกิดชื่อว่าพันธุมาดีเป็นราชธานีของพระเจ้าพันธุมะข่าแต่พระองค์ผู้เนรทุกการออกมหาพิเนสกรมนะออกบวชของพระองค์เนี่ยเป็นอย่างนี้การบรรตทชาเป็นอย่างนี้การตั้งความเพียรการตรัสรู้การประกาศพระธรรมจักร ของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเป็นอย่างนี้แปลว่าเทวดาชะนะวิหารเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเรื่องราวของสมัยพระพุทธเจ้าพระนาม ว, ว่าวิปสัสสีข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกพวกข้าพระองค์เนี่ยทั้งหลายร้อยหลายพันเนี่ยนะประพฤติพรหมจรรย์นในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนาม ว, ว่าวิปสัสสีคลายกามฉันทะเป็นอนาคามี ก็ได้บังเกิดณนะที่นี้แสดงว่าพรมชั้นอาาคาอพรรมพรมที่เป็นสาวกของพระวิปัสสีผู้ทเจ้าตอนนี้ก็ยังอยู่เนี่ยนะเพราะใครทำบุญให้เป็นอนาคามีแล้วก็ไปเยี่ยมท่านก็ได้ง น, นะทางมีอยู่แต่ผู้ปฏิบัติไม่ค่อยจะมีเหมือนกันนะทีนี้เอาสาวกของะอะนะอีกทางหนึ่งสาวกอีกชุดหนึ่งอ่ะนะ ดูความพิสูจทั้งหลายในหมู่เทพพยาดานั่นเองเทพพยาดานับร้อยนับพันเป็นอันมากได้เข้ามาหาเราครั้นเข้ามาหาแล้วก็ไหว้เรายืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นเทพพยาดาเหล่านั้นยืนเรียบร้อยแล้วก็ได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกข์นับถอยหลังแต่พัทธกัปนี้ไปสาอดกัปได้มีพระผู้ ม, ผมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีเสด็จอุบัตในโลกพระองค์เป็นกษัตริย์โดยชาติเนี่ยนะ ก็รายละเอียดก็คล้ายๆกับที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะก็ซึ่งเราได้ฟังมาแล้วทั้งนั้นนเสร็จแล้วบอกว่าข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นสาวกของพระสิขีพุทธเจ้าได้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นพระนาคามีแล้วก็มาบังเกิดในอวิหารพรเสร็จแล้วก็เทพพ ย, ยดาชุดที่สามนับร้อยนับพันเข้ามาหาเราไหวเรายืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งเทพพญดาเหล่านั้นพอยืนเรียบร้อยแล้วก็กล่าวกับเราว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในกัปที่สามสิบเอ็ดนั่นและพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าเวสภูได้เกิดขึ้นในโลกเนี่ยนะพระเวสภูก็เป็นกษัตริย์โดยพระชาติเรื่องราวก็เป็นดังที่คล้ายกับที่เคยกล่าวไปแล้วในพุทธวงศ์เนี่ยนะเสร็จแล้วก็บอกว่าพวกข้าพระองค์นั้นได้ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า เวสภูเป็นอนาคามีแล้วก็บังเกิดณนะที่นี้เนี่ยนะคือเจริญข้อปฏิบัติจนบรรลุอนาคามียมากก็มาเกิดในพรหมโลกอันนี้สาวกของพระพุทธเจ้าเวสภูนี้กลุ่มสาวกของพระพุทธเจ้ากักปุสันธะบอกว่าภิกษุทั้งหลายในเทพ ย, ยดานั่นเองเทวดานะับร้อยนะับพันเป็นอันมากเข้ามาหาเราครั้นเข้ามาหาแล้วก็ไหว้เราแล้วก็ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งเทพ ย, ายดาเหล่านั้นก็ พอยืนเรียบร้อยก็กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกขในพัสกับนี่เองพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัจุสันทะได้เสด็จอุบัติแล้วในโลกพระองค์เป็นพราหมณ์โดยพระชาติเนี่ยนะรายละเอียดก็คล้ายกับที่กล่าวมาแล้วในพุทธวงศ์ข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกข์นี่ยนะพวกข้าพระองค์นั้นประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัจุสันทะ เป็นอนาคามีคลายกรรมมาฉันท่าทั้งหลายแล้วก็มาบังเกิดในพรหมชั้นอวิหานะที่นี้นะผ่านไปแล้วสี่ชุดใช่ไหมเทวพรหมสี่ชุดชุดที่ 5. ห้ามูเทพพ ย, ยดานับร้อยนับพันอีกกลุ่มหนึ่งก็เข้ามาหาเรายืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็กราบทูลว่าในพัศกับนี้เองพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าโกนาคามณะได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลก นะรายละเอียดก็พระองค์ก็เป็นพรามโดยชาติเป็นต้นสำหรับพวกข้าพระองค์นั้นนะนะได้ประพฤติพรหมอาจันทร์ในพระผู้มีพระภาคพระนามวโกนาคมณะคลายกามาฉันทะแล้วก็มาบังเกิดณนะอวิหาพรหมเหล่านี้แห่งนี้เนะทวดาชุดที่หกนับร้อยนับพันเป็นอันมากก็เข้ามาหาพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ไหวย้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง เทวดาคือพรหมเหล่านั้นก็กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เนรทุกขในพัทธกาบนี้เองพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะได้เสด็จอุบัติแล้วในโลกพระองค์เป็นพราหมณ์โดยพระชาติเป็นต้นเนี่ยนะก็รายละเอียดก็บอกว่าข้าพระองค์ได้ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากัสสปะคลายกรรมฉันทะแล้วก็มาเกิดณที่นี้เสร็จแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่ง กลุ่มที่เจ็ดบอกว่าเทพพยดาอีกนับร้อยนับพันนะที่จริงเนี่ยนะก็บอกว่าหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านก็เป็นอนาคามีนี่เกินร้อยอยู่แล้วใช่ไหมนี่หมู่บ้านสมัยพุทธกาลมาใช้น้อยๆนยนะีเป็นพผ้านาคามีกันเยอะแยะเลยมันก็ยกตัวอย่างมานับร้อยนับพันเนี่ยนะท่านเหล่านั้นก็เข้ามาไหว้เราแล้วก็ยืนอยู่หน้าที่กวนส่วนข้างหนึ่งเทพพญดาเหล่านั้นอ่ะยืนเรียบร้อยแล้วก็กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์พูดเนรทุกขับนี่แหละ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระองค์ก็พระองค์ของเราอ่ะนะพระโคดมเนี่ยพระองค์เนี่ยพระชาติเป็นกษัตริย์อุบัติในขัตยศกุลเป็นโคตมะโดยพระโคดประมาณพระชนมายุของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้น้อยนิดเดียวเร็วพลันแม้ในสายตาของพรหมนน้อยมากเลยนะเอาคิดดูนะเก้าล้านปีของจ่าตุมพวกเราหกเจ็ดแปดสิบปีเนี่ยมันจะเป็นนานอะไรใช่ไหม ถ้าเทียบกับจาตุ่มของเราเนี่ยกี่นาทีของจาตุ่มเองเนี่ยนะสมมติว่าจ่าตุ่มเขาเก้าล้านปีเนี่ยของเราเจ็ดปดเก้าสิบปีเนี่ยนะไม่รู้ใครอยู่ถึงนะเขาม า, าจต่ไม่ถึงก็ได้ไงทีนี้เอา้าถ้าเทียบกับดาวพดึงสสามสิบหกล้านปีแล้วของเราไม่ถึงร้อยปีเนี่ยมันจะเป็นนานอะไรถ้าเทียบกับดุสิตห้าร้อยเจ็สิบหกล้านปีแล้วของเราไม่ถึงร้อยปีจะเป็นนานอะไรถ้าเทียบกับพรหมเขาอายุเศษหนึ่งส่วนสี่ของกลับเนี่ยนะแล้วเราจะไปเยอะอะไรเศษสองส่วนสี่ของกับ หรือเครื่องกลับอะนะถ้ามหาพรห ม, รมรอายุตั้งกลับหนึ่งของเราเนี่ยท่านบอกว่าท่านยังไม่ทันหายใจเลยพวกนั้นตายกันเลอยองเง้ยนะหรืออีกในหนึ่งถ้าบอกว่าพรหมชั้นสูงสูงอายุ2 4, กลับ4ี่กลับ8 6, กลับ16 6, กลับอายุก็นห้าร้อยมหากลับอายุกันหกหมื่นกลับอย่างเงี้ยนะอายุกันเป็นหมื่นกลับแล้วลของพวกเราเนี่ยอายุไม่ถึงร้อยปีเนี่ยมันน้อยท่านบอกว่าเร็วพลันเหมือนกัน น, นะพรหมบอกว่าเร็วนี่แสดงว่าเร็วจริงๆอะในความคิดของท่านมันเร็ววับแป๊บเลยงนั้ น, น, น, น, น เพราะผู้ที่มีชีวิตอยู่นานก็เป็นอยู่ได้เพียงร้อยปีบางทีก็น้อยกว่าบ้างร้อยน้อยกว่าร้อยมากนะแต่ก็มีบ้างเกินกว่าร้อยเช่นอะไรนะบางท่านก็ร้อยกว่าปีใช่ไหมแต่ร้อยกว่าปีนี่ดื่มน้ำก็ไม่ค่อยเต็มคอแล้วละว่างั้นนะ่ะดื่มน้ำก็ยังฝืดนะไม่ต้องพูดถึงกลืนอาหารแล้ววันแล้วก็ตรัสกล่าวถึงเรื่องราวของพระพุทธเจ้าของเราว่วาพระ อ, องค์ตรัสรู้ที่ไมโ้โพภาษารีบุตรพระโมคคัลลาน่าเป็น อัคารสาวกมีสาวกสันิบาตหนึ่งครั้งหนึ่งันสองรห้าสิบรูปอุปถากชื่อว่าพระอนนท์พระเจ้าสุโทธทนะเป็นพุทธบิดาพระนางมายาเป็นเท พ, พระชนนีพุทธมารดาพระองค์เกิดที่นครกบิลพัทก็รายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนที่พระองค์ออกบวชบรรพชาตั้งความเพียรการตรัสรู้การประกาศาธรรมจากรายละเอียดของพระพุทธเจ้าของเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้ พวกข้าพระองค์นั้นประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคเจ้าคลายการมฉันทะแลว้วก็มาบังเกิดณนะที่นี้ตอนที่พระองค์มีพระชนอยู่เนี่ยนะสาวกของพระองค์ที่ไปเกิดในชั้นอวิหาเนี่เยอะอย่างชัมพุกะเนี่ยนะชัมพุกะชีวกเนี่ยพระพิสูุรูปนี้ก็ไปเป็นไ ป, เ ป, น เ, ป, น เ, ปนเป็นพระอรหันต์ที่ชั้นอวิหารโดยกองพิสูรทั้งหลายเราพร้อมทั้งเทพพ ย, ายดารวมแค่เรียกว่ารวมหมู่คณะพรหมทั้งหมดยกขบวนไปที่ไหนไปหาเหล่าเทพพญเจ้าชั้นอาตัาป่า นะเสร็จแล้วพวกเทวดาชั้นอตตปาก็มารายงานเรื่องทั้งหมดให้พระองค์ฟังอีกแล้วก็แห่ขบวนทั้งอวิหะตปาไปหาสุทธาสาแล้วเทพพยดาทุกชุดเนี่ยก็มารายงานมากราบทูลพระองค์อีกแล้วก็ยกขบวนอวิหาตปาสุทธาสาขึ้นไปหาสุทสศีกลุ่มเทวดาทั้ง7กลุ่มเนี่ยนะเกลุ่มใหญ่ก็มารายงานพระองค์อีกก็ชวนการอวิหะตปาสุทธาสาสุทธสีร่วมกันไปรวมที่พรหมกานิษฐาเรียกว่าระดมท้าวมหาพรหมไปเยะเลยแบบนั้น ทีนี้เทพพยดาองคเหล่านั้นเนี่ยนะในกลุ่มเทวดาชั้นอการิฐาหลายร้อยหลายพันก็มามารายงานว่าเขาเนี่ยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าวิปัสสีชุดที่หนึ่งชุดที่สองบอกเขาเนี่ยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสีขีชุดที่สามก็มารายงานว่าเขาเนี่ยเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอะไรเวสภูเนี่ยนะอีกชุดหนึ่งก็มาบอกว่าข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ากกูสันทา อีกชุดหนึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ากูนาคามนาอีกชุดหนึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ากัสสปะอีกชุดหนึ่งเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าของเราแล้วก็เล่าประวัติเกี่ยวกับเรื่องราวของพระพุทธเจ้าของเราภิกษุทั้งหลายเหตุ hum mens, ท, ท um ี่ธรรมธาตุคือสัพพัญญุตยานตถาคตแทงตลอดดีแล้วด้วยด of ีด้วยประการอย่างนี้แล เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่ล่วงไปแล้วปริเนพานไปแล้วพระพุทธเจ้าเหล่านั้นตัดธรรมะที่ทำให้ขยายวัตตะคือตัณหามาณทิฏฐิได้แล้วตัดกรรมที่เป็นเหตุตัดกรรมกิเลส ท, ที่เป็นเหตุเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วครอบงำกรรมและกิเลส ท, ที่ทำให้เวียนว่ายตายเกิดได้แล้วล่วงพ้นวัตทุกทุกอย่างได้แล้วตถาคตก็ระลึกชาติโดยพระชาติเป็นอันมาก คือความที่พระองค์เนี่ยแทงตลอดสัพพัญยุตยานพระองค์จรงระลึกชาติของพระพุทธเจ้าทั้งหลายโดยชาติโดยชื่อโดยโคตโดยโอายุคู่สาวกเนี่ยนะก็เล่าว่าพระองค์เหล่านั้นมีชาติอย่างนั้นมีชื่ออย่างนี้มีโคดอย่างนี้มีศีลอย่างนี้มีธรรมคือสมาธิอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้มีวิหารธรรมสมาบัติอย่างนี้มีวิมุตต์ตะทางคขวิมุตต์วิขัมพนาวิมุตต์สมุทเฉทวิมุตต์ปฏิปัสสัทธิวิมุตต ของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็นต้นอย่างนี้อย่างนี้อันนี้อนุภาพของสัพพัญญุตญาณที่พระองค์แจมแจ้งในอดีต ท, ทั้งหมดโดยไม่มีส่วนเหลืออันนี้ชุดที่หนึ่ง น, นะที่พวกเธอคิดว่าสงสัยกันว่าพระองค์รู้เองใช่ไหมบอกใช่อันนี้ด้วยด้วยอนุภาพของสัพพัญญุตญาณแม้พวกเทพพ ย, ยดาก็ได้บอกเราคือทพรมทั้งหลายก็บอกเราอย่างที่ว่าพระองค์หายตัวจากป่าสุภวันไปปรากฏที่อวิหาเทวดาชนะวิ พระก็มารายงานก็พาเทวดาชั้นอวิหาไปอัตตาปาเทวดาชั้นอัตตปาก็มารายงานพาเทวดาอวิหาอัตตปาขึ้นไปสุทธาเทวดาชั้นสุทธาก็มารายงานชวนอวิหาอัตตปาสุทธาขึ้นไปสุทสศีเทวดาชั้นสุทธสีก็รายงานชวนทั้งสี่ชั้นแปอภินิ tha พรมทั้งมวลเหล่านั้นก็มารายงาน เพราะฉะนั้นเขาบอกแนี้ความนี้อันนี้แหละเป็นเหตุให้ตถาคตระลึกได้ซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงไปแล้วปรินิพานแล้วตัดตันหามานะทิถี ท, ท, ท, ที่ทําให้เนื่นช้าอยู่ในวัฏฏะตัดกรรมกิเลส ท, ที่เป็นเหตุแห่งความเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วครอบงํากรรมกิเลส ท, ที่เป็นเหตุเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วพระพุทธเจ้าเหล่านั้นทั้งหมด ล่วงทุกทุกอย่างได้แล้วว่าพระองค์เหล่านั้นมีพระชาติมีชื่อมีโคดมีพระชนมายุมีคู่สาวกประชุมสาวกอย่างนี้อย่างนี้เมื่อพระพุทธเจ้าตัดจบแล้วก็ภิกษุเหล่านั้นชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลจบพอดีเป๊ะเลยมันก็บอกว่าสูตรนี้ชื่อสูตรใหญ่มากเลยนะพระสูตรนี้ทั้งหมดท่านบอกว่า สองพันหกร้อยพาณวาระสูตรอื่นในภูษฐวัจน์คือพระไตรปิฎกไม่มีสูตรไหนที่มีจํานวนถึงสองพันหกร้อยพาณวาระสูตรนี้ชื่อว่าสุตตันตราชสูตรหมายราชาของพระสูตรทุกสูตรว่างั้นเถอะในหน้าหนึ่งร้อยหกสิบสี่นะหน้าจบเลยเขาว่างั้นแปลว่าโอ้โหสุตรตันตราชสูตรอยเรื่องมันยาวเย่ะใหญ่จริงๆสูตรนี้ยิ่งใหญ่มากเลยนะเราะกล่าวถึงเรื่องราวของพรหมแต่นี่ก็ของเราก็ ไม่รู้ว่าฉลาดมากหรือฉลาดน้อยกล่าวแต่สรุปพอใจความก็พอนี่ยนะเขาบอกจริงๆอะการฟังแบบสังเกตสังเขตย่อยๆไปเรื่องของคนมีปัญญาใช่ไหมของเราก็ว่าที่ผู้มีปัญญาในอนาคตก่อนก็นแล้กันเขาขอให้เป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงในพระตนะตรัยตรัสรู้อริยศาสตร์ตามพระพุทธเจ้าโดยทั่วกันวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ปีนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้หนึ่งนจินพาน